จเจริญพรท่านสาธุชวชนพุทธบิษัทพรผู้มีจิตใ่ทาทุกท่านวันนี้เราก็มาพบกันในครั้งหนึ่งเพื่อมาสัญน า, นาทาอันระเสริของพระพุทธเจ้าเพื่อเป็นปเพื่อประโยชน์ของการปฏิบัติและของการาระงรับดับความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจเราก็จะเริ่มกันที่คุณสาธารเป็นลายเรกคิญคุณสาธาร ไม่มีคำถามพระอาจารมาฟังข่ า, ค<ำ>าวค่ะปฏิบัติตรอนเยี่ยงรู้หมดแล้วนะไม่หมดไหมังแล้วก็เอาไปใช้ค่ะพระอาจารย์อ่รู้เท่าที่ำจำจเป็นต้องรู้ก็พอคำเป็่าที่รู้หมดไปทรู้รู้หมดเกี่ยวกับเรื่องการกระทำเรื่องของการปฏิบัติค่ะค่ะค่ะไม่มีคําถามพระอาจารย์ปฏิบัติตรอนเยี่ยงค่ะยินดี ไปที่จะมนัทพระเจที่จักษีราชครับนวัตสการ์พระอาจารย์ครับวันนี้จะมีเร um <No> um ื่องให้วันนี้ม <um ีเรื่องที่จะเล่าให้พระอาจารย์ฟังครับเอาวาเล่ามาเลยก็คือก็คือดีอยู่ดีครับก็คือผมรู้ว่าทุกอย่างน่ะมันไม่มีเชื่อครับก็คือมันเป็นธรรมชาติไปเองอ่ะครับ แสดงนั่นแสดงว่าเราก็ไม่มีเชื่อครับเราก็คือธรรมชาติครับก็คือตอนที่ก็เือแรู้เองะครับแบบไม่ไม่คิดเลยครับพระอาจารย์แล้วก็แบบก็เลยบอกว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองครับเราทำไงกับมันดีละ่ะรู้แล้วทํ <c oughs> าคํารู้นี่มาทํายังไงดีตอนนี้ยัง ยังรู้แบบนั้นอยู่เรู้หรือรู้เฉพาะตอนนั้นตอนเดียวตอนนี้ก็กลับมารู้เหมือนเดิมรู้ว่าเป็นจำแนกนแจัดที่เหมือนเดิมนะก็ยังรู้แบบนี้อยู่ถ้ารู้แบบจำแนกจัดที่ก็ยังก็ยังไม่เป็นประโยชน์เป็นโทษเพราะจำแนกจัดที่ไม่มีไม่ใช่เหรอใช่ค่ะนะครับ มีแต่ธรรมชาติไม่ใช่เลยใช่ค่ะใชใช่ไห่ยงไงแมก็ต้องปล่อยปล่อยแม่ปล่อยแชทที่เพราะมันเป็นธรรมชาติไปทําอะไรธรรมชาติไม่ได้ไม่ใช่เลยทําได้ไหมไปสั่ธรรมชาติให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้ไหมใช่ค่ะสั่งให้ธรรมชาติ จะให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้ไหมไม่ได้ครับอ่าอ ย, ย่าอย่าสั่งนะต้องยอมรับมันเข้าใจไหมเข้าใจครับเข้าใจครับเวลามันเจ็บก็ยอมนับว่ามันเจ็บอย่าไปเอาเราว่าไประบายให้กับคุณพ่อไปไหมโอ้ผมเจ็บ <c oughs> จะแม่ไม่เจ็บจะแม้เป็นอินวิซิเบลอไรไม่ใช่หรือ สิ่งที่เป็น ท, ที่จาแมเห็นอยู่นี้ไม่ใช่เป็นจามแมทไป่ใช่แ้เป็นธรรมชาติใช่ไหมใช่ค่ะ ค, คุณพ่อคุณแม่ก็ตั้งชื่อให้ว่าจาแมใช่ไใช่ค่ะเห็นอย่าไปยึดไปติดกับธรรมชาติเยต้องยอมรับธรรมชาติธรรมชาติจะให้เป็นยังไงก็ต้องเป็นอย่างนั้นคับ ย่ทุกกับอย่าทุกกับมันอย่าทุกข์กับธรรมชาติทุกข์เข้าไปอยากให้ธรรมชาติเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราหัดสอ น, นวิสุมภะว่าเราไม่ได้เป็นธรรมชาติเราเป็นผู้รับรู้ธรรมชาติก็ให้รู้เฉยๆครับใครเขาพูดอะไรว่าอะไรก็เฉยๆรับรู้ไป ใครก็ทำอะไรก็รับรูไปไม่ต้องไปดีใจสีใจกับใครก็ทำของของคนหรือขาอะไรก็ตาคนก็คือธรรมชาติานครับแถ้าเอามาคิดเอามาประกอบกับความที่เราได้รู้ตอนที่จะแมนรู้นี่จะแม่ทำอะไรอยู่ เมื่อวานตอนค่าๆอะค่ะอยู่ดีๆเขาก็พูดขึ้นมาเลยแม่จะมัดรู้จะมัดรู้อะอค่ะรู้เราก็ต้องทําตาม ท, า ท, าที่เรารู้สิใช่หไหมใช่ค่ะถ้ายัางเป็นยังเป็นจอมั่นอยู่ยังเป็นของเราเป็นตัวเราอยู่นี่ก็ไม่ใช่จอมั่นก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จอมั่นรู้อช่ไหมทุกสิ่งเป็นธรรมชาติมันก็แสดงว่าไม่เป็นตัวเราเใช่ไหมไม่เป็นของเราใช่ไหม มีหรือเปล่าก็มาาไม่ได้มีคะเออของเล่ที่จำแม่ไปอยู่นี่ยังเป็นของจำแม่อยู่หอ่าถ้าถ้าเกิดคุถ้าจัดที่เราไปในจำแมจะโกรธหรอก็อาจจะว่านะก็มันไม่ใช่เป็นของเรามันเป็นของธรรมชาติไม่แน่ต ง, ง <c oughs> ใช่หใช่ <c oughs> ไม่มีอะไรเป็นของเรานะถ้าเป็นของธรรมชาติเ ร, เราอยู่ตรงไหนเราก็ไม่รู้ใช่รับเราอยู่ที่ร nie, huh? One, two, three, three. ่างกายนี้หรือเปล่าก็อยู่ที่ร่างนี้ก็ไม่อยู่ครับแอาจจะเป็นแบบเป็นตัวรูอครตัวรู้ตัวคิดตัวรู้ตัวคิดเป็นตัวสั่งให้ร่างกายทําอะไรต่างๆ แต่ก็ทำให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ได้ไม่ติดโควิดไม่ได้นะต้อรู้ว่าอะไรที่ invisible man ทำได้ก็ทําไปอไหนที่ทําไม่ได้ก็ต้องยอมรับว่าทาไม่ได้ถ้าไม่ให้แม่ว่าจะนัดจัดที่ได้ปะได้ครับแล้วปล่อยให้แม่เขาว่าไปไม่ต้องไปก่อนไม่ต้องไปเสียใจนะ พยายามรักษาใจให้เฉยเฉยไม่ต้องดีใจเสียใจกับอะไรต่างๆเราไปฝึกดูแล้วมาเล่าอีกฟังดูนะมีอะไรไหมไม่ไม่มีแล้วคะไม่มีนะเจตี่มีอะไรไหม ไอจ้แม่กับแจ๊ตตี้นี่เป็นภาษาอะไรเนี่ยมันเหมือนภาษาภาษาอังกฤษนี่แหละค่ะเอาชื่อกับพ่อแม่มารวมกันค่ะชื่อพ่อกับชื่อแม่เ่าแกบบโอเคไม่เวลาใช่ไหมครับกลับโอเคดีใจนะที่ยังภาษาติดตั้งอยู่หมายเนาะบางคนเข้ามาหาเข้ามา กินนี้หายไปหมดนะเนื้อเราคนเดียวสองคน <c oughs> ขเขาเหลือเร า, าหายตายจากไปแล้ว <c oughs> ครับมาแกดูสิว่าเราจะอยู่คงขอพันไปถึงเมื่อไหร่อยู่ยองคงก็มาต้องให้แม่คอยสั่งบ้าเปล่านี่ให้แม่บอกมาอยู่ว่าจะมันรู้เองว่าวันพุธต้องเข้าซู่ตัวเองพุอ่ารูเองสั่งเองนะอย่าให้แม่สั่ง ชวนมาแม่อันนี่มันพูดเราต้องมาฟังธรกันนะการฟังทรเป็นประโยโชน์ได้ความรู้ที่ไม่มีใครรู้กันนะเข้าใจไหมเข้าใจครับโอเคนะขอให้ตั้งใจศึกษาแล้วก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆครับขอบคุณครัคบเชิญคุณรมอพิเชษจากพอทรอออรมอกตาอกลับมาสการพระอาจารย์ครับวันนี้ จะมากับเรียนอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติจิตตภาวนาครับป้าอาจารย์ตั้งแต่ครั้งที่แล้วที่โยมได้สัมผัสกับความสุขจากการนั่งสมาธิแล้วก็ได้น้อมนําคําสั่งสอสของป้าอาจารย์ไปปฏิบัติที่ว่าเวลานั่งสมาธิให้เจริญที่เหตุอย่าไปเจริญที่ที่ผลเพราที่ผ่านมาก็ก็ล้มลุกคุกคลานครับป้าอาจารย์จนกระทั่งหนึ่งเดือนพอดีเมื่อเช้านี้ครับ หลังจากที่บริกรรพุโทโธและดูลมหายใจเขาออกผ่านไปสักสิบนาทีก็จิตก็รวมสู่ความสงบครับอาจารย์ก็มีความว่างแล้วก็ใจสงบเหมือนลอยอยู่ในอากาศแล้วก็สักแต่ว่ารู้ไ ม, ไม่ไม่มีจิตปมแต่งครับก็คงสภาวะนี้ไปอยู่ประมาณสักสี่สิบนาทีได้ครับหลังจากนั้นเราก็ออกมาเดินจงกรมก็เป็นการเดินจงกรมที่มีสมาธิ รู้สติทุกอย่างก้าวแล้วก็เหมือนตัวลยอยๆครับพรอาจารย์เพตรงนี้ก็เป็นครั้งที่สองที่ได้สัมผัสกับความสุขความยิบเยือกจากการ น, นั่งสมาธิครับอาจารย์แล้วก็มากับเรียนพระอาจารย์แล้วก็ขอความเมตตาพระอาจารย์ช่วยชีย้แนะด้วยครับก็ทําอย่างที่ทําอยู่เนี่แหลทุกทางแล้วให้อยู่ที่สติเป็นหลักผลความสงบมันไม่ต้องไปกังวลมันเรียนรูน้สติ ให้สติคอยควบคุมใจไม่ให้ไปคิดเรื่องราวต่างๆให้อยู่กับถ้าการเดินก็ให้อยู่กับการเดินไม่อยู่กับพุทโธไปถ้านั่งดูลมหรือุทโธไปถ้าทำอะไรก็ให้ดูงานที่เราทําไปเป็นการฝึกสติเพื่อระงับความคิดปนแต่งต่างๆ เวลาหน้ามันก็จะสงบง่ายสงบได้นานแต่อย่าไปคิดถึงผลที่ได้คราวที่แล้วเวลาทุกครั้งที่เราหน้ามต้องอย่าไปสนใจอดีตที่ผ่านมาแล้วอย่าไปอยากให้มันเหมือนกันอย่ายิ่งอยายิ่งคิดมันยิ่งไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่สงบต้องอยู่กับนงอย่างเดียวอยู่กับพุ ท, ทไปมาถูกทางแล้วน ะ, พ, ะพยายามฝึกสติไปสมาธิ ให้มันจำนานให้มันเข้าได้ทุกครั้งเลยต่อไปสมบอกนั่งทีไรก็สมบอกมบอกได้นาน้เรามีความเย็นใจหลังจากออกจากสมาธิใจแล้วก็ยังเย็นสบายไม่วุ่นวายไปการอะไรต่างๆแล้วถ้าเกิดมีอะไรมากระทบก็ใช้ปัญญาพิจารณาไปก็ได้ว่าเป็นตายักไปอย่ญญาไป อย่าไปยุ่งกับเขาอย่าไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไปก็เขาไปตามธรรมชาติตามเรื่องของเขาถ้าเราหลบได้ก็หลบได้ก็หลบเลยได้ก็เลหลบไม่ได้เลยไม่ได้ก็ทำใจเฉยๆอยู่กับมันแปรน้อมนําไปปฏิบัติธรรมก็จะโอเคถ้าทุก ก็มาฟังได้ทีเดแล้วเนี่ตั้งแต่เริ่อได้ตั้งแต่มกราคมครับอาจารย์ก็หลายเดือนได้เจ็ดเดือนคตั้งแต่ก่อนหน้านั้นไม่เคยปฏิบัติไหมไม่ไม่เคยอะไรครับพอดีได้เห็นจากที่เพื่อนเขาส่งมาในเฟซแล้วก็เลยติดตามในเฟซบุ๊กของพระอาจารย์แล้วก็มีความศรัทธาในคําสอนของพระอาจารย์เป็นอย่างสูงครับก็เลยติดตามมาตลอดครับอาจารย์มันก็ไม่ยากเย็นอะไรนะถ้าเรื่จากวิธีที่ถูกต้อง โอเคหาที่ปฏิบัติได้นี่แหละคือที่พึ่งของเราต่อไปอะไรจะเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นเราก็สามารถทำใจให้นิ่งเฉยได้คุณอนุพัท์อาจารย์ใช่กราบนำมาสการเจ้าค่ะอาจารย์ขาด มีครั้งหนึ่งที่ได้ฟังเทศของพระอาจารย์ให้ได้ข้อคิดอันนึงคือให้ปฏิบัติเพื่อพร้อมที่จะเจ็บกับพร้อมที่จะตายอ่ะเจ้าค่ะพระอาจารย์อพอลูกพอลูกอ่าตั้งตั้งสติคิดอย่างนี้เป็นเป้าหมายของการปฏิบัติมันทําให้จิตมันหดตัวเข้ามามากขึ้นนะเจ้าค่ะพระอาจารย์การการที่จะออกไปข้างนอกพอเราคิดถึงตรงที่บอกว่าเออเราพร้อมที่จะ เจ็บหรือยังเราพร้อมที่จะตายหรือยังมันก็หดตัวเข้ามาอย่างเงี้ยเจ้าค่ะอาจารย์ค่ะก็เลยก็เลยคาดว่าน่าจะใช้อันนี้เป็นแนวทางในการที่จะตั้งสติได้พอสมควรเจร้าแค่นี้แต่มันก็ตออกไปมันก็อาจจะวิจอาจจะอาจจะใช้ไม่ได้ก็ต้องพลิกแพลงต่อไปนะว่าบางทีมันก็วันทีกิเลสมันชินกันแล้วก็บวิธีนี้แล้วเดี๋ยวมันก็ มันก็อาจจะไม่ได้ผลดีเท่าไหร่ก็อาจจะเลาเปลี่ยนแต่ใช้ได้ใช้ได้ดีก็ใช้ไปอันนี้เพียงแต่พูดเผื่อไว้ก็ต้องลองสังเกตมันดูใช่ไหมเจ้าคะใช่ปฏิบัติต้องคอยสังเกตว่าวิธีการที่เราใช้นี่มันได้ผลดีหรือเปล่าค่ะได้เจ้ค่ะเลมันเหมือนยาเหมือนเชื้อโรคเราให้ยายามันกินไปสักป้ามันก็รู้จักวิธี สู้กับยามันกลายพันไปเหมือนดื้อยาใช่ไหมเจ้าค ะ, ะดื้อยาออยาคุณหมอก็จะต้องเปลี่ยนยาหน่อ <c> ย <oughs> <c oughs> เราปฏิบลลัติเราก็ต้องดูว่ามันมันใช้ได้ผลดีไหมแบบนี้ปดเข้ามาแบบหรือต่อไปมันรู้สึกเฉยๆชินยาไม่ไ <c oughs> ม่กระเตือไม่รู้สึกอะไรก็้ต้องเปลี่ยนอะไรเป็นบางสิ่งบางอย่างไป เจ้าขาพระจันทรับวันนี้ลูกลกไม่มีคําถามเจ้า่ะร่วมรับฟังเจ้คขาขอบพระคุณจังไปที่คุณเมนเมนสุดารัตเป็นยังไงอ่อยู่กอตามอใช่ไหมใช่ค่ะพระจานทร์กล่าวนามาสการค่ะพระจานทร์อ่ามีอะไรไหวันนี้มีค่ะหนูหนูตั้งใจจะทําให้เสร็จ ภายในเจ็ดปีค่ะพระอาจารย์พอเคยได้ยินเรื่องเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีทีนี้ดูก็ก็คือเพิ่งจะเริ่มทําจริงๆแบบทําทุกวันเลยอะค่ะก็คือทําบ้านให้เป็นวัดเลยอะค่ะดีมากดีมากถ้าตั้งใจจริงๆมันก็รับทําได้อยู่ที่ความตั้งใจเหมือนลุงตระเจ้าตั้งใจจะตัดสรวงฟัขณะดยิ่ใต้ต้องโค่นต้นโพธิ์ยก็ไม่รู้อยากที่นั้าเลย ทำเป็นอยค์การตัดสินว่เราก็ต้องไม่เลิกถ้าเราอยากจะได้ผลถ้าเริกหรือหยุดเ ม, มื่อไหรรือหรือไปเะเลทรายที่ไหนมันก็จะมันก็อาจจะไม่ได้ตามเวลาที่เรากำหนดไว้ต้องระวังเนเพราะว่ากิเลสมันฉลาดนะเราตั้งใจท่ดีมันดีวันดีเกินดีนดเผลอแป๊มเดีวอ่ะมันหลอกเราไปนู่นมานี่นะ่ะค่ะค่ะแต่ว่าหนู จิตหนูมันเหมือนแบบเป็นลิงอ่ะค่ะคือเวลาที่นั่งนั่งสมาธิค่ะคือได้ยินว่าคนอื่นเขาก็จะแบบ <c oughs> แบบวูบลงหรือว่าแบบสงบมากนิ่งมากแต่ของหนูอะค่ะหนูก็นั่งทุกวันเลยนะคะหนูก็ไม่เคยเข้าใกล้ความวูบเลยมันมีแต่ตื่นตัวไม่ง่วงเลยนะคะนั่งได้ทั้งวันทั้งคืนฟังธรรมก็ได้ทั้งวันทั้งคืนแต่ไม่เคยเข้าใกล้ความแบบ เงียบอะไรอย่างนั้นนะคะมันเป็นแบบตื่นเบิกบานอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์เลยไม่รู้ว่ามันแบบถูกทางหรือเปล่าก็สติเรายังอาจจะไม่ไม่ไม่แข็งพอไม่ไม่ต่อเนื่ยไม่ติดไม่ไม่ไม่จดจ่อมันต้องจดจ่อยู่ครับอารมใดอารมณ์หนึ่งพุทโธพุทโธก็ให้มันจดจ่อไปจริงจริงอยากจะไม่สนใจครับเรื่องอะไรเนยเนี้ ถ้าเราดูร่างกายมันกาเคลื่อนไหวของร่างกายก็จดจ่ออย่างมากาเคลื่อนไหวการกระทําร่างกายไม่สนใจกับเรื่องอย่างอ่ไงนี้ก็ต้องให้มันเีการมันอาจจะยังไม่จดจ่อมากพอมันยังจริงยังอาจจะแวะไปโน่นแวะมานี่ได้อ่าใช่ค่ะแต่ว่าเวลาเจออะไรที่เป็นแบบที่เข้ามาตรงหน้าอย่างนี้ยคะ่ะก็พิจารณาลงไตหลักได้หมดอยู่นะคะเริ่ม ไม่ค่อยทุกร้อนกับอะไรแล้วค่ะก็ดีก็ด้ทำไปนั่นปนของนี้บางทีก็เราเราก็อย่าไปกังวลกับภาวะแต่ละวันมันอาจจะต้องใช้เวลาพัฒนาไปเปลี่ยนไปค่ะ <c oughs> อยดูการการเปลี่ยนแปลงของเราแล้วก็มองไปในทิศทางที่ดีขึ้นหรือเปล่าค่ะดีดีขึ้นเรื่อยๆอยู่ค่ะแบบชัด เ, เจนเลยค่ะใช่ มันก็มาศัยประสบะการณ์ใช่ไหมทำไปแล้วมันก็อาจจะรู้ผิดรู้ถูกน้ามผิดน้อมถูกและปรับปรุงแก้ไขไปค่ะ<ม>อย่างเมื่อก่อนเรื่องที่เคยหนักอย่างนี้ยค่ะทุกวันนี้ก็คือมันเหมือนแบบเฉยๆอยนี้ค่ะเริ่มไม่ค่อยยินดียินร้ายอะไรเงนี้ค่ะอ่าก็ดีแสดงว่าเราเห็นเราเห็นใจแล้วเห็นว่ามันเป็นเรื่องถงธรรมชาติไปค่ะ ก็พอ <ane> <G> <uts> มีอะไรหนูกก yeah. huh? <laughs> ็จะพิจารณาให้ม <men> ันลงไปรักให้ได้หมดอย่างเงี้ยค่ะไม่งั้นมันก็จะเป็นอีกอย่าเงี้ยค่ะก็ดีเพราถ้ามันเห็นด้วยตายล้วก็มันจะไม่ไม่ไม่ไม่กลับมาเป็นซ้ำอีกใช่ถ้าใช้สติอยู่มันมันก็พอพอหยุดสติมันก็กลับมากลับมาใหม่ได้เห็นแต่เราใช้พุทโธพุทโธเวลาเรามีความทุกข์มันก็ดับไปได้ชั่วงคราว พอเราหยดพุทโธเนี่ยก็กลับไปคิดเรื่องนั้นเองมันทุกขึ้นมาได้ค่ะตอนทําใหม่ๆถ้ามีอารมณ์กระทบอย่างเงี้ยค่ะก็จะพุทโธแป๊บหนึ่งมันก็หายแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ไม่ต้องพุทโธเลยค่ะก็คือคิดลงใจรักไปเลยก็ดีค่ะการทําไปเรื่อยๆแต่มันมีโจทย์ที่ข้อมันอาจจะยากขึ้นยากขึ้นที่เรายังไม่ได้เจอไม่ได้ค่ะอังอย่าอย่าชะล่าใจที่ว่าอ เราตอนนี้อาจจะไปเจอโจทย์ข้อง่ายๆทําได้อย่าไปเจอขางที่มันหนักมากขึ้นของที่เรารักเราอะไรผมห้อ ง, ง, ง, งค่ะเพราะฉะทีเนี้ยค่ะหนูอยากทราบเรื่องแบบโมหะาอาวิชชาอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าถึงแม้เราพิจารณาลงไตลักอยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าสมมุติเวลามีเรื่องอะไรเข้ามามันก็ยังมีความขุ่นมัวอยู่ดีอย่างเงี้ยค่ะหนูยังไม่เคยเข้าใกล้ ก <K ill an> ็นั่นแหะเพราะตอนนั้นเราไม่ใช้ปัญญาเราใช้โมหะมันก็ฝุ่นลงเลยยังไปเห็นว่ามันแต่มีจังสุขขังนัดตายไม่ใช่ค่ะพรอาจารย์คือหนูอ่ะพิจารณาลงไตรักแล้วอย่างนี้ค่ะก็พอมีอะไรเข้ามาอย่าเงี้ยก็พิจารณาลงไตรักซ้ําแล้วซ้ำอีกไปเรื่อยๆเข้าใจเนยค่ะแต่ว่าพอเกิดอะไรขึ้นมันก็ยังมีความแบบแกระเทือนนิดนึงอย่างเงี้ยค่ะ <K ill an> แต่ว่ามันแป๊บเดียวนะคะเอก็แสดงว่ายังยังยังไม่หมด ยังเห็นไม่ไม่ชัดเจนตลาดเวลาถ้ามันมีอะไรนิดก็ต้องใช้ตาัละขับเข้าไปพิจารณาซ้ำเข้าไปก็คือต้องทำอยู่เนืองๆไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะเริ่มแบบนิ่งขึ้นเลยใช่เ่ะเราอาจจะมีโจทย์ข้ออย่าที่เรายังไม่ได้พิจารณามันก็ทำให้จิตเราขุ่นงัวได้ค่พอเราู้วนเราขุ่นงัวป้ามเราก็ต้องใช้การพิจารณา พิจารณาว่า เ, วเป็นไตรลักมันก็จะหายกุณใช่ค่ะมันจะเป็นแป๊บเดียวเองค่ะอาจารย์เด่น<ม>แต่มันก็ยังเป็นยังเห็นอยู่ว่ามันยังแบบไม่ไม่นิ่งไม่อุเบกขาอย่างเงี้ยค่ะแป๊ บ, บมั น, มนแต่มันมาแป๊บเดียวแล้วก็ อ, อืก็ลองก็ลองหาเวลานั่งสมาธิให้มากขึ้นหน่อยแค่นี้เพราะว่าไม่อุเบกขาแล้วอาจะ ย, ยังน้อยมันก็เลยถึงแม้มีปัญญาแต่มันก็ปล่อยไม่ได้ต้องขาดอุเบกขาอุเบกขาแล้วค่ะ นเรกเราจะได้จากการนั่งสมาธิค่ะตอนตอนที่หนูนั่งสมาธิอะคะ่ะหนูชอบเห็นเป็นภาพหลงปู่มั่นขึ้นมาอย่างเงี้ยคะ่ะหนูก็เลยสงสัยว่าหนูจะต้องเพ่งเ<ห>สียดอ๋อปล่อยถ้าเราอยู่กับพุโทโธกับพุโทโธไปถ้าเราดูลมก็ดูมไปอย่าไปย อ, ยาอย่าไปอย่าไปนูเรื่องอื่นมีอะไรปรากฏขึ้นมานับนู้วก็ปล่อยให้มันผ่านไป ก็ เ, เหมือนญญมันเป็นสัญญาค่ะเป็นภาพหลวงปู่ม่านขึ้นมาอยู่ไปก็อยากเป็นสมใจค่ะหรือว่าถ้าเราคิดว่าเราใช้ภาพหลวงปู่ม่านแทนพุโทโธได้ก็ลองลองกําหนดยู่ภาพให้อยู่ตั้งนานๆแต่จะไปปรุงแต่งภาพให้เป็นภาพนิ่งจช้ใช้อ๋อค่ะเนี่ยค่ะนี่ที่หนูจะถามพระอาจารย์ก็คือหนูคิดว่าหรือว่าเราจะเพ่งจิตไปที่ภาพเลยให้นิ่งไปเลยอ่า แต่แต่แต่อย่าไปปูแต่งกับภาพเพื่อนๆค่ะไม่ไม่มีอะไรเลยมันก็คือเป็นภาพเป็นภาพเล่นเฉยๆค่ะอยากไปปรูแต่งเปนเรื่องเวลาขึ้นมามันค่ะถ้าเราใช้การเพ่งให้มันเพ่งภาพแทนเพ่งลมก็ได้ค่ะแทนพูทโธก็นด้ก็ลองดูดูว่ามันจะได้ถึงยังไค่ะแล้วก็เรียว่าเป็นการสินเนี่ยการสินก็คือการเพ่งสี สีเที่ยวสีแดงสีขาวสีอะอันนี้เรามีสัญญาณทางภาพกับเก็เอาภาพนี้มาเป็นเป็นเป็นกระสีกนไ้ค่ะเรามีต้องลองค่ะหนูกําลังเริ่มเริ่มลองอยู่ค่ะมันแต่ว่ายังไม่นิ่งไปตลอดมันก็ยังแวบๆอ่าเพไปเรื่อยๆเวลาไม่นั่งสมาธิก็ต้องเวลาทําอะไรก็ต้องมีสติควบควบคุมตลอดเวลา ค่ะตอนตอนที่ไม่ได้นั่งสมาธิหนูจะมีสติอยู่กับว่าอยู่กับกายค่ะว่าทาําอะไรหรือถ้ามีอะไรเข้ามาในจิตก็จะก็จะลงไปลักอย่างเงี้ยค่ะได้ไดไ ม, มไม่มีอะไรใช่ไม่มีอะไรไหมยังไม่มีค่ะหนูตั้งใจจะเข้าทุกวันพุทธไม่ติดอะไรแล้วก็ฝากตัวเป็นลูกศิษย์พระอาจาหนูตั้งใจจริงๆค่ะได้ได้ยินด<อ>ีดีตั้งรับยดีตั้งรับเป็น FC ปกติหนูฟังตลอดแต่ต่อไปหนูคิดว่าหนูจะทําแล้วก็ส่งกันบ้า น, นะคะ่ะเออฟันตอ น, ตอนก็ฟังก่อนต่อไปก็นั่งแนวมาเป็นปฏิบัติแล้วต่อไปก็เอาการบ้านมีส่งค่ะ <c oughs> ดีอ่ะยินดีด้วยขอให้ปฏิบัติไปเรื่อยๆครับอาจารนะค่ ะ, อะขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์มีให้หนูเน้นเรื่องไหนไมครับ<ต>แต่ก็สติเป็นหลักสติเป็นหละ สติเรื่องปิกวิเวกนีย่ยไปยุ่งกับใครสั่มรวมตาไปจับลมลิ้นกายถ้าไม่ต้องออกไปข้างนอกไม่เป็นสําผัสน้ำมูกกับอะไรกะอย่าไปโซเ ช, ชียลถ้าไม่จำเป็นก็อย่าเข้าหนูเข้าโซเชียลตลอดเลยค่ะเพราะมันเข้าแล้วมันปรุงแต่งจิตมันคิดปรุงแต่งไปครับเพราะแต่หนูเข้าไปทำมะ หนูเข้าไปฟังทำแล้วหนูก็พิมพ์เอาไว้อย่างเงี้ยค่ะได้ได้ถ้าเป็นธรรมะได้หนูชอบแบ่งปันธรรมทานขอบระพักตร์เพราะว่าตอนที่เรามีปัญหาเนี่ย เ, เวลาเห็นอะไรแล้วเรารู้สึกขอบคุณเงี้ยค่ะได้ได้อันนี้ใช่ได้ถ้าใช้สื่อเป็นธรรมะได้อย อ, อยากใช้สื่อเป็นสังคมอย่าไปเนี่ยโอยหนูไม่ค่อยสังคมแล้วค่ะหนูหนูค่อนข้างรักสงบเลยค่ะอา่านี่ยต้ปฏิบัติต้องเปรียบไม่แย้ต้องไม่ครุกเครกันนค่ะ โอเคเนี่ย okay. ได้ดีสาธุขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์พรพยยะอาจารย์พขอบเวลาจากกอท่าว่าเป็นยังไงบ้างครับนักสงฆ์สกามพระอาจารย์ค่ะพระอาจารย์สบายดีนะคะอ่าสบายดีครับครับนักสกามพระอาจารย์ยครัสบสวัสดีครับนุบสบายดีนะสบายดีครับพร อ, อาจารย์ยังไม่เป็นโควิดรอบสองอ่ะ มันก็ไ่เป็นไรมันมันรู้จักกันแล้วมันคงยังไม่มีอะไรเป็นไข้หวันธรรมดาเลเป็นเพื่อนกันไปแล้วค่ะอาจารย์คะเอค่ะอาจารย์ครับสัปดาห์หน้าคุณแม่จะอายุหนึ่งศูนย์หนึ่งแล้วนะคะอ่าวันอวันนะวันอวันแล้วค่ะมันโอวันเหมือนที่สี่สิงหาค่ะเดี๋ยวค่อยกลับกลับเรียนรควมพาจารย์นิดหนึ่งนะคะค่ะ แม่จะได้รับรับธรมนหนึ่งค่ะอยากเปลี่ยนพระอาจารย์กี่หลังอ่าถึงอ่านวันนี้ค่ะรับป่ะโอเคที่แมชชีนแม่เมลอดีคุณหมออันนี้ก็เป็นหมอเนี่ยหมอญาติเนี่ยเข้ามาในห้องไหมการนมัสการพระอาจารย์ค่ะวันนี้ไม่มีคาถามอะไรค่ะพระอาจารย์อที่กอฟกฟกฟจากสราธานีเนี่ อยากนมสัส ก, การครับอ่าเมื่อวานเมื่อวานไม่สบายครับแปลว่าอ่าเป็นอาหารเป็นพิษครับก็นอนอยู่ก็รู้สึกอ่อนเพลียแล้วก็เจ็บเจ็บปวดนะครับแต่วันนี้มาก็ตื่นมารักษาสิ่นแปดก็รู้สึกว่าอ่ารักษาสิ่นแปดได้นอนพื้นเลยเนี้ยถ้าคิดถึงรักษาสิน่นแปดเราก็จะมีความสุขครับวันนี้ก็มีคําถามครับก็คือพอดีโมดอะครับชอบมาชอบมาแบบว่า มาตอมแบบเครื่องมือพวกคีลเพเครื่องมืออุปกรณ์คอมอะครับผมก็เลยเอาช็อกช็อกที่ขีดมดนะครับแต่ไม่ได้ขีดนะครับเอามาวางครับทีนี้ ม, มดเราไม่เจตนาฆ่าแล้วไม่มีเรามาวางให้แปลว่ามดมันไม่มาครับแต่ทีนี้มดก็มาแล้วก็แบบก็มาตายตรงที่ตรงนี้ครับผมก็กวาดทิ้งไปครับแต่ว่าคือเราทั้งทั้งทั้งทมาจะมันแทงแบบมันองขีดขีดขีดเส้นขีดเ ส, ส้นหนึ่งก็พอทำจะได้ ยามาจนทั้งแท่งมันจะแรงไปอ๋อก็คือขีดเป็นใช่ผมไม่กล้าขีดก็คือขีดเล็กๆใช่ไหมครับขีดเส้นมันขวางทางเดินเหมือนอั่างนีครับ พ, รพอไมันได้กินมันก็ถอยเลยแต่ถ้านทั้งแท่งมันอาจจะผมกีดแรงไครับไม่รู้นะลองดลองดูงดน่าจะใช่แล้วใจผมก็ไม่มีอะไรแต่ว่าผมก็เห็นมันตายผมก็เลยมาถามเพราะว่าผมก็ไม่ได้ฆ่าสัตว์นานแล้วครับขอขอะคุณครับแล้วกส็สติน้อยครับแต่ว่าก็ ก็ยัมีความสุขครับแล้วก็เสริมประเด็นที่แบบว่าเข้าโซเชียลครับบางทีเข้าโซเชียลฟั ง, งยอ่จิตมันจะปุงแต่งครับพาอาจารย์แน่นอนมันแน่นอนมันต้องปุงแต่งแงล้วนะการปฏิบัติก็เลยน้อยลงรู้สึกว่าอาทิตย์ที่ที่ผ่านมากับอาทิตย์นี้อาทิตย์นี้ผมจะดรอปลงไปนิดหน่อยครับแต่ก็ยังรักษาแนวทางอยู่ครับก็ค่อยสังเกตสังการดูการปฏิบัติของเราเท่านั้นครับครับครับแล้วผมก็ <Okay. S 2> ฟัง ไทยนะ อ, อ่าคุณคุณ อ, อ้อมใช่ไหมคุณอ้อมที่อา่นนกกานธรรมสถากับพระอาจารย์วันนี้เข้ามาฟังไม่มีคำถามค่ะโอเคอย่าไปได้คุณหมอดันทิดาคหมอได้หมอทางไหนนะผิวหนังใช่ไมใชค่ะเฉพาะทางผิวหนังก็ค่ะก็<น>ตรวจค่ะตรวจทั้งโลกแล้วก็มีทำความงามด้วยจ้าค่ะทำความงามด้วย ทำเจ้าค่ะแต่ก็บางทีก็รู้สึกว่าแบบปรับต่ากันกับสายโลกทางราษาโลมใช่เจ้าสาวบางทีก็รู้สึกขัดขัดนิดนึงเหมือนกันเจ้าค่ะที่ต้องไปแบบเหมือนไปชะลอความแก่ของผู้คนอะไรก็เราเราอย่าเราอย่าทำกับตัวเราแล้วกันเราเธอเราทําอาชีพไปเขาอยากจะชะลอก็ชะลอยเขาไปเขาขาดมาช่ก็ คือความสุขกับการตรวจโรคอะไรอย่างงี้มากกว่าเจ้ค่ะก็ในส่วนของการปฏิบัติในช่วงนี้ก็คือโยมก็มีโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาเป็นแบบงานวิจัยอะไรอย่างงี้เจ้าค่ะก็เลยในช่วงที่นั่งเนี่ยมันก็อาจจะมีความคิดเข้ามาบ้านเจ้าค่ะโยมก็เลยมีการปรับกรรมฐานเล็กน้อยเจ้ค่ะคือนอกจากเอ่อภาวนาพุทโธก็มีแบบนึกภาพพระไปด้วยอะไรอย่างงี้เจ้าค่ะเพื่อเหมือนเพิ่มให้จิตมันมีอะไรทํามัดมากขึ้นเจ้าค่ะก็ ก็รู้สึกว่าก็รวมได้แต่ว่าอาจจะใช้เวลานิดนึงก็ค่ะแต่ว่าในระยะเวลาโดยรวมในการนั่งก็ทําได้นานขึ้นอยู่จะค่ะจากที่กําหนดประมาณชั่วโมงหนึ่งก็อยู่ประมาณสองชั่วโมงเจา้าค่ะพาาระอาจารย์ทีนี้คือถ้าถ้าแบบนั้นขึ้นเนี่ยเจา้าค่ะคือเราควรที่จะกําหนดอยู่มหมเจา้าคะหรือว่าปล่อยให้จิตมันเอ่ออยากจะออกของมันเองหรือว่ายังไงจา้าค่ะก็เป้าหมายก็คืออยากจะให้มันเ่้านานๆ น า, า, านทั้งหลได้ยังไงถึงแม้มันอยากจะออกถ้ า, าอยากฝืนมันได้ออมันเหมือนกับเป็นการ ช, ชักไฟเลือกมันก็จะเด้งออกแล้วก็จะเเหมือนเข้าก็อยู่ที่เราใส่ไหนมีกำลังมากกว่ากันต้อจากว่าถ้าเรามีเวลาจ ำ, จำกัดต้องไปทำภารกิจอะไรต่อันนั้นก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตามเวลาแต่ถ้าเราไม่มีเวลาที่จำเป็นจะต้องออก เราคิดว่าถ้าเราอยากจะพัฒนาอยากจะให้มันไปก้าวหน้าก็ต้องพยายามให้มันอยู่ต่ออยู่จนกวาม<ช>ันจะจทนอยู่ไม่ไหวอันนั้นเราวาะต้องพัฒนาจะต้องเพิ่มสติขึ้นนะตอนที่มันอยากจะออกนี่แสดงว่าสติเราเริ่มหมดความรำคาญเราไม่ได้ดูเราไม่ได้พุทโธเราก็อาจจะต้องกลับมาพุทโธพุทโธต่อหรือ ด, ดูเพ่งภาพที่เราเคยทํา ตอนที่เราเข้าไปถ้าอยากเจ้จาค่ะต้องกลับนะเจ้าค่ะพระอาจารย์อย่างเรื่องของวิทยาความปวดที่เข้ามาในช่วงไปลาๆอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็คือเหมือนสติเราอ่อนลงด้วยหรือเปล่าเจ้าค่ะมันก็เลยเริ่มมีมันเป็นธรรมดาเพราะร่า ง, งกายนั่งไปนานๆมันก็ต้กิดาการเจ็บปวดขึ้นมาที่เราไปมีผลกำบันกับพ้อยอสติเราด้วยเบค้าเรามันอ่อนเราก็ต้องเจริ สติให้ให้มีบุเบงค์ห่างเฉยได้มากขึ้นก็แต่ข้อสาคัญอย่าไปสนใจกับอาการเจ็บปวดทางร่างกายพิจารณาว่ามันเป็นตายรักมันยธรรมดามันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วเดี๋ยวมันดับไปเองเราไม่ต้องยืงมันเจ้าค่ ะ, คะก็ก็ในใจก็ยังนิ่งๆอยู่ค่ะไม่ไม่ได้แบบรู้สึกอยากออกอะไรก็รู้สึกว่าอยากนั่ง อ, อยู่แต่ว่าก็รับรู้ว่ามันปวดเป็นอีก ฝึกอยูกับความเจ็บปวดไปพอไปเวลาเจ็บข้างแน่ปว ด, ดนนเราจะได้ไม่เดือดร้อนถ้าเรารู้จากวิธีอยู่กับความเจ็บปวดของร่างกายได้มันเจ็บปวดล้วก็รู้เฉยๆไปสักแต่ว่ารู้ไปรับรู้ไปแต่เราจะไม่ไปมีความอยากให้มันหายหไม่อยากจะหนีจากมันไปอยู่กับมันได้ของมู้นี้มันไม่ได้เป็นขอบปวดร้ายแรงอะไแต่เราไม่ชอบมันเท่านี้มันก็เลยทําให้เรา อยากจะหนีจากมันไปไม่ อ, อยากจะให้มันหายมันก็เลยทําให้เกิดความเครียดขึ้นมาในใจที่ทนไม่ได้กเพราะความเครียดในใจเรามากกาไม่ใช่ความเจ็บในร่าง ก, กายจาเจ้าค่ะพอาจารย์ถึงจุดนึงนี่มันจะเหมือนแบบแยกแยกกันไปเลยอย่างนี้ใช่ไหมเจ้าค่ะว่าแบบกายก็ส่วนกายอกายก็กายเวทนาก็เวทนาใจ ก, ก็ใจเป็นสามส่วน กายก็เป็นดินน้ำโดนไปเขาไม่รู้เรื่องรู้ราวในนาเขาก็แสดงไปตามอสภาวะของเขาเป็นเหมือนเสียงฟ้าร้องหรือมันเสียงสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นมันมี่เกให้เขาปรากฏขึ้นมาเขาก็ปรากฏขึ้นมาใจผู้รับรู้กายรับรู้ไ ป, หไปใหญ่ๆอยากไปคิดว่าเราเจ็บเราเป็นเพ็ยผู้รับรู้ความเจ็บเพื่อนี้ก็รู้ไป แล้วค่ะก็เอ่อช่วงนี้ที่ในช่วงที่นั่งที่เริ่มที่แบบมีความสงบนิ่งเจ้าค่ะก็เอ่อแมจะมีแบบว่าเหมือนสัาอะไรสัมผัสภา ย, ภายนอกหรือว่าเสียงภายนอกเข้ามาเช่นแบบว่าคือลูกโยมก็ยังเล็กๆเจ้าค่ะก็ช่วงเช้ามือก็จะมีแบบดินด้นดินมาโดนแบบบ่อยตอนที่นั่งเหมือนกันหรือว่าตอนที่เขาตื่นขึ้นมาคุยกับพ่ออะไรเงี้ยก็ ก็รู้สึกว่าเราก็รักษาใจให้ให้ยังสงบนิ่งอยู่อะไรย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็แต่ว่าก็รับรู้ภายอนอกก็ดีอ น, นี่ถ้าเรายังยังทำต่อได้ก็ทําไปยิง่งนั้นอาจจะแบบไม่ค่อยจะสงบเหมือนกับเวลาที่ไม่มีอะไรมาให้เราสัมผัสรบลึ้เจ้าค่ะพระอาจารย์แต่ก็คือเราก็ อันนี้ถูกต้องเลยใช่ไหมจ้ะคะที่เราก็ยังรับรู้ภายนอกไปด้วยแบบนี้น้ะคะอาจารย์แสดงว่าเรายังไม่เข้าข้างในยังเข้าข้างในไม่เล็กพ้นเลยยังรับรู้ภายนอกทีเดียวว่าเรายังอาจจะปล่อยวางได้ไม่ไปไม่ไปมีปฏิกิิจปฏสัมพันธ์กับเขาจ้ะค่ะอาจารย์ออืเจ้าค่ะแต่ว่าก็จ้าค่ะ แค่การนั่งสมาธิเราต้องการไม่ท้างร่้อะไรนะยต่องหมายว่าการนั่งสมาธิก็ให้มันเข้าสู่ความว่างเข้าสู่อ า, ากาศของจิตนะเรียบเจ้าเจ้าข้าพาจาย์จาาจายก็เอ่อในในช่วงชีวิตปัจจุบันก็รู้สึกว่าอารมณ์อะไรต่างๆน้อยน้อยลงไปมากในช่วงนี้เจ้าขอ า, าจารย์เจ้าค่ะก็ถ้าปลูกแต ง, ตงน้อยอานก็น้อยถ้าเราปลูกแต่งน้อยอารมณ์มันก็น้อย อารมณ์มันเกิดจากการคิดแต่เราต้องพ้นจากการมีสติมีสติกนะารควบคุ ม, มความคิดตัวแต่งารมณ์มันก็ น, น, น้อยตามเก็ทําถูกทางมาแล้วเราก็พยายามทําไปต่อเจ้าค่ะอาจทีนี้ในในเอ่ออิยบทในชีวิตประจําวันเนี่ยเจ้าค่ะพระอาจารย์เราควรที่จะเหมือนกับอาจจะทําอะไรให้ช้าลงหรือว่าเป็นเ อ, อ่อทําะไรอย่เพื่อไม่จา ง, งเนทำตามปกติ การตามภาวาตามเหตุกันบางทีต้องทําเลยกท็ทาําเดียวทาช้าก็ทําช้าสติมันไวกว่าร่างกายหลายหลยหลายสิบเท่าสติมันตามมุ่งทันตลอดเวลาเพราะร่างกายจะเคลื่อนไหวเร็วหรือช้าอ่างนี้นไม่จํำเป็นจะต้องไปปรับมไม่เหมือนกับคนที่เขาฝึกสติใหม่ๆมันไม่มีสติก็เลยต้องบังคับให้ร่างกายมันเคลื่อนไหวช้าก่อนยกหนองก้าวนองวางหนองเหมือนคนถัานเดินะ แล้วยิสติมันไวกว่านั้นนี่แหลก็เวลาเราทําอย่างอื่นเราไม่เห็นต้องมายกหนอก้าวหนอวางหนแล้วก็มีสติดูตัวขับรถแล้วก็ดูตัวเจ้าข่าวพระจักรแล้วก็อีกนิดนึงเจ้าค่ะคือถ้าอย่างในช่วงที่เรานั่งสมาธิแล้วมันมีคิดขึ้นมาเกี่ยวกับข้อธรรมหรืออะไรที่ฟังมาอันนี้มันถือว่าเนช่วงทําสมาอช่วงทําสมาธินี่ไม่ไม่สนใจกับอะไรเลย นอกจากองค์ภาวนากรรมฐานที่เราใช้มันเป็นพุโทโธที่เราหายใจเพให้เกาะ ด, ดอยู่กับอย่างนั้นอย่างเดียวเพรนะจิตมันจะได้เป็นหนึ่งการทําสมาธิเพื่อให้จิตรวมเป็นหนึ่งถ้าไปนสนใจเรื่องอื่นมันก็ไปแล้ะมันแตกแยกมันแตกแยกยนี่ยมันก็จะไม่เป็นสมาธิเรื่องธรร ม, มานี้พิจารณาตอนอยู่ได้ตอนออกจากสมาธิแล้วพิจารณาได้ ใช่ค่ะเลยเลยอยากให้พระอาจารย์ช่วยแนะนําแบบว่าความบาลานซ์ระหว่างการปฏิบัติกับการฟังธรรมอะไรแบบเนี้เจ้ค่ะว่าไม่รู้ว่าฟังเยอะไปหรือว่ามันก็เลยบางทีมันก็ติดในช่วงที่เข้ามานั่งอยู่เหมือนกันเจ้าค่ะก่อนจึงฟังธรรมให้เรารู้วิธีปฏิบัติก็พอส่วนอย่าง <c oughs> อื่นยังยั ง, ยงไม่ถึงเวลาที่เราอันนี้และถ้าเราสงสัยเรื่องอะไรไม่เข้าใจอะไรก็ฟัง แต่ถ้าเราเข้าใจเราไม่ก็ไม่จาเป็นจะต้องฟังมากมายสำหรับผู้ที่ปฏิบัติอย่างพระนี่อาารสมัยมอยู่ในวงตานี้่ในการอบรมพระครับสี่ห้าวันก็าเรียกมาอบรมทีกตาประเทศบางทางก็มีสำหรับใครที่อยากจ ะ, จะศึกษาก็มีหนังสือให้อ่านไห้ามแต แต่ก็อย่าไปหมดเวลากกับการศึกษาจนไม่มีเวลาปฏิบัติไม่ปฏิบัติน้อยควรใช้เวลาในการปฏิบัติให้มากหนึ่งต่อสินี้ก็ได้ปฏิบัติก้าวกปฏิบัติสิบส่วนอ่อนหนสือทำบ้านแล้ฟังเทศน์ส่วนหนึ่งเจ้าข่าพระจางแล้วก็ยิ่งค่าทำาน ก็จะดีกว่าใช่ไหมคะถึงแม้ ว, ว่าจะมีช่วงเวลาสั้นๆอะไรแบบนี้ครับใช่เราเรายังไม่มีสมาธิจิตเรายังไม่นิ่งมันมียังขาเบกขามากต้องต้องอาศัยการนั่งอยาเงยเข้าถึงอุเบกขาได้อุเบคขาเพิ่มมากขึ้นนะตอนนี้เราจะมีอุเบคขาในระดับหนึ่งแต่มันยังอาจจะไม่พอเพียงเวลาที่เราจะถูกกระทบกับอะไรแรงๆนี่เรายังอาจจะ ให้ได้ดังนั้นพยายมสร้างมืเบกขาขึ้นมาให้มากขึ้นอย่างนั่งบ่อยๆถ้านั่งได้ถ้าไม่ต้องทำอะไรก็นั่งถ้าเราทำอะไรก็เจริสติไปกับการทําปัญญาตอนนี้ยังไม่ยังไม่ไม่รู้มากก็รู้ตายรัดก็พอเวลาอะไรมากระทบ เราจะใช้ปัญญาแลพิจารณาให้มันลงที่ปลายล่างอย่างเดียวต้องค่ะในช่วงที่ผ่านมาก็เหมือนมีบททดสอบอะไรเยอะเข้ามาแบบหนักเหมือนกันสัะแต่ว่าก็กว่าจะตั้งตัวได้ก็นี่ก็พึ่งกลับมาออ่าจะมองเห็นมักวาจะเมาให้ว่ามันเป็นตายลัาที่บางทีก็ยากเหมือนกันเราอยากไปมองเห็นว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลอย่าเป็นเขาเป็นเรา มันยังไม่มีนะครเราจ<ส>ากบุคคลยังมีเป็นสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วระดับไปไม่เปลี่ยนไปเจ้าค่ะอาจารแต่ก็รู้สึกว่าก็ดีที่มีบททดสอบอะไรเข้ามาทำให้แบบพอผ่านมาได้นี่ก็รู้สึกแบบว่าดีขึ้นมากเลยเจ้าค่ะค่ะก็ดีถ้ามานันจะมีคนดีประโยชน์ แม้จะไม่ได้ถึงขั้นระดับสูงสุดก็ยังสามารถใช้ในระดับต้นๆได้แก้ปัญหาพื้นฐานได้ปัญหาที่เราพบปะในชีวิตประจาวันอค่ะพระอาจารย์ก็วันนี้มีเท่ามีเจ้าค่ะพระอาจารย์ขอบคุณเจ้ค่ะคุณหมอท่านหนึ่งหมอฟันหมอศาสนาตัดนามสการค่ะพระอาจารย์ พระอาจารย์ขอบพระคุณมากเลยนะคะก็กลับมาคราวนี้ก็จริงๆแล้วมันมันคือมันได้สัมผัสถึงความรู้สึกว่ามันมีความสุขอยู่ทั้งในค่ะพระอาจารย์แล้วก็รู้สึกว่าอยู่ทุกที่เนี่ยมันมันมีความสุขอยู่ทังในได้คระอาจารย์ค่ะมีแสดงให้จิตเราเ ข, ข้าข้างในนั่นเอง<ม>ขอบคุณมากพระอาจารย์แล้วคราวนี้ยก็ได้ในสัญชีกับทั้งกลุ่มในศาลาได้นะคะพระอาจารย์พอดีว่า ขอพระอาจารย์บุญมีมาก็ในสัญชีก็อนั่งกับคนอื่นได้แล้วนะคะแล้วก็ตอนกลางคืนก็ขออนุญาตพระอาจารย์บุญมีไปปักกฏแล้วก็เดินจงกรมแบบปิดไฟะะอ่ะค่ะ ก, ก, ก็เดินจงกรมแบบปิดไฟได้ในป่าพระอาจารย์ก็ทนนําเริ่มสอั้ได้ก็รู้สึกว่าแบบอกลับมาจริงๆแล้วเนี่ยใช้เจริญเมตตาแบบที่พระอาจารย์แนะ น, นะะําำค่ะรู้สึกว่าตอนเนี้ยเจริญเมตตาแล้วมันรู้สึกว่ามันมันดีมากๆเลยพระอาจารย์ใช่จิตทําให้จิตอ่อนโยนค่ะ ต้องขอคุณท่านกินไม่แข็งก็ได้ก็ทําต่อก็ก็ทํทำทำาทํามั่งแปดต่อใช่ไหมพระอาจารย์คือตอนนี้มีความรู้สึกว่ามาั่งแปดคือเราทําตั้งแต่ข้อสมมาธิที่ทำไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงสุดท้ายมันก็จะทําให้เรามีพลังมากขึ้นแล้วก็ค่อยๆปล่อยกิเลสตัดวางกิเลสได้มากขึ้นใช่ไหมครพระอาจารย์ใช่ก็ทั้งหมด่ะทั้งสติทั้งสมาธิทั้งปัญญาเป็นเครื่องมืตัดตัดกิเลสต่อไปก็ไปตัดกิเลสตัว ตัวใหญ่คือสามยอดศิษย์เนี่ยค่อยๆละไปค่ะพระอาจารย์<ม>ตั้งใจใน ก, การทําพระอาจารย์จะไม่จะทําเหตุให้เยอะๆพระอาจารย์อะทําเหตุอย่างเยอะทำเหตุห เ, ย เ, หตหเยอะๆขอบพระคุณมาก <Okay. S 2> นะคะพระอาจารย์ อ, อคุณ แ, นนแดนจ า, าุดร น, นสรุภาดาจตนามาสการค่ะพระอาจารย์วันนี้ไม่มีคําถามค่ะไม่มีมเช่นเดีนนะโอเคอไปที่ตัน ทันสุตาเลยเพียท่านถ้าเพีต้องขออภัยหนึ่งในพิธีการพระอาจารย์เจ้าค่ะพอดีโยมไม่รู้วิธีเปลี่ยนชื่อยมฝนทันสุตาเจ้าค่ะ<อ>จากกรุงเทพเจ้าค่ะ อ, อจะมาส่งการบ้านพระอาจารย์เจ้าค่ะพะดอดีช่วงก่อนหน้านี้สองอาทิตย์ก่อนพระอาจารย์ อบอกว่าให้โยมฝึกเจริญสติให้มากเจ้าค่ะโยมก็ไปฝึกเจริญสติมาเอาช้าตื่นขึ้นมาก็คาแรกที่นึกถึงก็พุโทโธเจ้าค่ะแล้วก็พยายามจะถ้ามีนึกได้ก็จะพุโทโธตลอดเจ้าค่ะแล้วก็พยายามมีสติเจ้าค่ะจนตอนหลับไปคําสุดท้ายก็จะนึกถึงก็คือพุโทโธเจ้าค่ะทีนี้โยมรู้สึกว่าตอนช่วงที่โยมฝึกมีฝึกสติแล้เจ้าค่ะช่วงอาทิตย์แรกก็ก็ ก็ยังโอเคอยู่แต่ว่าพอดีตั้งแต่รู้สึกตั้งแต่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาจนถึงเมื่อวานเนี้ยเจ้าคะ่ะพอทุกครั้งที่เหมือนเริ่มกลับมารู้รู้ว่าให้มีสติรู้ว่าทําอะไรอยู่ตรงนี้คะ่ะมันจะมีอาการปวดหัวขึ้นมาแบบหน่อยหน่อยนึงอย่างเงี้ยคะ่ะตอนตอนที่แบบกลับมามีสติเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็สังเกตุลงไปก็แล้ต่นอะมันก็พิจารณาให้มันเป็นใจรักไปก็แล้วแต่อาการปวดหัวมันก็เป็น สภาวะทำอย่างเป็นเวทนาอย่างนล้ดูว่ามันมันต่อเนื่องใจกันตลอดเวลาแลือปล่าเราคอยคิดแก้ถ้ามันเป็นเฉพาะเป็นพักๆช่วงๆก็ก็ปล่อยมันไปมันเป็นเรื่องวันนี้จงทุกครังวันนั้นก็ไม่ค่อยไม่ค่อยได้ได้ยินนะ อ๋อได้ดีแล้วเจ้คคเ า, าค่ะตอนติดเวลามีอาการปวดศีรษะก็สังเกตรับรับรู้ไปแล้วก็พิจารณาว่าเป็นตายรับไปค่ะเนี่ยมันเป็นข่าวไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วหนักไปเป็นสถาวัฒธรรมธรรธรรมชาติที่เราไม่สามารถที่จะไปห้ามันหรือสั่งมันได้ค่ะก็สังเกตดูไปถ้ามันเป็นนานๆก็คิดว่ามันเกี่ยวกับเรื่องทางร่างกายก็อาจจะเป็นปัสสาแพร่หรือก็นั่อ๋อค่ะถ้าแต่คิดว่าคงไม่ ไม่ได้เกี่ยวกับร่างกายก็ค่ะเพราะว่าเหมือนทุกอย่างก็โอเคปกติดีเพียงแต่ว่าเหมือนอาจจะเราไม่แน่ใจว่าเหมือนเราไปบังคับมันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะมีส่วนที่ะยเวลามันชูบังคับมากๆมันก็อาจจะทําอะไรส่งผลขึ้นมาต่อต้านได้กันค่ะ <c oughs> <c oughs> แต่วันนี้ก็ก็โอเคขึ้นค่ะก็ดีขึ้นเจ้าค่ะกะ็นั่งสมาธิก็อาจจะไม่ได้ทั่งทุกวันแต่ว่านั่งเกือบทุกวันนะคะก็วันนึงก็ประมาณเกือบเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วก็อย่างล่าสุดเนี่ยที่รู้สึกว่าสงบก็คือเหมือนว่าตอนที่ฟังพระอาจารย์เทศเมื่อวันอาทิตย์เจ้าค่ะยงก็นั่งสมาธิไปด้วยแล้วมันเหมือนเวลาดวงหลวงเวลานั่งสมาธิอะค่ะมันจะมีความรู้สึกเหมือน มันวูบอะค่ะพระอาจารย์เหมือนแบบบางทีเหมือนคล้ายๆจะไายหลังอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ไม่ได้ง่วงนะคะเพราะว่าก็ยังจะจับอยู่กับเสียงของพระอาจารย์ต่อค่ะแต่พอเหมือนแบบพอเหมือนจะหลุดไปแล้วเรากลับมาจับที่เสียงต่อมันจะมีแรงเหวี่ยงแบบวุ๊หนึ่งเข้ามาแบบเนี้ยค่ะเป็นแบบนี้แบบหลายๆครั้งอยู่เหมือนกันนะคะตอนนั้นรูเฉยๆไปแล้วให้รเฉยักแต่วค่ะแล้วก็ทำงานขอเราตอบเลยคําถแลก็ฟังต่อไป ค่ะค่ะก็โยมก็ใช้วิธีแบบรู้แบบนี้ค่ะแล้วก็ mm hmm. ช่วงสองอาทิตย์ที่ผ่านมาที่เคยเรียนพระอาจารย์ว่าโยมเป็นคนที่มีโทสะค่อนข้างไว่ะเจ้าค่ะสองอาทิตย์ที่ผ่านมาตั้งแต่ฝึกนั่งสมาธิแล้วก็ทุกอย่างก็วางเป็นอุเบกขาได้ได้ได้เยอะเลยเจ้าค่ะแล้วก็ mm hmm. แทบแทบจะไม่มีโทสะเลยหรคือเหมือนแบบพอมีอะไรเกิดขึ้นมาก็วางเป็นอุเบกขาเลยเหมือนเหมือนเฉยเฉยอะเจ้าค่ะก็ไม่ได้รู้สึกแบบ ไม่ได้รู้สึกอะไรที่ไม่ดีหรือว่าอะไรอะไรอย่างนั้นเลยอะค่ะก็เฉยๆอ่ะค่ะก็ต้องระวังเพราะมันเีมันนอนก้อนอยู่ันมันตกตะกอนเนี่ยมันดีเกินีมีอะไรไปกระตุ้นมันมันก็อาจจะเล่นขึ้นมาได้ก็ต้องอย่าประมาทก็ต้องตันอย่าไปคิดว่ามันมันหายไปแล้วค่ะค่ะก็ก็จะพยายามระวังตรงนี้เจ้าค่ะก็เจ้าจะฝึกฝึกให้ดีขึ้นแล้วก็ มีความทุกข์ก็น้อยลงสั้นลงเจ้าค่ะพระอาจารย์คือเหมือนแบบพอเรา<ม>เราไม่ได้คิดอะไรเหมือนเมื่อก่อนแล้วเจ้าค่ะมันก็เลยรู้สึกว่าท<ม>ั้งทั้ที่สภาพแวดล้อมทุกอย่างมันก็เหมือนเดิมแต่ว่าทุกข์ในใจก็ไ ม, ไม่ไม่ค่อยมีแล้วเจ้าค่ะไม่เกิดจากความเปลี่ยนแปลงขอเราถ้าเราหยุดความเปลี่ยนแปลงได้มันก็หมดปัญหาใช่เ<ๆ>จ้าค่ะใช่เจ้าค่ะเหมือนที่พระอาจารย์บอกอะค่ะโยมก็ คิดว่าโยมมีเป้าหมายในชีวิตแล้วเจ้าค่ะพระอาจารย์เหมือนเห็นว่ามีเป้าหมายในเรื่องของการฝึกปฏิบัติแล้วอะค่ะว่าจะมุ่งไปในทิศทางไหนแบบนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์เหมือนจะตั้งใจฝึกปฏิบัติต่อไปอ่ะค่ะไม่ขดค่ะทให้มากขึ้นทำให้มากขึ้นค่ะโยมก็ขับเคลื่อนนั่งสมาธิขึ้นค่งชั่วโมงเพ่หาเวลาให้เพิ่มเป็นสักชั่วโมงก็อาจจะแบบเช้าครึ่งชั่วโมงแล้วแบบตอนเที่ยงพากเที่ยงกับสักครึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยก็ได้ได้ได้ไหมคะ แบ่เป็นสองตอนก่อนนะค่ะแล้วขยายเวลาทั้งสองตอนเป็น45นาทีทั้งสองตอนก็เมื่อกี้ก็พยายามนั่งสมามันทำได้ต่อไปมันมันมันไปข้างบนเองครับพอสติเรามีกําลังมากขึ้นมากขึ้นเหมือนกันรู้ว่ามันมันไม่ยากอยู่ที่สติตัวเดียวเนี่ยค่ะก็เมื่อกี้ตอนฟังที่พระอาจารย์เอ อให้ให้ให้คําสอนอยู่เกี่ยวกับเรื่องที่เรื่องเวทนาเจ้าคะ่ะตอนนั้นที่ยมนั่งอยู่พอดีแล้วแล้วเวทนาของก็ขึ้นมาแล้วเหมือนพระอาจารย์พูดว่าแบบตอนตอนนั้นสติมันกําลังเริ่มจะหมดอะยมก็เลยแบ د, บฮึบแบบฮึบขึ้นมาว่าเออตอนนี้มีสติเนาะเวทนามาันก็ส่วนเวทนากายก็ส่วนกายแบบใจก็ส่วนใจอะคะ่ะมันก็สู้อยู่ได้สัก <laughs> ห้านาทีเทนั้นค่ี้ค่ีต่อไปก็ต่อไป ก, ไปก็ฝึกทํำไปเรื่อยๆก่อนทำไงก็<ๆ> <c oughs> จะพยายามฝึกฝึกนั่งให้ได้นานขึ้นนะคะพอรู้สึเหมือนแบบตัวเองยังนั่งไม่ค่อยได้นานแต่ก็อยากจะพยายามอยู่่เจ้าค่ะเอาเวลาไปทํางงดวันหนึ่งวันยี่สี่ชั่วโมงมีเวลาแค่เสียใจค่ะยกก็ฝึกสติเพิ่มเพิ่มขึ้นเยอะมากเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์เอาเวลาไปฝึกสติด้วยเจ้าค่ะแล้วฝึกคือฝึกตลอดเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์แทบจะไม่ลืมเลยค่ะทั้งวันก็แบบ เดียวนี้แตกมากจะอยู่ความคิดฟุ้งหมายถึงว่าวันๆสมมติถ้าเราทําอะไรสักอย่างเราอาจจะฟุ้งไปคิดเรื่องคนนู้นคืนนี้เรื่องปรกจิตปรงแต่างนะค่ะก็ลืมไปเลยอะค่ะว่าแบบว่าจิตมันมันไม่ได้ปรงแต่งมาพักหนึ่งแล้วหมายถึงว่าแบบน้อยลงไ ป, <ช>ไปเยอะเลยเจ้าค่ะใ<ม>ช่ใช่ใช่ไม่ได้ปรต่งค่ะเจ้าค่ะนี่ยมอยากจะถามพระอาจารย์ว่าสมมติถ้าเราแบบฝึกปฏิบัติอย่างนี้ไปเรื่อยๆๆอ่ะค่ะมันจะแบบติดตัวไปในในพบไปในธาตุหน้าหรือใน ไปไปต่อไปนะ<ป>เจ้าคะ่ะไปเพราะมันอยู่ในจิตเนี่ยม่นอยู่ที่ร่างกายค่ะคือแบบสมมติเราแบบปฏิวัติสักสิบส่วนอย่างเงี้ยเจ้าคะ่ะมันจะตามไปสิบไหมคะหรือมันจะตามไปมากไปทั้งหมดแต่มันก็เสร่มได้ถ้าเราไม่ทาต่อใช่แล้ว เจ้าค่ะยมก็เลยคิดว่ายมมีจุดมุ่งหมายอะเจ้าค่ะพระอาจารย์ว่าเราอยากจะมุ่งไปทางไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะยมก็เลยว่าจะไม่มจะไม่ขาดการฝึกปฏิบัติอีกแล้วอะเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็เลยกล่าวว่าถ้าเป็นไปได้อยากจะก็จะพยายามจะเข้าสู่ทุกทุกทุกสองอาทิตย์แล้วเจ้าค่ะคืออยากจะขอเวลาไปฝึกทําการบ้านสักสองอาทิตย์แล้วก็จะกลับมารายงานพระอาจารย์แบบนี้เจ้าค่ะไดน่าแตสะดวกเจ้าค่ะยมก็เลยอยากจะมาขอการบ้านพระอาจารย์ต่อเพราะว่าอย่าง ช่วงเนี้ยังก็ฝึกสติแบบตลอดนะเจ้าคะแต่ว่าเรื่องนั่งก็ยังหนักนั่งไม่ค่อยไม่ค่อยได้ช <laughs> ก็เราไปทำารือเราเพิ่มเวลานอาจจะวันอย่างที่บอกแบ่งเป็นสองสองสองช่วง ช, ช่วงลนะครึ่อองชั่วโมงแล้วต่อไปก็ช่วงละสีสิบเพิ่มไปทีละสิบก็ได้ทีละห้านาทีก็ได้ <laughs> น่คะก็จะเพิ่มสักห้า่ึงห้านาทีก่อนจะเข้าถ้ากิอาจจะเพิ่มสักแบบช่วงเช้าแบบว่าสักห้านาทีเพิ่มสักห้านาทีช่วงแล้วก็ช่วงเที่ยงก็จะพยายามจะเอาให้ได้สักสองช่วงก่อนนะอะได่ต้องต้องต้องผลักดันมันให้เข้านะถ้าไม่ถ้าไม่นัมม้มันก็ยังยืนอยู่กับที่มันไมมันจะไม่เข้านะ ใช่ค่ะยมก็ตอนและคือตอนแรกจากที่เคยเรียนพระอาจารย์ยมใช้พุโทโธพุทโธ แ, แล้วรู้สึกว่ามันไม่ค่อยทันใจอะค่ะมันเหมือนแบบยมมันมันภาวนาเร็วแล้วก็แล้วแต่มันก็ยังช้าไม่ทันใจยมก็เลยใช้วิธีแบบไม่ภาวนาแล้วพุทโธดูลมหายใจดีกว่าแล้วก็เลยรู้สึกว่าพอดูลมหายใจแล้วรู้สึกว่าสงบขึ้นกว่าดูพุทโธอเจ้าค่ะยมก็เลยมาจับลมหายใจแทนนะคะช่วงหลังแล้วก็สลับกับการที่ฟังเสียงธรรมของพระอาจารย์ไปด้วยอะเจ้าค่ะ ได้คุณผู้งไปโอเคค่ะเจ้าค่ะตอนนี้ไม่มีคำถามถาอย่างนั้นโยมจะไปฝึกสองช่วงแล้วกับนะเจ้าค่ะเราก็จะมาเรียนพระอาจารย์เจ้าค่ะขอบพระคุณพระอาจารย์มากเจ้าค่ะเป็นิกาอยู่ที่อำเภออะไรนกมานิกาเจ้าะพระอาจารย์วันนี้มาฟังธรรมพระอาจารย์เจ้าค่ะไม่มีคาถามค่ะเห็นไปที่สวิตเซอร์แลนด์นะคุณทวิสา มัสการพระอาจารย์ค่ะต่วมฟังมธรรมค่ะไม่มีคำถามอ่าวันนี้ก็ยังหยุดทํางานอยู่วันเดียวนะค่ะเหมือนเดิมค่ะทุกวันบูชาพระอาจารย์เป็นเป็นวันพระของเรานะค่ะเป็นวันพระค่ะทุกวันบูชทำปฏิบัติค่ะพระอาจารย์วันเสาร์วันปฏิบัติธรรมค่ะกําหนดเองค่ะพระอาจารย์อยากที่ได้แนวทางที่พระอาจารย์เทศนะคะบอกถ้าวันเสาร์วันอาทิตย์เราไม่สะดวกเราก็เอาวันเออไม่ใช่เสาร์อาทิตย์สิ คือวันพระปกติเราไม่สะดวกแล้วก็กำหนดของเราเองในวันที่เราสะดวกที่จะไม่ต้องทํางานสะดวกที่จะมาทำเจตของของศาสนาคือธุร<ด>คันตาธุ ร, าระวิปัสนาธุระนี่คื อ, อ ง, งานของเราทําศาสนาคันทา ก, ก็ศึกษาธรรมวิปัสนาธุ ร, าระก็ปฏิบัติให้รู้แจ้งแหงจริงทาที่เราได้ศึกษามา น้องรับมาปฏิบัติค่ะแล้วก็ <Okay. S 2> ยงยงขอบกลับเรียนพระอาจารย์ค่ะตอนนี้โยงดีใจค่ะพระอาจารย์โยงอ่ะตัดสินใจได้แล้วว่ายงจะเลิกกิจการแล้วค่ะพระอาจารย์ถ้าไม่เหนื่อยนานก็เล้วแต่เราไมลามาหาสติที่<ต>ไหนเลยหาสตางค์เ่ะพระอาจารย์ก็คือคนจะละกนโยหาสต์กนโยหาสตางคนจะละหาสตินะแ่ <c oughs> พระอาจารย์ต่า ยมก็เลยพอหมดสัญญานี้ยมก็จะเล่ทันทีค่ะพระอาจารย์ไม่ใช่เล่ทันทีคือหมดสัญญาก็ก็จะหยุดไม่ต่อสัญญาไม่เดือดร้อนเลยพออยู่พอกินไม่ค่ะพระอาจารย์ค่ะก็พอได้ค่ะกเหมือนที่พระอาจารย์บอกเราตอนนี้มันก็ไม่ค่อยได้ไม่ได้อยากไปที่ไหนไม่อยากซื้ออะไรแล้วพระอาจารย์ก็คือที่ได้มาก็คือความสุขให้ประชาชน คือไอ้คนรอบข้างอะไรพวกนี้ค่ะพ่อจารย์ก<อ>็ไม่ได้ทําอะไรก็เลยคิดว่าอืมเราได้คาคําสอนของพ่อจารย์นะคะก็เลยคิดว่าได้แล้วเดออันนี้เรามาหาสติกี่าแล้วสตางค์พรอ่ะสตางค์นี้ไว้สําหรับเลี้ยงชีพพอเลี้ยงชีพได้แล้วไม่เดืนอนดร้านแล้วก็เอาเวลามาสติกี่มา จะได้มากผลที่ผ่านเนียถ้าหาสติต่อไปก็จะได้มากผลที่ผ่านโอเคนะยินดีด้วยวันนี้วันนี้ได้ยินแต่ข่าวดีๆครับแต่ละคนมีศรัทธาที่จะทำอะไรเพิ่มขึ้นดีขึ้นสาธุสาธุคนวิลทวารยมยิ้มอมเทมาข่าวธรรมศาสาร อาารเจ้าค่ะคุณพ่อเป็นไงมันก่อนมาคุณพ่อสบาย<ม>าดีค่ะสบายดีค่ะคุณพ่อก็มีความสุขได้เจอพระอาจารย์ค่ะค่ะอาทิตย์ที่แล้วเอ่อโยมไปไต่จังหวัดค่ะเลยไม่ได้เข้าสู่มาคิดถึงพระอาจารย์ทุกวันเลยค่ะแล้วก็ตอนเช้าก็กราบพระอาจารย์ก่อนนอนก็กราบพระอาจารย์อยู่ทุกวันแล้วก็ตอนโยมก็ตีสี่ก็ตื่นขึ้นมาทําวัดสวดมนต์นั่งสมาธิทุกวันเจ้าค่ะแล้วก็เมื่อเมื่อเร็วๆนี้ค่ะพระอาจารย์ยม โยมสามารถที่จะสามารถดูลมได้อย่างอย่างเดียวแล้วค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้โยมจะรับความสภาวะได้ได้สองอย่างคือโยมจะรับรู้วุบวที่ฐานของจิตมันคล้ายๆกับหัวใจเต้นกับดูลมพอมาตอนหลังอ่ะโยมก็มาอยู่ทีโ่โฟกัสดูลมอย่างเดียวค่ะพระอาจารย์แล้วก็โยมก็ดูลมไปเรื่อยๆแล้วโยมโยมเห็นกองลมที่มาดอกมาจากจมูกพระอาจารย์ แรงมากแล้วก็เยอะมากคาา่ะพระสารโยมก็ดูกองหลมนั้นไปเรื่อยๆยดูจนสักพักหนึ่ง ลมที่แรงมากๆค่ะที่ออกมาเยอะมากๆก็ค่อยๆเบาๆๆเบาเบาเบาแล้วก็นิ่งหายเงียบเบาจนแทบจะไม่ได้เหลือลมพ่ะจันแล้วก็เราก็มองไปมันเห็นแต่ความว่างพระจารย์ตอนนั้นเราไม่มีความคิดอะไรเลยคือมันว่างแล้วก็อยู่ความว่างนั้นไปจนจนถอนจากสมาธิก็ประมาณชั่วโมงกว่าพ่ะจย์แล้วก็ไม่มีอาการเจ็บปวดอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะพ่ะจย์แล้วก็ขึ้นมาเดินจงกรมต่อค่ะค่ะค่ะอาจารย์แล้วก็ เอ่อมเมื่อเช้าตอนสวดมนต์นะคะพระอาจารย์ดู่ดีพอสวดมนต์แล้วมันก็มีมความระลึกถึงความฝันของเราเมื่อเมื่อคืนนะคะพระอาจารย์เมื่อะ ค, ะคืนโยมฝันว่าโยมเห็นคนนะคะผู้หญิงผู้ชายคนแก่เต็มไปหมดเลยคะ่ะเดินไปเดินมาแล้วก็แล้วก็ตอนนั้นโยมมีความคิดว่าคนทุกคนที่ที่เราเห็นนะคะก็เกิดมาเพื่อรอความตายแม้กระทั่งเด็กที่เกิดมาขึ้นเกิดออกมาเด็กก็ต้องต้องตายคือทุกคนเกิดมาเพื่อรอความตายทุกคนเลยค่ะพระอาจารย์ คืออยู่ดีมันก็มันมีค <น S 1> มปัญญาเกิดขึ้นปัญญาผุดขึ้นะทําผุดขึ้นอีนี้เรา้อเอามาใช้ต่อเวลาเราเวล า, าเห็นใครเราต้องคิดอย่างนี้ทันทีเลยใช่ค่ะอารมณ์จากนั้นคือทุกคนาตายหมดเลยทุกคนมีความแก่เจ็บตายฟังมาเป็นมาเ<ช>ดดดวงมาทุกคนใช่ค่ะงั้นเดียวมาถูกทางแล้วแล้วก็ตอนที่ลูกสาวสอนหลานนะคะว่าอันนี้เรียกว่าอันนี้อันนี้เรียกว่าอันนี้อันนี้เรียกว่าอันนี้ ยมมองยอมไปนั่งมองยมก็มีความคิดว่าทุกอย่างคือสมมุติหมดเลยค่ะพระอาจารย์ mm hmm. คือสมมุติทุกอย่างที่ที่เราพูดเราสอนหลานทุกอย่างคือเป็นสิ่งสมมุติหมดพระอาจารย์คือมัน mm hmm. อารมณ์มันฟุบขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. ยอมมาถูกทางแล้วใช่ไหมคะพระอาจารย์แล้วก็ mm hmm. ตอนนี้ยมทําอยู่แล้วก็เข mm hmm. ้าพรรษายมก็ทานบางสระครบสามเดือนค่ะตั้งใจไว้ว่าจะทานบางสระสามเดือน ต้องต้องเฉลิมว่าทุกอย่างที่เป็นสมมุตินี่มันไม่เที่ยงนะมันเป็นไตายแล้วถ้าเป็นสมมุตินี่เป็นตายแล้วค่ะพระอาจารย์ค่ะยมไปน้ำหนักเป็นทุกถ้าไปยึดไปถือว่าเขาเป็นเราเป็นของเราเป็นพี่เราเป็นพ่อเราเป็นแม่เราค่ะพระอาจารย์ค่ะค่ะน้ำค่ะกับพระอาจารย์ค่ะรักษาธาตุขันนะคะพระอาจารย์อ่าถ้าเคุณเอกจะชื่อรายเป็นยังไงพรุ่นี้ก็ อันท้ายนครับกับน้องสการพระอาจารย์ครับผมครับวันนี้เ อ, อ, เอก็กลับเปลี่ยนพระอาจารย์ที่ปฏิบัติมาก็ดี๋นี้ก็อยู่กับเวทานาได้นะครับพระาอาจารย์ก็ไม่ไปพุ่งมันนะครับอืก็อยู่จนจนครบชั่วโมงที่เราตั้งไว้ะครับพระอาจารย์เป็นช่วงเช้าครับก็ตื่นตีสามสี่สิบห้าก็นั่งก็ ตีสี่จะถึงหกโมงครับอาจารย์ก็อยู่ได้แต่ไม่ไม่ไปพุ่ไปเจ็บกับมันนะครับอาจารย์ไม่เจ็บกัมนก็แล้วกันเราปฏิบัติเพื่อล้าความทุกข์ไม่ไดละไม่ได้ละเมตนาเมตนามันดับมันไม่ได้แต่เราดับความทุกข์ในใจเราได้ครับผมแล้วก็พระอาจารย์ครับผมกับเดีถามพระอาจารย์คืออ่าตอนนั่งสมาธิผมดูลมมฮะตอนนี้เปลี่ยนจากพุทโธมาดูลมเสร็จแล้วพระอาจารย์เออลมมันหายไปครับพระอาจารย์แต่แต่ว่าหูยังไม่ดับ ผมต้องนั่งลงนึกกว่านั้นอีกอีกไหมกี่ครั้งมันจะดับดูเฉยๆไปดูอยู่จุดเดิมดูว่าตอนนี้ไม่มีลมถ้าเราไม่ไม่ต้องรอจนมึนหึงดับใช่ไหมครับอาจารย์มันไม่แน่ของตรงนี้มันไม่แน่ครับไม่แน่เวามันจะเกิดถ้าเราไปเจาะไปเจาะมันจะไม่เกิดอ๋อครับครับผมเราดูที่ลมถ้าลมไม่มีก็ดูว่าไม่มีลมดูความบ้างไปอยู่ตรงจุดนั้นไปจนกว่า มันเราจะมองนะอะจนกว่ามันจะม่อากาศขึ้นมันก็จะรู้เองถ้ายังไม่ขึ้นก็ก็ไม่ต้องไปอย่าไปคาดอย่าไปคาดอย่าไปคาดอยู่เฉยๆครับผมครับผมโอ้ครับคอยู่ที่เฉยๆไม่มีอะไรก็ไม่มีก็อยู่เฉยๆไปดูนไปคำขานอยากคิดพูมแต่หรือว่าในคราคิดพูมแต่พขึ้นมากลตาครับผมครับก็อยู่อย่างนั้นไปนะครับอยู่กับความว่างไป อยู่กับความไม่มีความคิดกแต่ไม่มีหลงไปอันนี้มันก็เป็นสมาธิแบบหนึ่งแต่ยังอาจจะไม่เข้าล็อกยังไม่เข้าล็อก อ, อาจจะมีอะไรขัดขัดของความมันอยู่ยังไม่ลงล็อกใช่ไหมครับเราอยา่าไปเราอ ย, าปปอยา่ า, า, ยาไปแพลงอย่าไปคาดคะเนนอย่าไปทำยังไม่รู้ไม่ชี้ไครับผมครับผมครับผมก็ในสัวนทีก็ ก็ได้อยู่ครับแต่อีกวันหนึ่งก็จะมีเทียรอีกบ้างครับอาจารย์วันถัดไปก็มีเทียร์อยู่ก็ธรรมดาก็ธรรมดามันก็องต้องช่วยแชร์กันน้กันก็ต้องได้เวลาพักของมันตามปกติของครับก็จะมีอีกวันอาจจะมียี่บ้างโชคกังวลไม่ไม่เป็นช่ครับครับอาจารย์มีเพิ่มเติมอะไรไหมครับอาจารย์เือทําให้มากทําให้มากทําให้หน่อยครับอให้มีโอกาสไปติดแม่ได้ออกไป อยู่ที่บ้านมันเว่แย่กันได้ก็ไม่ต้องไปกันได้ใช่ปส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยไปไหนอยู่แล้วครับอาจารย์บางวันยังไม่ไม่ออกจากบ้านเลยก็อยู่แถวบริเวณบ้านนอกจากเราอยากจะไปทดสอบการยึดติดความสุขก็ไปอยู่ที่มันกันดารนั่งลำบากบ้างเลยแต่สงบนะเราว่าเราปรับอยู่ครับโซฟาที่มันยังไม่สุดไม่สบายได้ไห้อยู่กับมันได้ไหม อยู่แบบวัดที่เขาอยู่นะเนี่ยบางวันไม่มีไฟฟ้าไม่มีน้าป้ปา คุรอาจารย์ขยันพอาจารย์แข็งแรงนะครับสาธุจ้ะอาคุณธนิยาธนยาอยู่ที่ไหนการนที่ธนิยาค่ะอยู่ที่ไหนจอออยู่ที่สนามบินนน์เมืองเขานะเขเวนค่ะเขเวนค่ะเข้ามา้งแรกนะการเข้าที่สองค่ะต่ว่าไปเจอ กับพระอาจารย์ที่ที่วัดครั้งสองคร mm ั้งค่ะตอนก่อนช่วงโควิดอะค่ะวันนี้ก็อยากจะขอการถามคำถามพระอาจารย์นะคะเออไม่แน่ใจว่าได้ยินเสียงไหมคะว่ามีเสียงประกาศอยู่ีนตลอดเวลาได้ยินได้ยินชัดเจนที่มการที่เราเห็นจิตลงไปเคาคอกับ พวกการมาลงต่างๆค่ะเห็นไหมค่ะที่จิตไปเขาคอสิ่งเห็นสิ่งที่ชอบหรือว่าสิ่งที่ไม่ชอบแล้วก็ดับลงแล้วก็ความยินดีมันก็บางครั้งมันก็ขาดไปบางครั้งก็มันก็ไม่ขาดอ น, นะคะหนูคิดว่าตัวเนี้มันน่าจะขึ้นอยู่กับปัญญาของในแต่ละขณะขณะค่ะคือทั่วเนี้ยค่ะหนูก็เห็นว่าตัวจิตเองค่ะมีตัวมันเป็นการเกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดต่อเ น, นื่องเกือบตลอดเวลานะคะ แล้วก็ทุกครั้งที่เห็นนะคะก็แต่ช่วงนั้นก็คือเป็นช่วงที่ทำสมาธิได้จิตก็จะรวมลงเป็นสมาธิแล้วมันก็ถอนออกมาใช้ชีวิตประจําวันนะคะแล้วก็จะรู้สึกว่ า, ท, า, งงาทุกอย่างเป็นพลังงานทุกอย่างพลังงานทั้งหมดนะคะแล้วก็ในขณะจิตที่รู้สึกว่าคือหนูเห็นความทุกข์ในจิตะคะ่ะหนูก็ไม่รู้จะพู ด, ดยังไงแต่ว่าในชีวิตหนูไม่ได้มีความทุกข์อะไรมากนะคะแต่ว่ารู้สึกว่ามันเบื่อกับการที่ มันไปเข้าคอกับเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์อะค่ะหนู ก, ก็เลยแต่ทุกครั้งอะค่ะพอมันพอมันเริ่มรู้สึกว่าเออมันอาจจะเป็นการฟรุงสร้างของจิตนะหนกูก็กลับมาทําสมาธิเหมือนเดิม <S <S แล้วก็รู้สึกว่าสมาธิก็คือเหมือนเหมือนเวลาที่รู้สึกว่ามันเริ่มฟุ้งอะค่ะเวลาตัวไหนที่มันดับไม่ได้นะค่ะหนูก็มาดูที่ดูลมพุทโธไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สุดท้ายเดี๋ยวพอออกไปเดินปัญญาอีกพอเห็น บางครั้งเห็นตัวอัตราตัวตวนน่นนะคะที่ที่เกิดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็ก็กลับมาพิจารณาตัวเองทุกครั้งแต่บางครั้งมันไม่ได้อยู่ในความคิดนะคะมันก็แค่เห็นเป็นสภาวะสภาวะหนึ่งก็เลยขอถามพระอาจารย์ว่าตัวท่ารู้ะค่ะที่เรารู้สึกไปะคะ่ะกับตัวรู้มันต่างกันไหมคะถ้ารู้คือในความรู้สึกคือเป็น feeling นะะเลยค่ะเป็น feeling ที่กายรู้สึกสัมผัสทุกอย่าง เป็นอายตนะเนี้ยค่ะอือคือตัวที่รู้รูปเสียงกินตอนนี้เราเรียกว่าวิญญาต์วิญญาณที่รับรูปเสียงกินรับบ้านทางตาหูจมกมือกายนี้เรยกว่าวิญญาณแล้วตัวที่รู้วิญญาณอีกทีเนี่เป็นตัวรู้เป็นตัวรู้สองตัวตัวรู้ตัวแรกนี้ไปรับรูปรับรูปเสียงกินรับปดตะก้าเข้ามาให้ตัวตัวรู้ว่าทำนห้ได้สัมผัสกับรูปเสียงกินแล้ว การประสัญญาสังขารเข้ามาปรุงแต่งว่าเป็นอะไรดีหรือไม่มีสุดหรือไมพอดีก็เกิดสุดเวทนาขึ้นมาพอไม่ดีก็เกิดทุกขเวทนาขึน้นนี่คือการทำงานของขันห้าทางนี้ตัวรู้นี่รู้รู้รู้อยู่อยู่เบื้องหลังผมถ้าไม่มีตัวรูน้นี้ก็จะไม่รู้เรื่องการทำไมของการท่าทำอย่างไรตัวรู้นี้เป็นตัวรู้ใช่ใ่ เรรู้ที่ไปรักไปละไปรักไปชามตวหนึ่นคือตัวนี้เนี่ยตัวคันห้าเราดวิญญาณมันไม่ได้ไปรักไปชามของรูกเสียงกินว่าที่มันไม่ซ้ำผ่านแต่การปฏิบัตินี้เราไม่ต้องไปรู้รายละเอียดนี้ให้รู้วิธีปล่อยวางทั้งนี้ใน้รู้ว่าทุกอย่างมันเป็นใจลกมันไม่เครียงมันในของชั่วคราวอยากไปยินดี เวลาไปชอบเดี๋ยวเวลามันหมดไปก็จะทุกข์อย่าไปรังเกียจเพราะว่ามันเราห้ามมันไม่ได้มันจะมาเข้ามาอย่ามันก็ไปมันมาถ้าเราไม่ชอบเราก็ต้องถัดทําใจอยู่มันไปส่วนที่สิ่งที่เราชอบก็ถัดทำใจอย่าไปอย่าไปเอาอย่าไปยึดอย่าไปติดเพราะว่ามันวันใดวันหนึ่งเขาก็ต้องจาบออกไปอยู่ดีอเราใช้ปัญญาสอนใจให้ ให้ปล่อวางไม่ไปรักไปชงังไปกลัวไปหลงกับสิ่งที่เรามาสัมผัสได้เรื่อยด้วยรู้รู้ตอนนี้ดีกว่ารู้วิธีนี้ดีกว่ารู้ว่าตัวรู้นั้นตัวนั้นตัวนี้เป็นตัวรู้มันไม่ไม่สําคัญไม่ได้เป็นปนัญหาปัญหาอยู่ที่เราไปทุกกับสิ่งที่เรารับรู้ทุกข์พราเราไปหลงคิดว่าเขาเป็นนินจจสุขขันตาเราบอกว่าไม่ใช่เขาเป็นอนิจจทุกข์ขันัณาตา <Okay. S 2> แสดงว่าในช่วงที่ติดเขาเขาเขาเห็นสภาวะค่ะที่มันไปกระทบทั้งซ้ายขวาสุขทุกข์อะไรเงี้ยค่ะแม้กระทั่งหนูรู้สึกว่าความสุขที่อยู่ในสมาธินะคะมีอยู่ครั้งหนึ่งแบบพอหนูพอจิตรวมเข้าไปสนสมาธินะคะไอ อ, อาการที่เป็นตัวเบาอะไรเงี้ยค่ะหนูก็รู้สึกว่าเอ่อในช่วงที่มันจิตมันมีความสุขก็คือมีความสุข แต่มันจะมีช่วงหนึ่งที่ช่วงนั้นแบบมีปัจจัยหลายๆอย่างที่ทําให้พอจิตรวมเนี่ยค่ะมันไม่ได้เข้าไปลึกมากค่ะแล้วก็หนูก็เกิดตัวทุกเข้ามาว่ามันทําไม่ได้เหมือนเดิมทีนี้นหนูก็ก็ลองศึกษาไปเรื่อยๆนะคะาเอ๊ะทำไมมันถึงทําไม่ได้อย่างเนี้ยสุดท้ายค่ะข้างในมันก็บอกว่าเออทุกอย่างมันก็มันก็คือใตรักหมดแม้กระทั่งแบบในสมาธิอะไรอย่างนี้ค่ะหนูก็เลยกลับมาเหมือนเดิมว่าลองเทสอบว่าถ้าวันไหนที่ไม่ได้นั่งแล้วก็ จิตมันสะเทือนมากน้อยแค่ไหนถ้าสุดท้ายมันยังสะเทือนอีกก็คือก็ต้องกลับมานั่งเหมือนเดิมแล้วก็ค่อยออกมาดู <c oughs> หูก็ไม่แน่ใจว่าอันนี้คือคือมันทําของมันเป็นอัตโนมัติเลยค่ะถามว่าทุกทุกไหมก็ไม่ได้ทุกแต่แค่เห็นว่าอ๋อสุดท้ายคือก็ต้องมาทําที่สมาธิเหมือนเดิมเวลาที่มันพุ่งเงี้ยค่ะคือปัญหาคือเราทำสมาธิน้อยไปอย่างอย่างน้อยค ถ้านักปฏิบัติเขาจะทำสมาธิกันทั้งวันทั้เคืนก่อนในเบื้องต้อนอย่างอื่นเขาไม่ไม่สมนใจพระที่ไปอยู่ในป่านี่เขาทําแต่สมาธิอ่าก่อนก่อนที่ไปทําอย่างอื่นเขาต้องชนานาญทางเรื่องสมาธิก่อนนำมาทําใจให้สงบเวลาที่มันพะุ่งซากกันมาได้ด้วยสมาธิก่อนแล้วถึงขั้นไปเขิดทางปัญญาต่อที่ะและอย่าง อย่างสมาธิอะค่ะในแต่ละวันนะคะหนูก็ทั้งกายแล้วก็ส่วนใหญ่จะรู้ลมอะนะคะแม้กระทั่งแบบเดินคือทุกทุกอย่างค่ะมันก็จะรู้ลมอัตโนมัติของมันอยู่แล้วค่ะแต่พอมีอะไรมากระทบปึ๊บจิตมันออกไปรับรู้เงี้ยค่ะสุดท้ายคือหนูก็เห็นว่าโอเคมันออกไปแล้วก็พยายามจะเพ่งกลับมาให้มันรู้ลมให้ได้เกือบตลอดทั้งวันแล้วก็ก่อนหน้านี้ค่ะช่วงที่เป็นโควิดนะค่ะก็ไปพักอยู่ที่ฮอสปิเตลนะคะเป็นมาสิบวันก่อนหนูก็เลย รู้สึกดีใจมากที่มันได้มาปฏิบัติแล้วก็อยู่แบบไม่เจอใครเลยอย่าเงี้ยค่ะช่วงวันแรกก็เขาทุกข์ขัดจิตเขาก็แบบเหมือนมีความนอยค่ะวันที่สองปึ๊บหนูก็ต้องมาคับพิงค่ะว่าหนูต้องรู้ลมให้ได้เกิดตลอดทั้งวันพอหลังจากสองถึงวันที่สิบนี่คือแทบจะไม่อยากออกจากโรงพยาบาลเลยค่ะคือจิตเขาเขาจะมีความสุขมากก็ก็รู้สึกว่ามันมันเห็นคุณของสมาธิมากขึ้นอย่าเงี้ยค่ะ ทั้งปัญญาทำให้มากทาให้ชํานาญยังสามารถเข้าได้ทุกเวลาที่เราต้องการแล้วค่อยไปนะใช้ทำทปัญญาต่อคร่ะอีกอีกหนึ่งข้อนะคะอาจารย์เวลานอนแล้วแบบรู้สึกตัวหายนี่คือแปลว่าอันนี้คือเข้าชาญไปแล้วใช่ไหมคะคือเมื่อก่อนนะคะหนูแค่แบบถ้าต้องถ้านั่งนะคะในท่านั่งเนี่ยหนูก็ตัวหายค่ะแต่พอหลังๆเนี่ยนอนปึ๊บหนูลองกําหนดสมาธิดูอย่าเงี้ยคะ่ะมันก็หายไปอย่างเงี้ยคะ่ะหนูก็เลยรู้สึกว่า เอ๊ะมันเข้ารวังหรือเปล่าแต่เท่าที่รู้ก็คือมันก็คือส่วนใหญ่แล้วหมสติมากกว่าตัวหัวของหดสติมากกว่ามันหลับนะมันหลับเวลานอนหลับนี่ไม่มีสติมันคนตายจิตไปอยู่ในโลกที่ไวยให้ร่างกายอยู่ในโลกกระถางยกกันชั่วคราวจิตก็ไปอยู่กับความฝันความคิดบุญแต่นั่นคือสมาธิต้อง ทำนั่งให้มากขึ้นใช่ไหมคะคือแค่ขาหนีบไก่เดียวไม่ได้ต้องแบบอย่างน้อยก็อั ป, ปนาให้ตลอดใช่ไหมคะแล้วทําเยอะๆทำทั้งวันทั้งคืนก่อนอย่างที่ต้า ป, ปียอสปเที่ยวสวันนึงทำสมาธิ่างเดินได้ดีเอยอะค่ะเราทำสมาธิการเดินจงกรมเดินจงกรมใส่กาก็กลับเข้าไปนั่งสมาธิใหม่ทำมันแค่สองอย่างนึงเรให้มันให้มันแน่นให้มันทํานาน ต้องการเข้าสมาธิเมื่อไร่ะเข้าไปปุ๊บเหมือนนั่งห้านาทีสิบนาทีก็เนื่งแต่ตอนที่ฟังพระอาจารย์ตรงที่หน้ากุฏิอะค่ะหนึ่งสองสามปุ๊บจิตรวมเลยค่ะเหมือนไปเกาะพลังงานของพระอาจารย์หรือก็เลยฟัเสียงจิตไม่ได้ตรงแต่ใช้เสียงเป็นอารมณ์ใช้เสียงธํามเป็นารมณ์คนที่มาฟังธรรมเขาถืออย่าก้าวให้ก็นั่งเร็นก็นั่งเวลานให้นั่งฟังที่บ้านก็ไม่เหมือนมานั่งทั่ที่ที่วัดเพราะบรรยากาศไม่เหมือนกัน จริค่ะพลังงา น, าานะ้าจานแบบเยอะมากค่ะแค่ไม่ถึงสามวิค่ะก็คือรวมลงแล้วค่ะหนก็หนึ่งชั่วโมงนี่คือแ ป, ป๊บเดียวมากแบบเหมือนกับไม่ไม่กินนาทีค่ะไ่ะขาดไม่เรวบางทีเราต้องคอยดึดงนาฬิกากลัจะเทศการเที่ยวโ่ะแต่หนูจะบอกว่าบางครั้งหนูก็ไม่ได้ยินเสียงะอาจานเลยค่ะคือเหมือนกับเอา้าวมันพูดอะไรมือนมันสงบแ ล, แล้วมันไม่ทำอะไรก็ไม่ได้ยินก็ยังรู้สึกว่าผิดหรือเปล่าค่ะที่ไม่ได้มาต เราใส่เสียงเป็นตัวส่งให้เราเข้าสมาธิเนี่ยถ้าเราอยากทงทางปัญญาเราก็ไม่เข้าสมาธิเราต้องพิจารณาตามอย่างที่เราคุยกันอย่างเงี้ยมันก็จะไม่เข้าสมาธิมันก็จะคอยพิจารณาได้ตามไปเรื่อยๆเพื่อให้เกิดความเข้าใจถ้าอย่างนี้เรื่องฟังเพื่อปยยัญญาแต่ถ้าฟังเพื่อสมาธิมัใช้ใช้เสียงสะกดจิตตามไปแอบเดียนมันก็เข้ามันเข้ามันก็ไม่รู้มันก็ไม่รับรู้เสียง มีมีอย่างเนื้อค่ะที่หนูรู้สึกว่ามันเปลี่ยนไปจากที่ก่อนหน้านี้นที่ปฏิบัตินะคะคือหนูทราบว่าคุณพ่อค่ะมีโอกาสที่จะเป็นมาเลงอะนะคะหนูก็คุยกับท่านปกติอะค่ะแล้วก็ในความข้างในเนี่ยค่ะรู้สึกว่าเราจะผิดหรือเปล่าถ้านเราไม่ได้รู้สึกเสียใจว่าสิ่งที่ท่านไปเหมือนกับมันรู้เองว่าทุกคนเกิดมาก็คือเกิดแก่จ็บตายเป็นธรรมดาเราก็ทําหน้าที่ลูกก็คือแนะนําแล้วก็พาท่านไปแบบ เขาทําาัตมทําอะไรได้เสียใจแล้วมันไปเปลี่ยนแปลงอะไรได้งก็เลยรู้ว่าเข้างในเอ๊ะทำไมเราถึงไม่ได้เสียใจขนาดนั้นไม่ได้เสียใจไม่ได้ตกใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จะทําให้เราทุกข์ไปเปล่าๆเราปฏิบัติเพื่อไม่ได้ไม่ทุกข์เองถ้าเราเห็นด้วยปัญญาว่าเป็นธรรมดาของร่างกายทุกคนแก่เจ็บตายนี่เป็นเรื่องธรรมดาไม่เ้นแม่แต่ของเราก็ไม่เว้นแล้ววันหนึ่งเราก็ต้องอยู่ในสภาพเดียวกับพ่อที่เป็นอยู่ตอนนี้ มุนักค่ะไว้จะพยายามจะพยามไม่ปล่อยไม่ปล่อยปากละเลยหน้าที่ของเราเราต้องมีความเมตตาอรุณารับใช้หพ่อให้ดีที่สุดพยายามจะให้พ่อทําสมาธิค่ะแต่ว่าท่านก็ยังยังเหมืยยังไม่ได้เห็นคุณของสมาธิค่ะอันนี้ก็บรรลุกันไม่ได้ไม่ได้แต่ก็เข้าใจเขาค่ะไม่แน่วันดีขึ้นดีข้าจะอจะนั่งขึ้นมาก็ได้โอเคสาธุข้าเจ้า บางทีถ้าไม่จนตรากมันก็ไม่มันก็ไม่มันก็ไม่สูนนะ้เพราะมันจนตรากมันช้าเพื่ง อ, อะไรไม่ได้แล้วก็ต้องหายมาเพิ่งธรรมะนัน่นเองอาเดินทาอะไรที่ดังเลยไหมทำงานการบินนะเฮ้ยก็สจ้าหน้าที่หนูเหรคะอยู่เป็นเ<อ>จ้าหน้าที่ท่าอากสศยานค่ะก็ดูเรื่องงานปลอดภัยค่ะ ออกข่าวประกาศแจ้งเตือนนักบินอย่างเงี้ยค่ะว่าในท่าดอนเมืองเรามีเหตุการณ์อะไรบ้างเนี้ยค่ะเรอยู่ดอนเมืองไม่อยู่สวนพลดนอนอยู่ดอนเมืองค่ะ <Okay. S 1> ดอนเมืองอันนี้ผู้โดยสารยอะเป็ น, ปนยังช่วงนี้ผู้โดยสารเยอะค่ะก็จะมีแบบเป็นเป็นจุดต่างประเทศก็มีเยอะค่ะโอเคนะครับทุกทุกค่ะที่อาจารย์สายทินะอาจารย์ พันแกนนักสารคามนรมาศการอาจารย์ตุ๊กค่ะวันนี้อยู่สารคามค่ะพระอาจารย์มีอะไรไหมวันนี้ก็เอยเมื่อวันศุกร์ที่แล้วไปบริจาคเลือดค่ะพระอาจารย์ก็เลยสิบแปบมีค่ะไปสองวันค่ะพระอาจารย์หิวข้าวค่ะแล้วก็เมื่อไม่กี่วันนั่งสมาธิค่ะพระอาจารย์มันมันมันมันเบี่ยงปุ๊ก ออกปับเลยค่ะพระอาจารย์ไม่ทันได้อะไรเลยเบี่ยงอย่างแรงเบี่ยงมันเบี่ยงลงแล้วก็เบี่ยงขึ้นทันทีเลยค่ะคระอรยรู้เฉยๆไป้ให้รู้เฉยๆไปนะระวังใจดีจังนะมนเกรื่งแล้วก็ผ่านไปไม่ต้องไปวิตกเคื่องมือนเกิั้งั้ง่ะช่ไคํมาาทํากทำใจให้เป็นปกติตั้งตังหลักใหม่ใช่ไหมคะกลัมาดูลมกลับมาพูทรมามานั้ก ไม่เป็นไรเป็นเรื่องธรรมดาเดินล้มได้พอล้มแล้วก็ล้มขึ้นมาเดินต่อได้อย่าพานเลิกไปเลยไม่เอาด้วยไม่ไม่นั่งไม่ค่ะก็นั่งอยู่แต่ว่าก็ก็ไม่ลงก็นั่งนั่งไปไกลเอ้าเราไม่คาดหวังแล้วกันนั่งนั่งไปอ่าม็เรื่องของมันเรามีหน้าที่ดูล่มแล้วพุทธก็ทําไปนั่นึองค่ะอันนี้มีมีไปงานศพพ่อคุณพ่อเพื่อนค่ะพระอาจารย์แล้วก็เลยได้นั่งคุยกับอาจารย์ที่เขาอยู่ในรถด้วย เขาก็พยายามน้มน้าวให้เรามีคู่แต่บางค็เราไม่ได้อยากมีคู่เนี่นค่ะอาจารย์มันทำให้ฉิงเราค่ะอาจารย์ก็เลยเออเราก็บอกว่าเราเราไม่อยากพัดภาคแล้วอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์เราเหนื่อยกับการพัดภาคที่ที่อยู่ที่บ้านเราเนี่ยเรายังต้องทําหน้าที่พัดภาค ที่จะทุกข์อยู่แล้วยังไม่หามาเพิ่มแล้วอะไรเงี mm ้ย hmm. แต่ก็ให้ตรงนี้เข้าไป mm hmm. ทีนี้พอคุยกับเขานานๆพอกลับมาปฏิบัติอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์แล้วมันก็เจอการเปลี่ยนแปลงของของของคนในคนณะที่เป็นเพื่อนเพื่อนเราค่ะอาจารย์บางคนก็ไปทําหน้าที่อื่นบางคนก็มีภารกิจมากแต่เหมือนทําให้เราแบบต้องห่างกันไปเราก็ได้เห็นว่าเอ้ยอะไรมันก็ไม่เที่ยงเนาะอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์แล้วก็จิตมันตกค่ะอาจารย์เหมือนแบบจิตมันดูแบบ อ, อจะเหมือนไม่ค่อยมีความสุขเราก็เลยมาพิจารณาค่ะพระอาจารย์ว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมเราถึงรู้สึกแบบนี้ค่ะพระอาจารย์ไล่ไไปไแล้วมันก็บอกว่าค่ะมันบอกว่ามันกลัวกลัว<ม><ม>ความไม่เที่ยงแล้วก็แล้วความไม่เที่ยงกลัวไม่เที่ยงทุกอย่างมันไม่เที่ยงเราจะทายังไงอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์ก็เลยบอกอ้าวถ้ากลัวไปก็ไม่ได้ไประโยชน์เพราะทุกสิ่งไม่เที่ย ง, งก็ยอมรับพันธกันอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์ ก็ข้ามวันไปค่ะถึงจะพิจารณาแล้วถึงลงแล้วก็จากนั้นใจก็สงบค่ะพระอาจารย์ดับใจดับใจค่ะก็เลยเห็นว่าเออจริงๆแล้วสิ่งที่ทุกข์ทั้งหมดก็อยู่ที่ใจเรานี่เองค่ะวันไหนใจใจแข็งแรงก็ไม่ทุกข์วันไหนใจอ่อนแอก็ทุกข์อะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์ก็เลยใกล้ๆสุดเข้าถึงอริยาสัจนะเข้าถึงอริยาสัจนทุกข์เกิดที่ใจของเราอ่าก็เลย ไม่เห็นแล้วว่าตอนนี้ข้างนอกไม่ค่อยไม่ค่อยมีผลแล้วค่ะพระอาจารย์ใครจะชมใครจะด่าหรือใครจะอะไรไม่ค่อยทุกข์แล้วค่ะกลับมาเห็นว่าเราทุกข์ที่ใจของเรานี้เองต้องจัดการที่ใจใช่ค่ะนะคะเราไปแกล้าขอไม่ได้ไปบังคับของไม่ได้ค่ะคราวนี้ต้องมาแก้ที่ตัวเองแก้ด้ความอยากเราแก้ที่ความอยากของเรา ยายก็ดีย้ายก็พูดดียายก็ชมพอก็ด่าก็เลยเสียใจทุกใจกันเลยต้องกลับมาแก้แก้ที่ใจก็ด้วยการพิจารณาใช่ไหมคะพระอาจารย์อนิจจังทุกขรังอนัตตาและตายรักใช่ไหมคะตายรักน่นแหลที่ทุกข์ก็ไม่ยอมรับอนิจจังไม่ยอมรับอนัตตาใช่ค่ะก็ยังไม่เห็นอนิจจังยังไม่เห็นอนัตตามันเป็นยังไง เป็นไม่อยากให้เกิดกันเราน่าะจะเป็นอย่างเงี้ยค่ะทั้งที่รู้ว่ามันต้องเกิดแต่ว่าไม่อยากให้เกิดก็ ก, ก, ก็เลยอ็มันเป็นอย่างงี้นี่เองอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์ก็คงต้องฝึกใจให้ให้ให้ยอมรับใช่ธรรมชาติจะได้ไม่โชกน ะ, ะพิจารณาจะก็พิจารณาไปเรื่อยๆเหมือนที่พระอาจารย์ให้การบ้านไปค่ะที่อบอกว่าให้ให้แยกคาดแยกขันจะได้แบบ อัตราตัวตนเราก็จะได้ลดลงด้วยค่ะอาจารย์สลับของการทําสมาธิเงินจะได้มีเบิกขาค่ะได้ค่ะพรอาจารย์เดี๋ยวจะพยายามปฏิบัติไปเรื่อยวันหยุดนี้จะไปอยู่วัดค่ะพระอาจารย์สี่วันนะดีไปวันที่ยีิบก้าค่ะพระเอินมีพี่ที่เขาไม่เคยเข้าวัดเขาอยากปฏิบัติไม่รู้ว่าตัวเองจะได้ปฏิบัติมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าก็ก็จะพาพี่เข้าไปค่ะพรอาจารย์ ให้ถือว่าเป็นการช่วยเขาก่อนเดีย๋ยวเราก็ทําของเราต่อค่ะนนนนค่ะ <c oughs> เป็นนักคุเทสเป็นนักคุเทสขวัดค่ะนักนายกเป็นนักนายกใช่ไหมคะอาจารย์ตัวเองก็ยังไม่รอดแต่ว่าหอบคนเห็นไปด้วยค่ะก็ไม่เป็นไรกาไม่ไม่ม่นนะนักหน า, น า, นาสาหารสอะไรไปถึงก็แยกกันอยู่ว่าแล้วกันบอกเขาว่าแยกกันเฉพาะเวลาทําจิตร่วมกัน นา่นาจะไม่ได้แยกค่ะพระอาจารย์ที่ก็มาจากเยอรมันแล้วเขาไม่เคยเข้าวัดเลยค่ะคหนูจะจับต้อไปอยู่หน้าผากับหนูค่ ะ, ะเข้าไปขึ้นเรื่องไปก่อนขึ้นเรื่องไปจะไปจับอยู่กดทุ้นที่อยู่หน้าผาที่หนูไม่กล้าไปอยู่คนเดียวกับพระอาจารย์ออ เ, เอาเขาไปอยู่ด้วยค่ะดแล้วมาเล่าให้อาจารย์ฟังค่ะแค่นี้ค่ะพระอาจารย์สาธุค่ะหวังว่าหนูจะได้เห็นอะไรได้รู้อะไรนะค่ะ สาธุค่ะพระอาจาย์คุณนาเรตาบุตรกาญกาวนจันหนงพ่อค่ะวันนี้หนูอยู่บางบัวทองค่ะมาบางบัวทองาที่สองเลยอันนี่มาอีกหลังหค่ะค่ะมีสามหลังค่ะหลวงพ่อาหลังค่ะที่นครนายกอีกหนึ่งหลังค่ะแล้วเวลามาอยู่นี่ย้ายกันมาทั้งครอบครัวเล้วยรป่ามาค่ะ ค่ะวันส่วนมากถ้าเป็นวันวันวันศุกร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะจะมาที่บางเวทองค่ะแล้วก็วันค่ะแล้วก็อยู่อุทกาศใช่ค่ะแล้วถ้าวันหยุดแบบยาวๆก็ไปไปขอนแก่นค่ะหลวงพ่อหลวงพ่อค่ะหนูไม่รู้ว่าจะเป็นข่าวข่าวดีสําหรับหนูหรือเปล่าคือหนูเพิ่งเข้าใจหมายหมายถึงว่าไมเพิ่งเข้าใจคือเข้าใจมากขึ้นนะคะหลวงพ่อว่า ที่คำสอนของพระพุทธเจ้าหรือว่าที่หลวงพ่อมาเทศสอนที่บอกว่าทําให้มากเจริญให้มากอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันก็มันก็ยิ่งเห็นผลเข้ามาเข้ามาเรื่อยๆค่ะหลวงพ่ออย่างตอนเช้าค่ะหนูหนูก็คือจริงๆแล้วก็ทําทุกวันนะคะปฏิบัติทุกวันที่ที่หนูบอกเคยเรียนหลวงพ่อว่าหนูตื่นตีสามอะไรเงี้ยค่ะทําถึงตีห้าทำตอนเช้าทํา คือมีเวลาหนูก็พยายามนั่งนั่งอะไรเงี้ยค่ะทีเนี้ยพอตอนเช้าอย่างเช้าวันเนี้ยค่ะหนูนั่งตอนแปดโมงจนถึงเกือบเก้าโมงครึ่งเนี้ยค่ะหลวงพ่อมันตอนตอนที่มันยังไม่รวมอะค่ะเวทนามันมาเราเราก็จะเห็นว่ามันนะเจ็บปวดหรืออะไรเงี้ยค่ะหลวงพ่อแต่พอมันเริ่มที่คือตกหลุมแบบเยอะวันเนี้ยตกหลุมเยอะมากค่ะแล้วมันก็สงบนิ่งมันหยุดหยุดหมดทุกสิ่งทุกอย่าง แต่ว่าคือเหมือนจิตเราเนี่ยรับรู้ทุกอย่างค่ะหลวงพ่อกายสงบใจสงบมันรู้สึกที่ที่หนูเพิ่งเข้าใจอ๋อไอ้ที่ที่หลวงพ่อบอกว่าจะกายเบาตัวเบาที่มันเยอะๆมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยคือวันนี้หนูรู้สึกว่ามันมันมันเข้าใจที่หลวงพ่อบอก ของพ่อสอนมากขึ้นนะคะแล้วแล้วใจอะ่ะมันก็ไม่ได้ไปเดือนร้อนวุ่นวายหรือดิ้นรนอะไรคะ่ะหลวงพ่อมันมันรู้สึกเห็นเห็นทุกสิ่งทุกอย่างว่าเออมันแยกแยกกันอย่างที่เคยเรียนหลวงพ่อค่ะแต่แต่ว่าวันนี้มันรู้สึกมันลึกลึกมากขึ้นค่ะหลวงพ่อรู้สึกแม้กระทั่งมีเสียงที่มันมารบกวนเราเราก็ได้แค่รู้คะ่ะมันไม่ได้สนใจไม่ได้อะไรเลยอะคะ่ะหลวงพ่อใช่ แล้วอค่ะแล้วแล้วทีเนี้ยหนูหนูแค่อยากจะรบกวนถามหลวงพ่อว่าแล้วแล้วทำไมเวลาตอนที่เราเรายังไม่รวมอ่ะค่ะทำไมร่างกายมันเวลาตอนสังขารมันมามันถึงมันถึงเจ็บปวดมากแต่เวลาเรารวมเข้าไปแล้วมันก็เกิดเวทนาเหมือนกันแต่ว่าเราอยู่กับมันได้โดยที่ว่าเราเราไม่ได้เจ็บไม่ได้ปวด หรือว่าเราช่วงที่เราถอนออกไปแล้วเนี่ยมันเหมือนไม่เกิดอะไรขึ้นเลยอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อว่าใจเราไม่ปวดด้วยมันก็เลยปวดขึ้นเดียวหอ ป, ว ด, ปวดที่ร่างกายอย่างเดียวแต่ตอนที่เรายังไม่เข้าข้างในในี่มันใจไปปวดกับร่างกายมาเป็นสองต่อกันมาสอง่าหมายหมายถึงว่าจิตเนี่ยมันไปเกาะกับความเจ็บอย่างเงี้ยใช่ไหมคะไปเกาะความเจ็บกอยากให้ความเจ็บมันห้ายไป<อ>มันเลยสร้างครามทุกข์ขึ้นหลายชั้นหนึ่งค่ะ แล้วเราเข้าทำไงแล้วเราก็ปล่อยปล่อยให้มันไม่ไม่ได้มีความอยากให้มันหายมันลืมมันไงก็เนี่ยมันค่ะแล้วแล้วตอนช่วงที่มันรวมลึกๆอย่างเงี้ยค่ะหนูเพราะมันมันเหมือนใจมันไม่ได้ไปสนใจเสียงหรือว่ามอนหาเหมดมันจะค่ะมันเสียงเดือแล้วมันจะไม่ไม่ไม่รับรตอนตอนที่มันจะเข้าลึกๆหนูยังมีคําพุดโธอยู่แล้วพอเสร็จแล้วมันเริ่มแบบไม่มาแล้ว สุดท้ายคือเราจะรู้แค่ลมหายใจของเราแบบ อ, อ, อ่อนๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ส ง, งบเบาไปหมดทุกอย่างอย่างเงี้ยค่ะหลวงพอ่อก็ก็ดีแกมั น, น, น, มนไม่มันยังไม่เข้าไปสุดถ้าสุดแล้วลมก็หายไปเจนจนสุดท้ายคือลมม่ะไม่ไม่มีอย่างเงี้ยค่ะหลวงพอ่อเนื่องจากความมาั่งใช่ใช่คะ่ะหลวงพอ่อแล้วมันก็คือเบาแบบสบายไป<ม>ไปเลยอะคะ่ะหลวงพอ่อ<ม>แล้วแล้วพอสมมติหนูหนูอยู่จน จนมันถอนถอนหมดไปแล้วเนี่ยออกออกมาจากสมาธิมันมันรู้สึกว่าความความรู้สึกที่มันดีตรงนั้นมันยังอยู่แล้วมันมองเห็นอะไรมันก็รู้สึกเออมันไม่มีอะไรเนาะมันโล่งๆอะไรอย่างเงี้ยครับใช่แล้วไม่ปุ่มแต่งนียหลังจากออกจาสมาธิใหม่ๆมันยังยันยังยึดส้นบอกอยู่ ค่ะหลวงพ่อแล้ ว, แ ล, วแล้วที่หนูเคยเรียนถามหลวงพ่อว่าที่หลวงปู่หลวงตาท่านนั่งได้นานๆก็คือสะโพวะแบบนี้ใช่ไหมคะที่แบบใช่ท่านมีความสุขไม่ทุกข์เกิดขัดน้ำอ๋อค่ะหลวงพ่อก็คือถ้าถ้ายิ่งทํามากยิ่งยิ่งปฏิบัติมากก็จะยิ่งยิ่งสงบมากยิ่งมีความสุขมากค่ะยิ่งยินดีเกิดขัดน้ำมากค่ะหลวงพ่อแล้ ว, แ ล, วแล้วอย่างบางทีเราไม่ได้ ตั้งใจว่าคือต้องไปแบบเตรียมที่ให้ดีเวลานั้นเวลานี้คืออยู่อยู่ถ้าเราเราอยากจะปฏิบัติตอนเนี้ยคือมันปุ๊บ้ที่ไหนก็ได้ทําได้อยู่นใน<ช>ท่าไหน<ช><อ>เเวลากำหนดจิตไปแล้วมันเรื่องเ่ร่างกายไม่ได้สําคัญอยู่ในรถก็ทําได้เข้าห้องน้ำกาทำได้ค่ะหลวพ่อหนูเข้าใจมากขึ้นกว่าเดิมเข้าไปอีกค่ะคือมันเหมือนถ้าถ้าหนูได้ผลแบบเนี้ยมันเหมือนมันมีกําลังใจที่จะแบบ ทำเยอะๆอีกอะค่ะหลวงพ่อไม่ต้องไปหาห้องพระนั่งสมาธินั่งสมาธิไปแน้วอยู่ตงไหนก็ทําได้ค่ะหลวงพ่อหนูรู้สึกว่าหนูดีดีใจแต่ว่าหนูงพ่อสอนว่าไม่ให้ไปอยากอีกว่าเออเคยได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นอนดีตไปแล้วให้ยีดจสติอยู่กับอารมณ์ควบคุมใจพุโทโธนั่งลมใพุโทโธไปเข้าไปอ่างหลวงพ่อ ม, มันมเัิด็ไม่เกิดก็เรื่องของมันมันแ่เรื่งมัน ค่ะมันก็จะหายไปหมดเลยหลวงพ่อมันก็จะเหมือนไม่มีอะไรไม่เหลือเบาๆโล่งๆอะไรเงนี้ค่ะอันนี้คือสมาธิค่ะหลวงพ่อหนูจะพยายามทําให้เยอะๆค่ะหลวงพ่อแล้วพรุ่งนี้หนูจะไปที่เขานะคะหนูจะไปอยู่ <บา S 1> จนไปอยู่นะค่ะหลวงพ่อสี่วันนะสี่วค่ะหลวงพ่อหนูหนูสาธุหนูยินดียินดี ไม่รู้จะพูดยังไงเลยค่ะหนูดีใจที่จะได้ไปไปปฏิบัติอย่างเนี้ยค่ะหลวงพ่อแล้วมันพอ<ข>มีชั้นท่าวิริยะมีที่บาทสิค่ะแล้วพอเราไปปฏิบัติเรากลับมาเนี่ยมันมันยิ่งเดินกระเถิบเข้าไปใกล้ใกล้ใกล้ใกล้กเรื่อยเรื่อยอย่างนีมันรู้สึกว่า <c oughs> ใช่ใช่ใช่ค่ะหลวงพ่อวันวันนี้หนูรายงานหลวงพ่อเท่านี้ค่ะหลวงพ่ออย่าทราบถึง สาธุกลับขอบพระคุณหลวงพ่อนะคะสาธุค่ะนเอยู่ในกาทาบแค่อายุฟ้าเสกขอโทษอยู่ฟ้าเสกใช่มคะย่ใ่ครับใช่ค่ะท่านอาจารย์ก็ไม่มีคำถามค่ะก็ปฏิบัติเรื่อยๆค่ะท่านอาจารย์แล้วก็เดวิดฝากความคิดถึงแล้วก็กับท่านอาจารย์แล้วก็ เหมือนเดิมคะ่ะคือให้อาจารย์สุขภาพแข็งแรงค่ะบอลซองเต้ ค, คะ่ะซงเต้คนะ่ะซงเต้เตวลาบอลแสงเสขาเด่นนะฮะอันยังไม่เขียววัดซองเต้เหนไนเะ <laughs> วลายกแก้ววายขึ้นมาดืมซองเต้ค่ะแต่นี่บอนซองเต้ของท่านอาจารย์ค่ะสุขภาพแข็งแรงค่ะท่านอาจาร ย, ย์ไม่ได้แข็งแรงด้วยการดื่มวายนะบอกห้รู้ไปไม่ทําไม่ค่ะค่ะรู้ค่ะท่าอาจารย์ค่ะให้อยู่เป็นร่องโพน ตั้งใจให้ลูกแล้วก็ <Yeah. S 2> กำละังได้มิตรทุกท่านนานๆค่ะ <Okay. S 2> ท่านอาจารย์อเรื่องต่างๆที่ทําอยู่เนี่ผ่านไปเรียบร้อยนะสรุปเรียบร้อยค่ะขอบพระคุณมากค่ะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะท่านอาจารย์โอเคดีคุณคุณยานุนคุณยานุนต่อคทธรมออื อ, อเดี๋ยวปิดไปแล้วกดปุดป่มปิดนะครับขอบคุณมาเลย ก็ฝากพระอาจารย์ค่ะพรรษานี้ลูกมีความตั้งใจในการปฏิบัติมากขึ้นค่ะก็ที่พระอาจารย์แนะนําให้ต่อสู้กับความอยากของตนเองค่ ะ, ะลูกมีเสียธิของพระอาจารย์เป็นที่พื้นยามลูกมีปัญหาพระอาจารย์ก็ไม่มีคําถามใหๆค่ะเข้ามาก็ามาฟังค่ะโอเคพาารรษานี้ก็มีการที่ฐานมันจะทําอะไรเพิ่ ม, มเพิมมันะ้ยมีค่ะทุกคนพระลูกจะให้ความสัมพัการปฏิบัตินะคะพระอาจารย์ เอากขอบคุณค่ะอาจารย์ถ้าเราไม่ตั้งเป้าไว้มันก็จะโรเลยทําตามบางทีก็ทําบางทีก็ไม่ทำํำ<ช>ถ้าเราตั้งเป้าแล้วมันต้องทำใช่ไหมคะพระอาจารย์ปีไม่ดีก็คือชีวิตประจำวันเรื่องการงานจะเอาปีหมดอ่ะค่ะแล้วจิตมราก็จะไปฟุ้งกับเรื่องของงานมากๆค่ะต้องดึงกลับมาด้วยการฟังเสียงของพระอาจารย์ให้ได้มากขึ้นค่ะโอเคจากน ที่คนสพัท น, นาบวินชรบุรีใบไม้ปัญญากราบนมัไปไปกนกส ก, การพระอาจารย์นะคะวันวันมีมีคําถามมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเจค่ะพระอาจารย์แล้วก็วันนี้ได้คําตอบตอนฟังธรรมพระอาจารย์ยกเ็เรื่องเรื่องการที่เวลาเราได้ยินคนว่าหรือว่ามีการ ตำหนิอย่างนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์ใจนิสัยเดิมเราก็คือมันตอบพันพันที่จะถามพระอาจารย์ว่าเราจะแก้ปัญหายัางไงวันนี้พระอาจารย์บอกว่าก็ให้พุทโธพุทโธก็จะพยายามตั้งสติให้ทันแล้วก็หยุดห ย, ยุดให้ได้เร็วมากขึ้นเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็ปฏิบัติมากขึ้นเจ้าค่ะพยายามนึงสมาธิให้มากเจ้าค่ะเพื่อจะให้มีอุเบกขาได้เจ้าค่ะ แณะที่เข้าใจแนวทางการปฏิบัตินะแต่ยังหาเวลาทาไม่ได้เท่าที่ควรเจ้าค่ะก็ตอนนี้ก็ยังยังต้องทรมาร์กินอยู่นะคะพยายามทาให้มากจาค่ะระอาจารย์ขอบคุณพระอาจารย์นะคะแล้วก็มาลูกคนทำก็ค่ะถึงเป็นหมอหนาธรรมุนช่เนมอกับธรรมการพระอาจารย์ครับวันนี้เข้ามาฝังทำครับ เป็นยางไงตอนนี้งานยังไยังเหมือนเดิมยุ่งครับแต่ว่าก็ครับก็จริงวันนี้ต้องเดินทางไปเวียดนามเพื่อไปสอนไอ้ขัตการแต่ว่าพดีเขาเปลี่ยนก็เลยได้มีเวลาพักเองครับผมก็พยายามทจะติดตามดูต่างๆตลอดในขณะที่ทำงาน ค, คนไข้โควิดเยอะขึ้นไหมในอเมรามาเยอะขึ้นครับนะ คนใหญจะเป็นพวกที่อายุสูงอายุเย้ะใช่ครับใช่ครับเพราะว่าตอนนี้มันมันจํานวนคนที่ป่วยถ้าดูเรสชมันมันลดลงแต่ว่าจํานวนคนที่เป็นเยอะขึ้นนะครับอ<ม>ันนี้แต่ว่าที่ทกลุ่มที่เข้าโรงพยาบาลก็ก็จะเป็นคนที่มีโรคร่วมที่อายุเยอะที่ไม่ฉีดปักซีนครบ8ครบคร8ครับผมใช่ครับ<ม>อืมอไม่มีอะไรนะมันหรอไม่มีครับก็พยายามติดตามตามดูแล้วก็ดูดูใจครับ ปฏิบัติสังเกตไปเรื่อยในชีวิตประจำวันครับแล้วก็มีเวลากระเตียมนั่งสมาธิด้วยนะโอเคเห็นไปที่คุณอ้อมต่อ้อมปอบวินเหมือนกันชวนดูเลยไปวันกันมาตามตามได้หมันอาทิตยกันค่ะใช่ค่ะไปวันอาทิตย์ค่ะพระอาจารย์นั่งอยู่ในป่าใช่ค่ะใต้ต้นไม้นล้วฝนตกค่ะก็เลยย้ายที่ค่ะ เอวันศุกร์ไปขึ้นเขาค่ะพระอาจารย์พระอาจารย์มีแนะนําอะไรไหมคะก็แนะนำให้ปฏิบัตินะไรแนะนำอะไรให้ปฏิบัติเยอะๆนอนได้น้อยใช่ไหมคะใช่นอนน้อยๆกินน้อยๆนะปฏิบัตินอนน้อยกินน้อยปฏิบัติ้มากๆค่ะจะพยายามให้นอนสี่ชั่วโมงสมาธิเป็นหลักลงปัญญาเวลามีทุกข์ก็ใช้ปัญญาค่ะ โอเคไม่มีอะไรนะค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะอะ่คุณนักเชินคุณนักสุนนิพน์อยู่ที่ไหนเปิมคก่อนมือซ้ายน่าปีป่มบอกให้ก่อนค่ะกล่าวนามัสการค่ะโยกาลเซ็นกาลเซ็นมีอะไรไหมไม่มีครับพอดี ฝันเห็นว่าจาันเลยต้องมาท่องเลยฝันเห็นว่าจาันเลยเลยวันนี้เลยมีโอกาสได้มาค่ะแต่ก็เหมือนถามว่าตอนนี้คือรู้อยู่ค่ะวัดทุกแต่ว่ากำลัหาางหน้าทั้งหองดูวัดทุกก็หยุดมันแต่หยุดความทุกข์ความทุกข์หยุดได้ ด้วยสติก็ได้พุโทโธพุโทโธไปอย่าคิดเรื่องราวต่างๆหรือใช้ปัญญาม่เข้ทวมาเป็นตายละมันก็หายทุกข์แต่มันเวลาไปปฏิบัติที่วัดเหมือนเดินจงกรมอ่าแล้วก็มานั่งสมาธิค่ะอาจารย์แต่ว่ามันมันเหมือนพอเรามาเจอเหตุจริงๆเหตุการมันเล่าเราดุกเล่าเดิ่สติไปเ้นงปัญญาไป เหมือนเหมือนเราไม่เหมือนกับการที่เราไปวัดแต่พอมาเจอของจริงเราเหมือนเราสุกไม่ได้แล้วยังยังท้อมไม่พอเหมือนนักมวยท้อมยังไม่พอพอขึ้นเวทีก็ถูกก็ต้ อ, ตอนยังต้องไปท้อมไม่บ้างขึ้นท้อมไม่บ่อยขึ้นอาจารย์เลยว่าพอดีวันนี้มีโอกาสเข้ามาเลยรู้สึกว่าเออคือเคยไปเคยไป อ, อ่า ใสบาตพระอาจารย์ครั้งหนึ่งที่ที่วันะคะแล้วก็เหมือนมีมีแรงมามาปฏิบัติแต่พอมาปฏิบัติอย่างเนี้ยวันนี้เจอเจอเหตุเราเหมือนเราเรารู้สึกว่าเหตุที่เราเจอกับที่เราไปปฏิบัติมามั น, มนสู้ไม่ได้จริงค่ะอาจารย์อืมก็อะ ไ, ไต้องฝึกให้มากขึ้ น, นซ้อมให้มากขึ้นค่ะก็เป็นการการทดสอบว่าการปฏิบัติเราไปถึงไหนแล้ว อาวจรัมไม่ต้องไปเสียใจไ ม, ไไมไ่ต้องไปรู้สึกอะไรเราเป็นเหมือนกับว่าเป็นการเป็นการทดสอบกําลังของเราด้วยว่าเรากับกิเลนใครจะมากกว่ากันตังนี้อันนี้กิเลสมากกว่าเราเราก็ไปทุกข์ถ้าเรามากกว่ากิเลสเราเราจะไม่ทุกข์ค่าวัจจัน์ก็แล้วเราต้องเพิ่มพลังทางธรรมให้มากเพิ่มสติเพิ่มสมาธิเพิ่มปัญญาให้มาก ค่ะอาจารย์จะจะตั้งใจปฏิบัติมากขึ้นนะอายโอเคอยู่กรธรรมใช่ไหมนี่ที่ไหนอยู่กรลสินค่ะกราสิน ค, ค่ะเพราะวันหยุดก็จะไปที่แถวอุดรค่ะวัดป่ า, า, าวัดป่าแค่นั้นใช่ครับคือก็สัปพะยะอยู่ค่ะเหมือนทางเดินจงกรมหรืออะไรเงี้ยค่ะแต่ทีนี้ค่ะกราบเรียนถามอาจารย์ข้อหนึ่งค่ะว่า เออเวลาเราเดินจงกรมเหมอือนประมาณว่าเดินได้หนึ่งชั่วโมงแล้วเราก็มาพักแล้วเราก็กลับไปเดินต่อเป็นแบบเหมือนสิบโมงเที่ยงได้แล้วก็เย็นอย่างนี้ได้สำหรับการสลักก็นัน่งเวลาไม่เลินก็กลับมานั่งสมาธิ ท, ทอถึงถึงแม้ว่ามันจะไม่เป็นการต่อเนื่องแต่ว่ามันมันก็ได้เวลาตอนนี้ตอนนี้ก็ต้องทําอย่างนี้ไปก่อนต่อไปอาจะเพิ่มเวลา แต่เราอยากให้มันยาวขึ้นเช่นเดินสองชั่วโมงนั่งสองชั่วโมงไปค่ะได้ค่ะเราไปท่านมีกำลังมากขึ้นสติดีขึ้นมัก<ะ>นจะเดินได้นานขึ้นนั<ะ>่งได้นานขึ้นเองค่ะโอเคนะค่ะสาธุค่ะบอาจางย์ขอบคุณป้าวะไรคากสี่รักชากับนรรสการเจา้าค่ะก็ที่ที่ฟังนะนะคะสัหญ่หนุ ก็จะเป็นข่าวดีหนูหนูก็คิดว่าในช่วงในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาค่ะที่หนูพยายามเรียนแล้วก็ปรับเรียนแล้วก็ปรับแล้วก็แก้ไขค่ะหนูก็ยังคงความสติได้อยู่ค่ะคือไม่ไม่โกรธไปเจอค <c oughs> ู่ปรับที่ทํางานก็ก็ <c oughs> ไม่ตอบเขาก็รู้สึกว่าทํางานก็สบายใจดีค่ะไม่ไม่ไม่รูส้สทุกข์ร้อนอะไร <c oughs> ในขณะเดียวกันมันมีทุกมันมีทุกจากคนอื่นเข้ามาอย่างเช่นเมื่อสัปดาห์ก่อนลูกลูกสาวไปเรียนที่เชียงรายแล้ว พันดินไหวเจ้าค่ะถ้าเป็นเมื่อก่อนหนคงจะแบบกังกวลกังวายใจต่หนูพอหนูรู้ว่าอ๋อพันดินไหวเหร อ, อ, อดูแลตัวเองนะเสร็จแล้วก็เข้านอนอะไรเงี้ยค่ะตื mm ่น hmm. เช้ามาก็ไปเช็คเขาก็รู้สึกว่าไม่ได้ทุกร้อนอะไรเพราะว่าช่วย <c oughs> อะไรเขาไม่ได้ mm hmm. ค่ะแต่มีมีอยู่เมื่อวานนี้เจ้าน้าเจ้าคะต้องต้องขออนุญาตค่ะคือปกติจะต้องเรียนทำพระจารย์นะคะแต่เมื่อวานนี้ก็คือต้องพาน้องไปทานข้าวแล้วก็รู้สึกว่าแบบมันมันเหมือนไป ไปเลยนะเจ้าคะ่ะไปเปิดตาหูจมูกลิ้นกายอะไรเงี้ยค่ะแต่ในขณะที่ทานข้าวก็รู้สึกว่าเรามาทําอะไรเนี้ยอะไรเงี้ยแต่ว่าก็คือแม่ตาน้องๆค่ะเพราะใช้งานเขาค่อนข้างหนักเขาชวนเข้าไปไปใส่บาตรเขาไม่ค่อยชอบก็เลยต้องพาเขาไปไปทานข้าวเงี้ยค่ะอันนี้มันมันจะเป็นการเพิ่มกิเลสเราหรือว่าเพิ่มกิเลสน้องเข้าไปด้วยค่ะ ก็มันปกติของเขาแหละมันพวกในท้องก็ทําอย่างนี้่เป็นปกติมันก็ไม่ถือว่าเพิ่มเพราถ้าเราไม่พาเข้าไปขาเขาก็เข้ า, ขาไปก็อยู่ดีนะอนี่อนตอนหนูทานหนูก็พยายามแบบหนูก็มองว่ากอมันไม่มีอะไรน่าทานเลยกินผักอย่างเดียวแล้วก็พุ่งมื่อวันเนี้ยค่ะหนูก็หนูก็แก้ทําโทษตัวเองด้วยกันไม่ไม่กินอะไรเยอะทานของแต่น้อยๆเพื่อที่เพื่อที่ใช้รู้ว่ามันไม่ควรจะไปเพราะว่า อนที่พาน้องๆไปเนี่ยหนูก็รู้สึกว่าเรามาทําอะไรวะเนี่ยอะไรประมาณนี้ยตลอดเวลาเลยค่ะก็อาจารย์จะต้องทําหน้าที่ทํางานร่วมกันที่กำลมีหน้าที่ในวันนี้ต้องดูแลเขาก็ทําไปค่ะค่ะก็ต้องทําควบคู่กันไปนะเจ้าพักโอเค่ะโอเคนะไม่มีอะไรนะโอเคไปที่คุณกิติสัก์ต่อคุณกิติสักดิ์ขอท่านบอก อะาอยู่สี่วันนี้จะขึ้นเขาหรอการครับพระอาจารย์ไม่ได้ขึ้ น, น, รนครับพระอาจารย์ัะไปเที่ยวก็อาจจะต้องไปกับครอบครัวที่บ้านอาจารย์เหมืนอนรู้ทาง <laughs> <laughs> ันไมก็มีสองทางถ้ามันไปวันไปก็ไปเที่ยวครับพระอาจารย์ก็พยายามตอนนี้ก็ยังปฏิบัติอยู่ทุกวันครับพระอาจารย์ เราไม่ได้เข้ามาสองอาทิตย์แต่ก็ฟังพาจารย์อยู่ข้างนอกแล้วก็ปฏิบัติอยู่คือได้ไม่ต้องได้ไม่ต้เข้ามาก็ได้ก็ไม่มีคำชัก ม, มันไม่ต้องเข้ามามันจะมีติดบางครั้งครับอาจารย์ตอนนี้คือเหมือนกับว่ามันมีความอยากจะให้สงบเหมือนที่เคยสงบแล้วมันก็เหมือนวิ่งไล่ตามมันก็ไม่ไม่ถึงทันทีครับเราอย่าอย่ า, อ ย, า, อ, ย า, อ, ยาอย่าไปวิ่งตามมันเหแล้วหยุดมัน อยู่ด้วยกันบริการมุดเถาะมุดเถาครั บ, รรรบก็ต้องมันึกถึงที่พระอาจารย์สอนก็เลยครั้งต่อต่อไปก็เลยแบบเออไม่ไม่ได้คาดหวังว่าให้จะต้องเขาให้สงบนะคือถักแถวว่าทําไปทําไปนะครับมันก็อยค่อยค่อยๆกลับมาก็สลับสลับกันครับมันเหมือนมันมันติดนะครับอาจารย์มันอยากจะไปให้ถึงจุดตรงนั้นตรงแบบที่สงบแนละ้วก็ ไม่มีอะไรเลยตรงนั้นมันเหมือนมันเป็นความอยากครับอาจารย์ใช่ก็อยากจะสงบก็ให้มันหยุดกพื้นทออนน้องไปหยุดนอลงไปอันเดียวก็จะพาลงไปครับอาจารย์ก็อย่างอื่นก็ไม่มีอะไรครับเข้ามาร่วมฟังธรรมไม่ค่อยได้เข้ามากลัวอาจารย์จะลืมผมครับผม เ, เข้ามา ไ, มมได้ถ่าหน้ <laughs> า ก, ก็จำได้เข้าไม่มากก็ไม่เป็นไรครับท่านโอเคนะท่านนะวันสักครับจอย อย่างปัทยาหน่อยเข่าค่ะไม่นอนแล้เหรอยังค่ะวิ่งเล่นอย่างนี้เลยค่ะยังไม่นอนเลยเดี๋ยวไปใส่มาตรค่ะก็วันนี้วันพระยังไม่ได้ไปน่าจะได้ไปวันศุกร์ค่ะวันสุกคนน้อยหน่อยวันนี้คนอาจจะเยอะหนึ่งันพรด้วยวันอยู่ด้วยใช่ค่ะวันวันพ่อใหม่ตอนทะเวันพ่อใหม่กันค่ะ ไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรนะมาที่ท่านตอบแม่มาที่คุณชลินก่อนคุณชลินคุณชลินอยู่ที่ไหนเอ่ยสวัสดีครับพายจางก็<ม>อยู่ที่วัทุนธา น, นีครับผมโอเคมีอะไรแม่วันนี้ก็เช้าที่แล้วที่พายจารงบอกว่าเลิกกาแฟได้ดีกว่าก็ตอนเช้าหลังจากวันนั้นก็กินกาแฟไปได้แก้วหนึ่งครับเพราะว่าแก้วนั้นเป็นแก้วที่ ใส่ผงกาแฟไว้แล้วก็เลยแบบไม่อยากทิ้งก็เลยดื่มไปหนึ่งแก้วแล้วถึงวันนี้ก็ยังไม่ได้กินกาแฟเลยครับน <ะ S 1> จนเลิกครับเชียอ์พายจางครับว่าถ้าเลิกได้ก็ดีกว่าอืมอาจจะเลือกคอยกังวันหามันมากินอยู่ได้ใช่ครับดื่มน้ําปล่าว่าดีมีประโยชน์กว่ า, าร่างกายต้องการน้ำเปล่านั้น เกิดเลื่องสมาธิก็ยังเข้าแม้แต่คณิกะก็ยังเข้าไม่ได้แต่ได้แต่เข้าถึงควาสมสงบครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นเคยเข้าคณิกะได้แล้วแต่ตอนนี้ยังก็งไม่เป็นไรทําไป่ได้แน่นี่นเป็นของที่เราเพีก็ไปบางคั้งไปไม่ได้มันอยู่ที่สติของเราครับการฝึกสตินี้ถ้าเราไม่เคลื่อนไหวสามารถฝึกได้หรือป่หาฝึกโดยการที่แบบ รู้ว่านี่คือหนังศีรษะรู้ว่านี่คือปารู้ว่านี่คือส่วนต่างๆของร่างกายในเด็กตอนที่เราทำสมาธิใช่ไหมใช่ครับหรือปั้นดูการสามีสองก็ได้ครับอ๋อครับผมของปอนเลปั้นหนั่นก็ได้อ๋อครับผมเพราะว่าเราถนัดแบบนี้ครับก็ฝึกให้มันใช่ครับสามีสองแทนดูลมแทนก็ได้แทนโทรได้ ครับผมก็เดี๋ยววันพุดหน้ามาส่งการบ้านใหม่คับโอเคดูเชื่อจิตจะสงบขึ้นไหมนะคระับผมขอบพระคุณท่น <Yeah. S 2> านด้วยคคุณสุภัตาจากเดลัสเท็กซขามีไฟหไหม้แถวบ้านาายอยใกล้บ้านแล้วครับนับมาสการศาร์อาจารย์เจ้าค่มังค้าลูกไม่ค่อยตามข่าวไม่ค่อยตามข่าวอยู่กับตารางที่ปฏิบัติเลยไม่ค่อย ตา ม, มข่าวจะดู เ, เฉพาะสาวเจ้าค่ะถ้าสามีไม่เล่าอะไรให้ฟังก็ก็คงไ ม, ไม่ค่อ ย, ยจะรู้อะไรเจ้าค่ะไม่เล่บ้านไม่สนใจเรื่องนอกบ้านอืม<ๆ>ก็ปฏิบัติตามตารางแล้วมันก็สนุกดีเจ้าค่ะก็ะเลยอยู่แบบนี้เจ้าค่ะดีดีมาก แต่ตกมาตายเสาวทิตย์จำเจ้าค่ะเพราะว่าเสาวทิตย์เวลาของครอบครัวแล้วก็เลยแต่ว่าพยายามอยู่กับสติอ่ะเจ้าค่ะแต่พอวันจันทร์มันก็เหมือนกับว่ามันจะยากนิดนึงดันขึ้นยากนิดนึงเจ้าค่ะแต่ก็แต่ก็ยังสนุกอยู่เจ้าค่ะสนุกกับการปฏิบัติตลอดเจ้าค่ะตอนนี้เจ้าค่ะลูกไม่มีคําถามเจ้าค่ะคุณพ่อก็ไม่มีคําถามเจ้าค่ะแล้วสังขารเป็นไงยังก็ก็ ก็พยายามเริ่มเริ่มเริ่มเริ่มหยุดเริ่มเห็นการหยุดดีขึ้นเจ้าค่ะดีขึ้นเจ้าค่ะมันมันรู้สึกว่ามันตัดได้ได้ได้ง่ายขึ้นเจ้าค่ะนะคะเราไปปรุงแต่งแล้วไหมก็รู้เฉยเไปก็พอใช่ไหมใช่ค่ะคุณเจ้าค่ะมันก็มันมั น, ม, นมันเปลี่ยนเรื่องสารพัดจะเปลี่ยนผม<อ>มันเลยเจ้าค่ะเปลี่ยนไปนู่นเปลี่ยนไปนี่เราก็ พอนั้นเราก็เออตัดตัดทีละตัดทีละเรื่องทีละเรื่องที่มันเข้ามาก็ตัดตัดตัดตัดเหมือนดูหนังไม่จบเรื่องเจ้าค่ะมันมาก็ตัดมาก็ตัดมาก็ตัดนะช่ต่อไปมันก็จะไม่มาถ้าเราตัดมันเรื่อยๆก็ค่ะมันเปลี่ยนเหมือนดังอนะคะเจ้าค่ะไม่จบจะกระเรื่องเจ้าค่ะไม่ยอมให้มันต่อเจ้าค่ะเจ้าค่ะก็ย่อกเจ้าค่ะกลับขอบพระคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะคุณว่าเล่นตัดว่าเล่นอย่ากคทธรม ถามแล้วมาตรการครับหลวงพ่อะไรจะถามว่าพิจารณาความตายยังไงให้แน่กับจิตนะครับมคิดอยู่ตลาดเวลาเลยเห็นเห็นใครก็หมดเห็นว่าตายเห็นเขาาตายเห็นเราก็ตายเวลามองหน้าเราได้่หน้าก็จะเพอาะว่นี้เดี๋ยวร่างกายที่เรียนมันก็ต้องตายทุกครัที่เราทําเกี่ยวกับกับร่างกายของเราเป็นของใครก็หมดเดี๋ยวมันก็ต้องตาย ที่ท่าน บ, บ, บ่อยๆทียเรื่อย ๆ, ๆให้มันติดไปนิสายเ<ๆ>่อยจนไม่เรีความตายผมชอบคิดอย่างนี้แล้วมันชอบขี้เกียจไปทํามาหากินอย่างนี้คิดผิดหรือเปล่าครับหลวงพ่อก็ไม่ผิดหรอกเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่าถ้ามันขี้เกียจจนกระทั่งต้องไปไม่ทำให้คนอื่นเขเด๋อดร้อนนิ่งอู่ดาวนนี้ก็ผิด ถ้าเราขี้เกียจเราสามารถเล่นดูตัวเราเองได้ก็ไม่เสียหายเท่าไหร่โอเคครับแล้วก็ก็ได้เรื่องนี้ก็จะโอเคขึ้นเพราะทุกวันผมคิดถึงความตายไว้กินใช้ชีวิตวันนี้เอว่าสุดท้ายเราจะทําอะไรบ้างไม่ถ้าเรามีโอกาสทําบุญแล้วเราไม่ทําเราตายไปก่อนเราจะเสียได้มากก็จะชอบคิดคำนองนี้ครับอทํผม็ันทําให้กับบางทีเราคิขี้ขิ้เกียจไปทําบุญแต่พอคิดว่าเออ คุบ a j รย์หรือเราจะตายไปวันนี้เราไปทําดีกว่าจะได้มีความ เ, เสียดายเพราะคาําว่าเสียดายมันรู้งี้คาําว่ารู้งี้ครับที่คนชอบพูดกันเอการคิดในความตายอีกเรื่องนึงเพื่อให้เราทำความดีครับก็อีกเรื่องหนึ่งอ่านธรรมะที่หลวงตาว่าเ อ, อคนเรามีสูงต่ํามากันเพราะว่าการที่ไม่รู้จักสูงต่ํามันเป็นกิเลสทีนี้ในโลกของ อุตสาหะคาาวะทางโลกเนี่ยครับคนเรามันมีขึ้นมีลงความสูงต่ํานี่มันคือคือตรงส่วนไหนครับหลวงพ่อ้วมันในหลายหลายอย่างที่ว่าความสูงต่ำคุณธรรมความรู้ความสามารถมันก็เป็นเครื่องวัดความาสูงความต่ำอย่างเรือฉาไม่ไม่ค่อยมีคุณธรรมเลยนะมันไม่มีความวัตเยื่อวัตเวที่มันไม่มีฉันมาคาราวะมันก็แบบนี้ ก็เป็นพวกเดราาัจฉานเลยแต่แบบพวกที่มีสมารละลัมีการปรัจจัยมีพระเทวเป็นพวกมนุษย์นี่มันเป็นพวกเทพอยู่ที่คุณธรรมอยู่ที่ความรู้รู้รู้เจ็ดอย่างมันเป็นเครื่องวัดความสมควรความต่างรู้แหงรู้ผลรู้ตนรู้บุคคลรู้สังคมรู้กาลเทศะรู้ประมาณ ควมไม่ออศึกษาหนึ่งคนที่รู้ยิ่งรู้รรสิ่งเหล่น<อ>ี้มากนะักนี่เป็นคนที่มีความรู้สึครับูอขอบคุณมากครับแล้วอีกคําถามหนึ่งครับคือทําบุญอย่างเช่นทําบุญถวายเพื่อเป็นพระราชกุศลมันของบุญผมเลยแต่ว่าบุญมันถวายอย่างนี้ได้หรือเปล่าได้หรือเปล่า ไ, ลไม่ได้หร อ, อ ไ, ม, ไรอมันเพงแต่เนการเป็นการเชื่อแต่ท่า น, นเองว่าเราทําบุญแล้วเราถวายได้ บานนีมันหมายถึงว่าเราปฏิบัติดูชาเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่เรานรือผู้นําของประเทศเขาก็อยากจะให้เราสุขให้เราเจริญทางทางคุณธรรมถ้าเราปฏิบัติคุณธรรมทำบุญทำกุศลก็ถือว่าเราต่อหน้าเจริญเก้าหน้าการกระทำของเราก็ถือว่าเป็นการดูชาตุคนที่เขามี oh. มีที่ ที่เราเป็นสิที่ครับที่เป็นสิทธิที่บูชาที่ดีที่สุดพระเจ้าลอกือบูชาด้วยการปฏิบัติด้วยการกระทําตัวเราให้เป็นคนดีไม่ไปสร้างปาัญหาให้กับสังคมในปฏิบัติบูบชาก็ก็ก็เข้าใจอย่างนั้นเพราะว่าบททําวัดเย็นก็บอกใครจักทากรรมใดไว้จักได้รับผล<อ>กรรมนั้นแต่แบไปไหวก็บอกถวายพระราชาุตรสนให้ศพ ใ, ให้ให้ให้ให้ ใ, ห ใ, หในหลวงอะไรแบบนี้ผมก็เอ๊ะ ก็เลยงยงอมันเงงเอ๊ะมันไม่ใช่โมโหทันรไม่มีเราไม่มีเงินมีมีอะไรเหมือนกับเงินดอกให้ท่านนก็ไม่รู้จะให้อะไรนอกจากให้ด้วยการบูชาในการปฏิบัติบูชาทำตัวร้ายเป็นคนดีฉันจะได้สบายใจบ้านนบ้านบ้านมันมีแต่คนดีมันศสียงสะอาดมันทำให้ท่านมีควารสุขสบายใจ เอคห็นไหมว่าแม่เราเห็นเราไปไปบวชไปปฏิบัติเขาก็มีความสุขถ้าก็เห็นเราไปกินเล้าเรายาต้องก็ไม่สบายใจเข้าใจไหมครับขอบครับเข้าใจครับเครียดแจ่มแจ้งมากเลยครับหลวงพ่อขอบคุณมากครับอเคไปที่คนคุณสัทว์ทนายคุณหมออยากขอทุ่มทานนี้ มาสักการท่านพระอาจารย์เจ้าค่ะวันวันนี้ไม่มีคําถามนะเจ้าค่ะแต่จะกราบเรียนท่านพระอาจารย์ว่าพรรษานี้ก็อธิษฐานในการปฏิบัติสมาธิแล้วก็ปฏิบัติสติกับสมาธิเจ้าค่ะอปฏิบัติยังไงนะกเป็นใช่เจ้ า, าพยายามปฏิบัติให้เพิ่มมากขึ้นเจ้าค่ะแล้วก็ในชีวิตระหว่างวันก็จะพยายามลดการมาฉันท์ัดลงเจ้าค่ะอ่าร่ารกายสิ รูเสียงเด็กนอนแนน้อยลัใช่จ้าค่ะอ่าเีค่ะเราะได้คำว่าให้มากขึ้นในคำว่ำาถือสินแบกให้มากขึ้อาจจะไม่ต้องถือสิน 8, แบกเขาก็ได้แต่ข้อข้อเจ็ดนี้เขาลดลงมาหน้อยลนนะยอ่าปกติที่อยู่ในระหว่างวันนี้อ่าสิลข้อที่สามก็ก บ, บริสุทธิ์นะเจ้าค่ะก็คื อ, คอปกติลูกก็จะแยกกันนอนกับแฟนอยู่แล้วจ้าค่ะลกอยู่ กับลูกแต่ไม่ได้มีปัญหากันเจ้าค่ ะ, อ, ะอเมตตาเจ้าค่ะแล้วก็ออกไปเที่ยวไปดูหนังฟังเพลงนี้ไม่เลยเจ้าค่ะโอเคค่ะเจะได้เจริญปัญญาเจริญสติสมาธิได้มากขึ้นเจ้าค่ะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในระหว่างวันมีสิ่งมากระทบะสัปดาห์ก่อนนี้ก็รู้สึกว่ามันไม่ได้กระทบเข้ามาที่ใจเจ้าค่ะอ่า มีลูกค้าเข้ามาโยวยวายเจ้าค่ะค่่ะก่อนถ้าก่อนที่ไม่ปฏิบัติถ้าลูกไม่ผิดลูกก็จะส่วนกลับทันทีพอปฏิบัติแล้วเมื่อก่อนถ้าลูกไม่ผิดลูกก็จะนิ่งแล้วรับฟังแล้วขอโทษแต่ใจมันจะกระวนกระวายอยู่เจ้าค่ะแล้วมาปัจจุบันมันไม่มีความรู้สึกกระทบกระเทือนถึงจิตใจเราเลยเจ้าค่ะแสดงว่ามีโอเบตขาเต็มที่เลยนะนี่เพิ่เกิดขึ้นเลยเจ้าค่ะรู้สึกว่าอยากทําทให้ได้กับทุกเรื่องจะพยายาม พยายามทำอย่างนี้กับทุกเรื่องต่อไปก็จะเป็นหยดนหน้าบนใบบัวไ ป, น, ไปนึกถึงคําของท่านพระอาจารย์อยู่เสม อ, อความโกรธเกิดจากความอยากเจ้าค่ะอืมดีดีมากดีใจด้วยทำ ต, ต่อไปนะขอบคุณาจเป็นท่สายไขอพระคุ ณ, คณท่านพระอาจารย์เป็นอย่างสูงนะเจ้าค่ะอ่าสาธุอ่าไปที่คุณเอ็นเคนเคนยินไหมเอเค ไปแปดเก้าไปเก้ายังไงล่ะได้ยินค่ะญี่ปุ่นอนที่ญี่ปุนโตเกียวค่ะค่ะไม่ยรอกอาจารย์ <c oughs> ยาวเลยพยายามค่นะปกตินอนประมาณตีหนึ่งตีสองร อ, ล, องลูกหลักค่ะแล้วก็จดมนแล้วก็นั่งสมาธิต่ อ, อค่ะมีช่วงสองสามวันมเมื่อเมื่อวานเนี่ยค่ะนั่งสมาธิแล้วจิตมันฟุ้งทํายังไงมันก็มันก็ฟุ้งนะค่ะพยายาม ตั้งสติพุทโธพุทโธมันก็ยังเอาไม่อยู่อ่ะค่ะก็เลยเลิกไปแล้วก็ลงนอนนะคะควรควรทํายังไงดีคะพระอาจารย์ก็ได้บางทีมันไม่ไหวต้อพักก่อนกะน่ะมันก็มีท้าบางท่าได้มากบางท่านชันไปมันจะนั่งชนะมันทุกครั้งอลอก็คือปล่อยให้ใจไปวุ่นวายคิดเรื่องราวต่างๆพอวันนั่งสมาธิมันก็มันก็ฟุ้งอ๋อ คือเข้าไปอ่านข่าวนิดหน่อยเราจะไม่่านข่าวไปพ่อครงกับคิดปุงแต่งอยากให้มันคิดปรุงแต่งให้รู้เฉยๆค่ะอ๋อหลังจากนี้อย่างสมมุติคืนเนี้ยควรจะนั่งสมาธิต่อดีหรือว่าเราดูได้เราถ้านั่งไม่ก็ถ้ถึงเวลานั่งก็นั่งไปนั่งไม่ได้ก็ฝึกสติต่อแทนก็ได้ฝึกสติลองลองดูได้ใช่ไมลองด้ถ้านั่งไม่ได้ก็ลุกขึ้นมาเดิน สติไปก่อนก็ได้ค่ะมีเท่านี้ค่ะพระอาจารย์ครับถึงมันตายม ต, ตายจากพระเทยียงน้อมกับนมรสการค่ะพระอาจารย์มีอะไรไหมวันนี้ไม่มีอะไรค่ะพระอาจารย์วันนี้วันพา้าเจอสิบแปดใช่ค่ะนร่าทำเตะทำทัน ค่ะก็ตั้งใจไว้ว่าพรนษานี้จะเข้าไปฝังคำที่น่ากติทุกพระอะ ค, ค่ะถ้าไม่ติดถ้าไม่ติดเห็นนะไม่ได้มีเห็นหมากใช่ค่ะดีโอเคไม่มีอะไรก็ไปที่ท่านต่อไปนะใช่ค่ะขอบคุณค่ะพร ะ, าะอาจารย์คุณหม อ, อคุณหมอเวรพันเชิญจากพิสูจน์โลกการรักษาการอาจารย์ครวันนี้ก็ <S <S มาดึกนะครับอ่าสี่ทุ่มนนี้ พอดีอรอลูเข้าบ้านครับผมลูกตอนนี้นะเรียนหนักเลยลูกปีสี่แล้วครับผมอาจารย์ขึ้นหมวดแลครับที่ที่ที่พิศนโลกก็มีหมาอะไรเรียนได้น<ม><ด>ครัหมาในทะเลยสวนครับ<ม>เรียนแค่ครับอันนี้อันนี้ก็เลยเรียนหนักแต่เมื่อกี้เขาไม่ได้เรียนครับไปข้าวกิ้งกีครับอาจารย์เลยลองไปิดปตูซ้อมเลยเป็นพ่อต้ําหัวนะหัวเขาเปิดเองไม่ได้ะ อ๋อพอดีเขาไม่ยักุญแจปัดตูวไปครับผมก็เลยก็เลยตั้งแต่รอเขาครับผมยังภาวนาอยู่ครับอาจารย์แต่ช่วงนี้ก็รู้สึกว่าการภาวนายังยังยังยังอยู่กับที่อยู่ครับอาจารย์ครับมันต้องขึ้นเขาว่างใีวันต้องขึ้นเขาอรับงถ้ามันต้องต้องงไป่สู้ปร์ชาร์จเลย ถ้ามันปฏิบัติธรรมดามธรรมด า, ม, ามันก็อยู่เท่ามันก็อยู่กับที่แสดงการให้มันก้าวหน้ามันต้องเพิ่มปริมาณการปฏิบัติให้มันเข้มข้นขึ้นนี่ได้หยุดได้หยุดสี่วันเดียาจะพยายามดูครับอาจารย์ครับเด็กจะตั้งใจทําสเกจดูอย่างที่อาจารย์บอกนะครับได้ไม่มีอะไรนะ ม, มีอะไรครับอาจารย์กลับคุณปุย้ยครับคุณปุย้ยป <c oughs> ุ้ยจากลักเซมเบิร์ก หายหน้าไปไม่ไหนการัสการค่ะพระาจาย์กานมัสการค่ะพระอาจารย์หายไปไหนหายไปไหนมากหายไปไหนมากก็ปฏิบัติธรรมแต่พอดีว่าเอทํางานค่ะเมื่อที่ที่แล้วได้ฟังพระอาจารย์ทุกเช้าเลยแล้วก็เวลาเสาร์อาทิตย์พระอาจารย์ออกหน้าสุติเทศเอยมก็ฟังค่ะยมตามตลอดจ้ะค่ะ แล้วยมก็ปฏิบัติทุกวันแต่บางช่วงเนี้ยคอยมขออนุ ญ, ญาตพระอาจารย์ให้ถือสีแปดทานมือเดียวท่านเนี้ยมันชอบหลับเวลาเป็นไรไม่ทราบค่ะเวลาสวดมนต์มันชอบนั่งหลับตอนเย็นนะหรือว่าจะร้อนมาก มันอยู่ที่ว่าเราทํางานด้วยหรือเปล่าทำงานที่มันต้องเหน่อยมันองหนักสงสัยค่ะ mm hmm. แต่ตอนเช้าโยมตื่นตั้งแต่เช้าเลยตื่น <Yeah. S 2> นั่งสมาธิแล้วก็ตื่นมาสวดมนต์อาจจะ น, นอนน้อยไปหน่อยด้วยทํากทำงานแบบนี้มันก็มีส่วนที่ทําให้อนอนหลับสงสัยอาจจะเป็นอย่างนั้นนะคะ mm hmm. แต่แต่โยมก็พอตอนเช้าเนี้ยโยมจะนั่งสมาธิได้ประมาณชั่วโมงชั่วโมง ก, กว่ากแล้วก็โยมก็สวดมนต์ ก็ทำธรรมดายมนิ่งเมื่อถามว่าเห็นอะไรไม่เห็นโลกเห็นสวรรค์อะไรยมไม่เคยเห็นกับเขาเลยกับนิ่งแต่มันนิ่งมันนิ่งแล้วมันไม่โกรธเวลาใครพูดอะไรแล้วมันจะไม่โกรธไปเลยมันจะแบบจะหยุดตึกก่อนและคือเรจะรู้นั่นแหะสิ่งที่เราต้องการหนาใจนิ่งเฉยผ่อวางใช่ค่ะแต่ยมเชื่อนะยมเชื่อว่าพุทธคุณที่ที่ยมทําเนี่ย ช่วยช่วยยมมากแล้วก็ช่วยเหลือลูกยกลูกชายยมด้วยยมก็เลยติดตามว่าอาจารย์ค่ะทำย่อมคงมคองพ็ปฏิบัติทําเสมอค่ะใช่ค่ะ<ม>ว่าอาจารย์สบายดีไหมก็เหมือนเดิมวันนั้นเห็นฝนตกเยอะมากเลยอ่ะเมื่อวันเสาร์อาทิตย์นะคะตามเดียวมาทัสิบยี่สิบนาทีนั่นสิบนค่ะ แล้วที่นี่ร้อนร้อนมากมากเลยคะ่ะยังไม่ยังไม่ไมหายร้อนเนีะยังค่ะเพิง่งเพิ่งจะเริ่มค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอหสี่สิบกว่าสี่สิบวันนะค ะ, คะการทำกลับ<น>ปรับใจทำใจให้อยู่ประมันี้ไปอย่าไปทุกข์กับ ไม่มีอะไรค่ะแค่แค่ว่ามาขอพรคะ่ะถ้าให้มาต้องงานแล้วไม่พอสักทีเลย อ, อ่มอมไม่พอเลยพรที่เขาท่าไหลก็ไม่พอนะให้ท่าไหลก็ไม่พออืเติมพลังไงค่ะอ่าขอให้เสร็บ ม, มากๆจะแล้วมากๆแข็งขาดปลอดภัยให้นำไปรวยสวยไม่สั่งบางไย่ลุย สาธีลับเ <Okay. S 2> ขอบอขาพระคุณคับพระอาจารย์ขอให้พระอาจารย์ทัดขันแข็งแรงสมบูรณ์นะค ะ, <า>คะถ้าเป็นได้ก็ดีถ้าขอได้ก็ดีขอวันนี้ขอเกิน ค, ค่ะบูาพามุกไม้ไปหยกได้ยินไหมนั่งขนหลังกันเนี่ยเดีย๋ยวไปที่ ก, ก่อนนะไปที่เดียวจากสเป เดี๋ยววันนี้เขาส่งข่าวมาว่าได้ทําบุญถวายมาแล้วนะได้รับคร<า><า>ับ <c oughs> อ่าเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวรอก่อนเมื่อกี้เมื่อกี้เรียกเขาไม่มาหายไปเลยเดี๋ยวกำลังคุยกับคุณเดียวอยู่เดี๋ยวรอตั้งก่อนครัวพูดต่อครับก็เลยจะแจ้งพอดีครับทําบุญครับเมื่อวันวันมาลิาวานาวันเมื่อวันก่อนวันเกิดครับผมเลยอ อ่มาึงวามสุมากสุภาพทีาน่อายุยืนยาวนานนะแค่ค่าตอบแทนสาธสาธุต่งชาสาธุกลับแลกขอเจ้าค่ะสบยดีนะสบายดีจาค่ะสงบเจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะตอนนี้เส้นบอกว่าเจ้าค่ะสงบแล้วก็เย็นแล้วก็แบบว่ามันมีความสุขมากกับความสงบจนแบบ มัน<ส>รู้สึกเย็นแล้วสงบแล้วแบบอยากจะบอกอยากจะบอกทุกคนถึงความสุขนี้นะคะหลวงพ่อจังเปความสุขที่จับจังวิธีได้จังวิธีทําใจทั้งบมดได้แล้วมันมันเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมันนะคะเจ้าค่ะหลวงพ่อเพราะว่าลูกแต่ว่าลูกจะพุทโธอยู่ตลอดนะคะเจริญสอยู่ตลอดเจริญสติสติอตลอดเวลาอยู่แล้วเจ้าค่ะหลวงพ่อตอนนี้ถึงแม้ลูก ไม่ได้นั่งลูกก็จะสงบสงบแล้วก็มันมันเย็นแบบมันอาจจะมีความอธิบายไม่รู้จดอธิบายมันเป็นคำพูดยังไงอะเจ้าคะ่ะมันเย็นมันสงบแบบอยากจะบอกอยากจะแบบแบ่งความสุขนี้ให้ทุกคนได้แบบได้รับรู้อย่างเงี้ยเจ้าคะ่ะหลวงพ่อต้องค่ะเจ้าค่ะแต่ของแบ่เขาอย่างนี้มันแบ่งให้ไม่ได้ต้องทํามันเอง ทุกเจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะไม่ชาบหลงจอได้ล้วเคสได้แล้วลแล้วใช่ไหมครับมีทางทีส่งเคมาด้วยน ะ, ะนนครับครับ<ๆ>โอเคขอบขอบขอบคุณหลวงพอ่อเจ้าค่ทำงานเกี่ยวกับฟุตบอลอหือเปลาทำครั บ, รบยังทำอยู <ทำ S 1> <ๆ>่ตอนนี้ยิดเทอมก็มีเวลาทำครับไม่ให้เสียเวลาเปล่าเปลืองใช้เวลาเกิดประโยชน์นะครับถึง หลวงพ่อบอกให้ปฏิบัติทำได้ค่ะให้ทํางานอย่างเดียวไม่ได้จ้ะค่ะไม่เป็นไรท่านนี้ก็ปล่อยให้ทำไปก่อนให้ทําด้วยสติก็แด้ค่ะให้มีสติอกอนงานที่เรัทำจะได้ไม่ผิดพลาดโอเคนะอ่าธุค่พขอขอบคุณหลวงพ่อจ้าค่ะกลับไปที่มุกใหม่มุกไหม่คําั้นอย่างมุกใหม่ผู้ฟังอายุน้ำตากงา่ะ หายได้ไปไหนมาหลายที่ไม่เจอเลยสอบครับเอาไปสอบมาแล้วอบกางภาคสอบเสร็จแล้วครับอบเสร็จแล้วทำอทการบ้านเสร็จหรือยังช่วงนี้ไม่ค่อยมีการบ้านนะจคะงไม่เสร็จค่ะก่อนนอนว้พระสวดมนต์ไมมา ทำค่ะสวนอิปีปิโสแบบว่ารับประกรรมสิบสี่จบค่ะทุกคืนค่ะ <c oughs> <c oughs> นั่งสมาธิั่งประะใช่ค่ะนั่งสมาธิกี่นาทีคะนั่งสมาธิสิบห้านาทีค่ะเอ๊สิบนาทีสิบนาทีโอเ ค, คแล้วก็ถามลุงตาว่าอะไรนะลุงถามลูงตาว่าวันเสาร์แม่ทำเนี้ค่ะ อ๋อผู้มีวันพานหลวตามมีเทศที่กุฏิไหมคะมีมีสี่วันเลยนะประหาดศึกษาที่หน่งสี่วันต้องต้องตรวจเอดีเคไหมคะไม่ไม่ไม่ต้องอาศัยหน้ากากใส่แมสกานั่งห่างกันหน่อยค่ะงั้นเราจะไปสี่วันเลยเหรอคะติดกันเลยใช่ไหมครับ่ายสองโมงทุกวันค่ะขอบคุณค่ะอธิการหลวงตากันเนาะจ้านะไปเจอกันถ้ามีโอกาสเข้ามานะะ ไปค่ะพรุ <I charge. S 1> yeah. ่งนี้ไปเลยค่ะโอเคนะครักษาสุขภาพนะคะรักษาสุขภาพให้เ okay. ร yeah. uh ียนเก่งๆกัทุกคนนะได้เก่งเก่งอค่ะเก่งดีเอาดีไม่เคยได้เก่ดีเกดีไม่เก่ค่ะสาธุค่ะขอบคุณค่ะการมาที่คุณเก่งบันเด็กอีกขั้นนึง ขเข้าออกไปห ล, ล า, า, <c oughs> กกายคราาั้นเลยอ๋อเกิดน้ำมัการอาจารย์วันกี้วันนี้ว่าเอ า, เอาไปเติมน้ํามันมาครับปกติปราาุงน้ำมันจะขึ้นครับอาจารย์แล้วก็มีเหตุที่เหมือนเราได้ใช้ธรรมะจริงๆครับอาจารย์รถสตาร์ทไม่ติดครับแบตหมดครับอืเราก็เหมือนแบบเราก็ดูเหมือนเออดูใจเราคราาับพอาจารย์แล้วก็รู้สึกว่า มันก็ไม่รู้สึกเราไม่ทุกกับมันครับรู้สึกเรานะก็โทรไปตามช่างอะไรมาดูอะไรอย่างเงี้ยครับนะปบนนทีที่แล้วก็ไม่เที่ยงไม่มีอะไรเที่ยใช่แล้วก็เหมือนเราก็คอยโบกรถที่มาต่อที่ไม่รู้เราก็ไม่อารู้สึกาอารมณ์ไม่ดีแต่ถ้าเป็นปีที่แล้วรู้สึกว่ามันจะร้อนหัวหัวหัวร้อน<ม>ต้องทะเลาะกับคอรเซนเตอร์แ น, น่ๆครับอาจารย์แตีนี้เราก็คุยปกติเออมันก็เป็นเรื่องธรรมดามันมีรถ มันก็เสื่อมสภาพได้แป๊บมีอะไรก็ต้องโทษกับสิ่งที่มีเสมอใช่ครับนึกถึงพะอาจารย์พูดเลยครับยิ่งเมื่อกี้ฟังพระอาจารย์เลยแบบเออเหมือนคําพูดที่พระอาจารย์สอนมันเตือนตัวเองครับครับอย่างนี้มันคืออย่างนี้ใช่ไหมครับเวลานึกถึงพระอาจารย์สิ่งที่พระอาจารย์สอนมันคือสัญญาถูกไหมครับสัญญาแต่เรามาใช้ดับทุกมันก็เป็นสัญญาขึ้นมาอ๋อครับ แต่ต่อไปเราก็จะจะจําได้เราก็จะไม่ลืมวิธีนี้มีนามมีทุกแล้วก็ใช้ปัญญามาอดับมันได้ครับอาจารย์รู้สึกมันมันชุ่มชื้นใจมันเหมือนเราฝึกแล้วมันก้าวหน้าขึ้นครับอาจารย์แต่ถ้าถึงเวลาทุกข์เราเลือกไม่ออกนี่ก็แสดงว่าความตืนสัญญาถครับถ้าจำได้มาบะใช้ดับทุกขใได้ก็เป็นปัญญา แถ่าถ้ายังยังมีความรสึกดอยู่ก็แสดงว่าสตยิยังไม่พอใช่ไหมพระอาจารย์อืมสติปัญญาเมื่อพอทั้งสติทั้งปัญญาครับแล้วก็เมื่อวันอาทิตย์ก็มีไปฝึกเอกรรมฐานน้ําชานะครับแล้วก็เดินจงกรมกับทีมนาถมาครับก็รู้สึกว่าการเดินจงกรมก็ทําให้จิตมันสงบเร็วความพุ่งมันแบบมันเหมือนมันช่วยให้สงบเร็วขึ้นนะครับพะอาจารย์เปนการชนะสติ งาการสติครับแล้วคุณหมอที่สอนเขาก็บอกว่าเหมือนรัสึกสติสึกสมาธิมันควรคู่กับวิริยะก็คืออยู่กับกายด้วยอันนี้ถูกต้องเลยใช่ไหมครับอาจารย์เอ่อความใจวิริยะนั้นแปลว่าความเพียรครับจะอยู่กับกายก็ได้พยู่กับพุทโธก็ได้นะแต่เราจะไม่อรัอ๋ครับเขาว่าปา้าผมจะมีอาการเหมือนคุณคิดเยอะฟุ้งเขาก็เลยแนะนําว่าให้เดินจงกรมก่อนเพื่ อ, อ เหมือนได้ใช้ไปวิ่งเนาะใช่ครับก็เลยได้รือฟื้นอการโดยตรงกรมที่เคยไปฝึกกับผมข้อจรันมาครับที่เดินหนอก้าวหนอในตอนนั้นฝึกคือตอนนั้นฝึกรู้สึกว่ามันไม่ยังไม่ถึงเวลา嘛ครับรู้สึกมันฝึกแล้วว่ามันไม่เข้าใจครับแต่ตอนนี้รู้สึกครับแต่ตอนนี้รู้สึกว่ามันพอนั่งด้วยเดิฝึกด้วยแล้วไม่ว่าจะไปทํางานเดินซึ่ง BTS เราก็จะ มีสติแล้วก็จะนับทุก้าวเลยทุก้าวแล้นขึ้นบันไดก็มีสติเอาข้ามข้าวเลยใช่ครับอาจารย์เห็นมดก็ยังหลบมดได้ไงก็เลยดีหรือคือก็เอเราก็จะปึิดไปเรื่อยๆครับอาจารย์ครับแล้วมีคําถามหนึ่งคำถามว่าอาจารย์ประดิษฐ์ได้ดูคลิปของหลวงตาบัวครับบางทีที่แบบพระป่าช่วยชาตินะครับที่มีช่วยเรื่องทองช่วยชาติใช่ไหมครับอแล้วท่านก็จะบอกว่าพอใจพอใจ อันเนี้ยไม่แน่ใจผมยังสงสัยว่าความหมายของคำว่าไม่พอใจที่ท่านพูดที่หมายความว่ายังไรครับอาจารย์คือท่านก็ไม่ได้สุขท่านไม่ได้ทุกข์ท่านก็ไม่ได้ดีใจไม่ได้เสียใจไม่มากไม่น้อยไม่ใจญ่ไม่เล็กพูดพอใจคือพอใจมันท่านพอใจนะครับครับอ๋อก็คือท่านท่านคือพูดให้กําลังใจโยมที่มาถวายใช่ไหมครับ มันใจของท่านเองไม่เลยดีใจกับการให้อของญานิโยมเพราะทัานไม่ได้เอาไปใช้อะไกับตัวของท่านเองก็ยกให้กับประเทศทั้งหมดให้ข้างหนุ่ไปครับแต่ท่านก็พูดว่าพอใจพอใจอ๋อครับพอใจท่านพอไงท่าพออยู่ตลอดเวลาท่านก็บอกว่าพอใจพอใจใจท่านไม่หิวไม่หงุดหงิดอะไรอ๋อครับแล้วก็เออ แล้วเหมือนผมไม่ออกเลิตพอใจพอใจเออเดี๋ยวเดีวไว้นึกออกเดี๋ยวผมค่อยถามอีกทีก็ได้ครับเจ้าพระเจ้ายจะมีเวลาอาจารย์เมื่อกี้นึกไม่ออกครับ <Yeah. S 2> เราหมดคำถามข้อนี้ก่อนครับอาจ า, <Okay. S 2> ารย์โอเคครับเป็นธรรมะการครับอาจารย์เกษตรกรสุดท้ายคือค น, นสมชายนะคุณสมชายจากเป็นซูเรเนีย USA ม า, ม, ามีอะไรไหมอ่ากล่าวท่านพจารย์ครับผมมารายงานโฮมเวิร์กครับมารายงานให้ใหท่านเ<ห>รื่องโคงการบ้านบ้านครับอ่าผมทําผิดไปสองอย่างเพราะว่ากินอาหารเย็นสองครั้งในที่ผ่านมาสองวันทีเนี่ยเพราะว่ามันมันอุบัติเหตง่าผมก็ลืมไปพอเห็นเขาทำครั บ, รบแล้วก็การที่ไม่โกรธนี้ ดีที่สุดครับเพราะว่าการทํางานนี้ถ้าตอนทําผิดนี้อาจจะทํานั่นแต่ว่าผมก็ผมก็ตั้งใจแล้วไม่ไม่ได้โกหกท่านบอกว่าผมเป็นคนทําผิดเพราะว่าหัวคิดไม่ได้อยู่กับตัวเองคือท่านบอกว่าตอนเช้าต้องออาพอพุธมาใส่แล้วก็ ผมก็บอกท่านพบก็บอกมานาอย่างที่อาท่านผมก็เลยแล้วก็ทุกอย่างก็ก็ดีครับก็เลยการที่ไม่โกรดนี้ดีที่สุดผมว่าเป็นการคุ้ดาที่ดีที่สุดครับแล้วก็นี่รายงานให้ท่านไทราบครับหลังจากนั้นเรื่องเรื่องเรื่องนั่นอื่นอย่างอื่นก็ก็ปลอดไปได้ดีครับขอบคุณครับ ทำต่อไปนะทำให้มากขึ้นนะครับโอเคันนี้ไปที่ทางเฟซบุ๊กนะครับเป็นมือยวท่านันมีคำถามจากทาง Facebook และยูทูบทั้งหมด17คำถามค่ะ ค, ค, ำคำถามแรกเป็นคำถามฝากถามจากคุณที่มา คุณแม่ของหนูแสดงกริยาไม่ดีกับปู่ย่าเวลาอยู่รับหลังคุณพ่อทำให้หนูรู้สึกไม่ดีกับคุณแม่หนูพยายามคิดว่าอันนั้นเป็นเรื่องของกรรมของคุณแม่แต่หนูรู้สึกเห็นอกเห็นใจปู่ย่ามากๆและรู้สึกไม่ดีกับคุณแม่หนูพยายามคิดว่าคุณแม่มีบุญคุณกับหนูมาก แต่อีกใจหนึ่งก็อดนึกถึงเรื่องนี้ไม่ได้หนูควรปรับใจอย่างไรคะก็ปรับใจมันเป็นเรื่องที่มันไม่ได้อยู่ในวิสัยของเราที่เราจะไปควบคุมบางคบได้ใครจะทําอะไรดีเชื่อกรรมเป็นเรื่องของเขาเจ้าบอกว่าใครทําการใดว่าเขาจะต้องเป็นผู้รับผลของคำนั้นไปคําถามต่อไปจากคุณกันแก้วสาทุกค่ะอยากทราบว่า เวลานั่งยืนเดินสมาธิทําไมง่วงทุกครั้งและบางครั้งก็ฟุ้งซ่านคิดตลอดเวลาค่ะกลับนมัสการสอบถามค่ะเพราะว่าส่วนหนึ่งการจะเป็นเพราะรับประทานอาหารมากเกินไปสองไม่เจริญสติอย่างต่อเนื่องสองอย่างนี้ถ้ามีสติอย่างต่อเนื่อมันจะเป็นตัวแล้วก็ถ้ากินอาหารนอกระบะมันมน้องแค่วันละเมื่อเดืนนี้มันจะรู้สึกบาง่างไม่ค่อยอง่วง คำถามต่อไปจากคุณ The Morningstar กราบเรนสอบถามค่ะการทำงานทางโลกทำให้เราสำรวมอินรีไม่ค่อยได้ดีต้องมองนั่นมองนี่คิดเรื่องงานต่างๆเป็นผลให้การภาวนาไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร ดังนั้นจึงต้องปลีกวิเวกเพื่อเลี่ยงการกระทบทวารต่างๆที่ไม่จำเป็นทำให้สามารถทุ่มเทเฝ้าดูทวารใจได้เต็มที่ถูกต้องไหมคะถูกต้องคนที่ทงานจะปฏิบัติให้ก้าวหน้ารวดเร็ ว, น, วนี่ก็ต้องไปปลีกวิเวกมีเวลาปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนคำถามต่อเนื่องคนที่ไปปฏิบัติในป่าช้า และที่น่ากลัวเพื่อหนึ่งต้องการพิสูจน์ว่าตัวเองเป็นพระโสดาบันคือละวางร่างกายได้ไม่กลัวตายเพราะเวลาอยู่บ้านภาวนาได้สบายสบายไม่มีทุกข์ไม่เจ็บปวดเลยเข้าใจผิดคิดว่าตัวเองเป็นโสดาบันแล้ว 2. กลับต้องการสร้างสภาวะ เพื่อให้เกิดความกลัวจะได้เราให้เกิดความเพียรอย่างแรงกล้าในการภาวนาไม่งั้นจะสติแตกแบบนี้ถูกต้องไหมคะก็การมาอยู่ปราชา์ก็เพื่อที่จะให้มันไปก็ต้นความกลัวที่มีในใจเราให้มันเกิดขึ้นแล้วเราจะได้หาธรรมะคือสตินิพัญญามามาดับมันแต่ไม่มีใครมานั่งคิดว่าจะไปเป็นสอนามันปฏิบัติไม่ค่อยสนใจเรื่อง สมมว่ามัเนเรอะไรสนใจแต่ตัวทุกข์ที่มีในใจเท่านี้ทุกข์ที่เกิดจากความกลัวกลัวตายทุกข์ที่เกิดจากความกลัวเจ็บนี่นี่เป็นองค์การที่จะไปแก้แต่จะเป็นเมื่อไม่เป็นมันเป็นเนแต่ชื่อนั้นในข้นตอนนี้รู้จักชื่อแต่รู้จักตัวก็ไม่มีประโยชน์เนี่ยเป้าหมายของการปฏิบัติก็คือลนะความกลัวสาเหตุที่เกิดจากการไปยึดไปติดกับขันธ์ห้า วนนี้ไปติดกับลูกพนาสัญญาสังคาว่าเป็นตัวเราของเราาต้องต้องปล่อยวางมันไม่ใช่ตัวเราของเรามันเกิดดับไปตามธรรมชาติของมันคำถามต่อเนื่องคือไม่ทราบว่านอกจากนี้มีเหตุผลอย่างอื่นอีกไหมคะเช่นต้องการความวิเวทซึ่งสมัยนี้ถ้าไปหาเช่าที่พักที่เงียบ ไม่เสียงดังก็น่าจะได้วิเวทไม่ทราบว่าการเจริญสติในป่ากับการไปห้องเช่าในเมืองที่เงียบจะได้ผลต่อการภาวนาต่างกันไหมคะก็ต่างกันแน่นอนในป่านี่มันสงบกว่าเยอะบรรยากาศ ม, มันเยี่ยมกว่าเยอะแล้วก็มีมีเสียงร้องที่กระต้องให้มีสติมากขึ้นเลยคำถามต่อเนื่องค่ะ หนูไม่ได้อยู่บ้านแต่ออกมาอยู่ภาวนาคนเดียวทำงานไปด้วยแต่ที่พักอยู่กลางเมืองมีเสียงดังทำให้รู้สึกกังวลและไม่มั่นใจว่าจะภาวนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลานั่งสมาธิจะเกิดความก้าวหน้าได้หรือไม่คะกลับขอบพระคุณค่ะก็ลองทำดูสิมันก็อยู่ที่ความพยายามของเราอยู่ที่สติของเรา คำถามต่อไปจากน้องลินลินสอบถามเจ้าคะ่ะพรุ่งนี้ตั้งใจบวชใจเจ้าค่ะถือศีลแปดฝึกทดลองงดอาหารได้ไหมเจ้าค่ะใช่คำถามต่อเนื่องคะ่ะหยุดห้าวันสามารถทดลองได้กี่วันเจ้าค่ะครั้งที่แล้วสี่สิบชั่วโมงเพราะนั่งสมาธิบ่อยเจ้าค่ะทั้งก่อนนอนและตื่นนอนรอบนี้ทดลองได้ไหมเจ้าค่ะ ได้กี่วันก็ได้กี่เที่ยวมลก็ได้นะแต่เราจะพอใจคำถามต่อไปจากคุณวาสนาะกราบขอโอกาสเรียนถามพระอาจารย์ครับบุญจากการสวดมนต์อุทิศให้ผู้ตายได้ไหมครับก็ท <s> ่าที่พระพุทธเจ้าส่งสอนท่านให้อุทิศในการทํามูลทาทานนะวพามันเกิด ท, ทันทีผลเกิดขึ้นทันที ว่าเราทำบุญปั๊บมีผลเกิดขึ้นแต่ทำอย่างอื่นมีผลมันยังไม่เกิดมันเป็นเหมกับก า, การสร้างสร้างรักษาศีลไปมันก็ยังต้องยกบุคลาญ ย, ยังเม่ง่ายศีลตลอดเวลาเนื่องสมาธิจิตก็ยังไม่สมบงบมันก็เลยพระจเห็นว่าการที่ยังทิ้งบุญทันทีทันท่วงทีก็ทําด้วยการด้วยการด้วยการทำทานียทํานบุญ คำถามต่อไปจากคุณอรนิชากราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าคะ่ะขอกราบเรียนถามพระอาจารย์โยมเห็นเหรียญหรือธนบัตรตกอยู่ตรงทางเดินไม่ทราบว่าเป็นของผู้ใดมีคนเดินข้ามไปมาโยมคิดว่าถ้าหยิบมาแล้วเอาไปใส่กล่องทาบุญจะบาปไหมคะแต่ที่เห็นล่าสุดยังไม่หยิบเจ้าคะ่ะ เกรงว่าจะผิดศีลอยากเรียนถามพระอาจารย์ก่อนเจ้าคะ่ะกราบสาธุเจ้าคะ่ะเมืันก็ผิดศีลข้อสามนั่นเพราะเราไปทราบของผู้อื่นได้ค่ะแม่นี่ยากแต่เราก็าไปทําบุญมันก็เลยได้ทั้งบุญได้ทั้งบาปคาถามต่อไปจากน้องหลินหลินคะ่ะสอบถามเจ้าคะ่ะก่อนหน้านี้หนูเข้าใจผิดเองเจ้าคะ่ะ คนที่นั่งสมาธิคอตกคิดว่าหลับในวันนี้หนูนั่งสมาธิในรถเม์คอตกคะ่ะรู้ตัวเจ้าคะ่ะไม่ตั้งคอปล่อยร่างกายแต่ก็พร้อมลงรถเม์ตรงป้ายเจ้าค่ะหนูต้องฝึกจุดไหนต่อเจ้าคะก็ฝึกให้ให้คอตรงใยกับคอพับเนี่ยมนเดี๋ยวถ้านั่งคอพับบ่อยๆกลัไปมันจะ <c oughs> มันจะตั้งคอไม่ได้มีท่าอยู่ร่วมหนึ่งข่านนั่งสลาธิคอครับในที่ท่านเดินหน้ามันต้องขอบครับค อ, อท่านตั้งตรงๆไม่ได้นะ <c oughs> การเป็นปัญหาขึ้นมาได้ต่อสตีรร่างกายยินงนั่งพยายามนั่งให้ใ ห, ให้ให้ขอตั้งาธรรมดา <c oughs> อยังปล่อยให้มันพับพับนานๆแล้วมันจะเอาไปมันจะตั้งตรงไม่ได้มันจะเจ็บเนะี่ย มาดูเพราะว่ามันถูกถึง ก, การพักดังนั้นย่อมคำถามต่อไปจากคุณมาลัยหนูภาวนาพุโทโธจนจิตรวมเป็นสมาธิและจิตอยู่เหนือเวทนาได้ทุกครั้งเวลาออกจากสมาธิจิตก็มีแต่พุโทโธโดยไม่ต้องกำหนดหนูต้องทำอะไรต่อคะก็พิจารณาทางัญญานะพิจารณาใจนะเวลาอะไรมากระทบใจ มาสร้างความทุกขให้กับใจกับพิจารณาไกลลัคน์ไปคำถามต่อไปจากคุณพสุนันท์สอบถานพระอาจารย์ค่ะเวลารู้สึกตัวทั่วพร้อมกับรู้สึกจากการคิดจะสังเกตต่างกันอย่างไรคะไม่รู้นะความคิดก็เรื่องของความคิดสติก็เรื่องของสติมันคนละตัวกัน คำถามต่อไปจากคุณมลทิรากราบพระอาจารย์ค่ะยอมยอมขอโอกาสพูดถึงสภาวะและการดำเนินต่อค่ะยอมเกิดความเข้าใจขึ้นมาว่าเราคือกิเลสการภาวนาคือฝึกละฝึกทิ้งตัวตนแล้วหลังจากวันนั้นจิตยอมเฝ้าตามดูเบื้องหลังดูอาการดูอัตตาของการใช้ชีวิตต่างๆจนมาถึงหลายวันนี้ โยมสังเกตว่าทุกครั้งที่โยมเผลอไปคิดจิตจะบีบคั้นแน่นหน้าอกมึนทุกครั้งจนโยมต้องกลับมารู้สึกที่ลมสักพักใหญ่ถึงหายไปเสมือนเตือนโยมค่ะแบบนี้โยมภาวนามาถูกไหมเจ้าคะถ้ากลับมาดูลมได้ก็ถูกอให้มีสติอยู่กับอารณ์ดอารมณ์นึ่างตลอดเวลา คำถามต่อเนื่องค่ะโยมมาอยู่กับลมแล้วเบาไม่คิดไม่นึกมีแวบแวบเห็นว่าตัวเราไม่มีแบบนี้โยมจะติดว่างหรือเปล่าเจ้าคะาไม่ติดเราเพราะว่าเราต้องอาศัยความว่างนี่เป็นเป็นที่ให้ความสุขกับเราเป็นความสุขที่แม่มีพลกมีภยัยเหมือนกับรูปเสียงกลิก่นรดต่าง คำถามต่อไปจากสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าธรรมะกล่าบนมัศ ก, การสอบถามเจ้าค่ะความคิดชอบคิดว่าเราต้องตายคนรอบข้างก็ต้องตายตัวตนก็ไม่ใช่ของเราร่างกายต้องแก่ไม่สวยไม่งามถ้าไม่ทำงานความคิดจะขึ้นมาแบบนี้ทุกครั้งเจ้าค่ะขอให้พระอาจารย์ช่วยแนะนำเจ้าค่ะ ถ้าคิดแล้วใจสงบก็ใช้ได้แต่ถ้าคิดแล้วใจหดหูก็ถือว่ายัางไม่ไม่พร้อมที่จะคิดแบบนี้ต้องระวังดูงว่าคิดแล้วทําให้ใจเราเย็นน้อมสงบเราไม่อยากไม่มีความอยากหน้าอยา่างไม่อยากเป็นอะไรอันนี้ก็เป็นเป็นธรรมแต่ถ้าคิดแล้วเสร็จหดหูใจไม่สบายใจอย่างนี้ก็อย่าพึ่งคิดคําถามต่อไปจากคุณประวิท กลับในมรดการพระอาจารย์การพิจารณาร่างกายตั้งแต่ปลายเท้าไปถึงเส้นผมความหมายคืออะไรครับก็าการอากายนี้อาการ32นะเร า, าก็เริ่มตั้งแต่ตั้งแต่ปลายเท้าขึ้นมาก็ได้เริ่มจากศีรษะลงไปก็ได้ส่วนใหญ่ท่านจะให้เริ่มจากศีรษะลงไปนึง เ, เกสารลมาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกัน ก็เด้ไปสานสิบสองอาการเพื่อจะได้รู้จักรู้ว่าร่างกายของเรานี่มีรูปร่างหน้าตายอยจริงมันไม่มีแต่เฉพาะหน้าที่เราเห็นนั่นนะมันมีส่วนอื่นที่เรามองไม่เห็นเพราถูกเน้องุ้มก่อยเวลาจะได้ไม่หลงไหลว่ามันเป็นสิ่งที่สวยงามคำถามต่อไปจากคุณ The Multiversal Unity คำถามครับกราบนมัสการพระอรหันต์มีกี่อารมณ์ครับ พรนอาจารย์ก็ท่านก็มีตามปักเกนิยท่านไม่มีเกียลมไม่รู้มือนกั น, ห, ก น, นหลายครั้ว่าพระอาจารย์มีเกียลมีพระอาจารย์ถ้าไม่มีอารมณ์ท่านไม่มีอารมณ์กับอะไรถ้าไม่มีความน่ชาชังกลัวลมคงถามต่อไปจากคุณปียนันถามค่ะเวลานั่งสมาธิแล้วถึงจุดสงบไม่มีลมหายใจจะไปต่ออย่างไรคะไม่ต้อต่อเราก็หยู่มั้นก็ดูไปดู ดูดูต่อไปอน่ดูทีเ่เราดูที่ปลาจมุกก็ดูอยู่ตรงนั้นดูว่าตอนนี้ไม่มีรงดูความว่างไปแล้วค่อยค่อยค่อยสังเกตด้วว่าเราคิดปรุงแต่งหรือเปล่าถ้าคิดปรุงแต่งก็ต้องหยุดมันไว้ให้มันคิดคำถามต่อไปจากคุณเชอรี่กราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะพิธีกรรมในปัจจุบันนี้ เช่นการจัดพิธีงานศพเผาวันนั้นดีวันนี้ไม่ดีอุททิศทรัพย์สินตอนที่ผู้ตายยังมีชีวิตอยู่ให้อย่างแก้วแหวนเงินทองข้าวของเครื่องใช้ต่างๆแม้นกระทั่งรถที่ดินเมื่อใกล้ตายเตรียมเสื้อผ้ากับเงินไว้ใกล้ๆตัวผู้ป่วย อย่างนี้ถือว่าบิดเบือนต่อคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือเปล่าเจ้าคะแล้วแนวทางที่ถูกต้องควรเป็นอย่างไรเจ้าคะก็ไม่าราถว่าก็ทำไปเพื่ออะไรร่างกายเวลาตายเข้าไปเผาแล้วนี้เหมือนจะต้องเตรียมตัวอะไรไม่มากมายคำถามต่อไปจากคุณสุพันน้อมถามเจ้าคะ่ะเวลานอนหลับ จิตเราพักด้วยหรือไม่เจ้าคะส่วนใหญ่จะไม่พักนะเพราะว่ามันจะฝันต่อการฝันก็เป็นการทํางานของจิตเนี่ยคำถามสุดท้ายจากคุณปียนันท์ถามค่ะว่าเมื่อจิตสงบแล้ววิปัสสนาต่อคืออะไรคะอ๋อยังไม่ต่อ ว, วิปัสสนาต้องร้อยให้ออกจากสมาธิก่อนเวลาจิตสงบก็รักษาความสงบให้มันสงบไป น, นาน อยไปทําอะไรเราให้จิตถอนออกจากสมาธิก่อนแล้วพ อ, อ, พอล แ, แล้วไม่สอบพอแล้วคิดปุ่แตกก็เอาความคิดปุ่มแตกมาคิดทางปัญญาคิดทางใจรับตอบไปหมดแล้วใช่ไหมถามหมดแล้วเจ้าค่ะโอเคมีใครอยากจะถามอีกไหมถ้ามีก็ย้งหนุขึ้นใหม่คิตบัณฑิตครับคิดเปบัณฑิตมากมา ครับทีนึนกออกเลยคำถามออกนะครับพอดีว่าคนใกล้ตัวครับเขาเคยเหมือนปรามาสขอพระหลวงตะบัวครับอย่างนี้ครับไม่ทราบว่ากรรมจะหนักมากน้อยอยังไงครับอาจารย์ไม่หนักหรอกก็เพียงแต่ว่าถ้าเราปรามาท่า น, ก, นาก็ไม่ถือว่าท่านจะเป็นอาจารย์เราได้อ่นนี้ไม่เข้าแล้วท่านนี้ออกก็คืออ่าแล้วอย่างนี้การที่คนไปปรามาคนธรรมดากับพระอรหันต์เนี่ย เขาเหมือนเขาได้ผลกรรมเท่าๆกันหรือต่างกันครับอาจารย์ก็แสดงว่าเราไม่ไปยุ่งกับเขาท่านเองโอ้ถ้าไปปลามาสกับป้าหันเราก็ไม่ไปยุ่งกับท่านเราก็จะไม่ได้เรียนรู้ธรรมะจากท่านครับครับแล้วก็ปิดโอกาสโอกาสที่เราจะไปที่ทางก็อาจจะไม่มีถ้าเกิดมีป้าหันอยู่วงเดียวแล้วเราไปปลามาสท่านเราไม่ไปเรียนรู้จากท่านเพราะว่าผมก็ฟังว่าผู้เบิกขาไปว่าเออ พูดไปเดี๋ยวก็ทะเลาะมันก็เลยก็แล้วแกเข า, เขามันเขาไม่เชื่อว่าท่านเป็นเป็นพระที่มีคุณธรรมสูงกลับไปคิดว่าท่านเป็นพระเห็นสวยี้ก็ช่วยไม่ได้ท่นั้นเขาอาจจะเห็นว่าพาระหลวงตะ บ, บัวท่านแบบผููจ า, ผผาพงทากงพระป่าสายผผานิ้งพงทางวันนี้มีเยอะหลวงพู่ตื้อใช่ไหมครับเลวงพู่ตื้ อ, องพู่ออเจ๊ยบเนี่ยมึงมาทำไมวะ แต่จิต ท, ท่านไม่ได้เอาถูกไหมครับเพราะจิต ท, <โด S 1> ท่านตัวเอก็อมันเป็นภาษาของท่าน่ะท่านโตมากับภาษานีน้ท่านนก็จะใช้ภาษานี้ตอบเลยนะไอ้ยังอ้ยังเป็นวิธีการกรองลูกศิษย์ด้วยารักกันจริงก็ไม่ถือสาหรอกคำพูดเล็กๆน้อยๆอย่างนี้ถ้าศรัทธาจริงรักกันจริงท่านจะทดสอบศรัทธาเรามากกว่าท่านจะ เการที่ท่านถือขวานี่มีกุศโลบายอะไรไหมครับพระอาจารย์อ๋อท่านไม่มีอะไรถ้าทําท่านชอบทําขวานทํำมีดไปฆ่าเวลาไปอ๋อครับพระอาจารย์ใช่ครับเพราะท่านนัจะไม่เก่งถนัดจะไม่เก่งในแสดงธรรมเทศนาสอนคนท่านก็เลยเอาแล้วว่ามาทำมีดทาขวานทาอะไรไป ปอยให้คนที่พูดเก่งแสดงทําเก่งแสดงไปอย่างน้องตามมาครับท่านก็ไปทําพวกมีดพวกควานท่านก็ออกเงินสั่ ง, ง ส, สอนพระญาญยมไปอันนี้แล้วแต่อัจฉริยะสายไม่มีใครบังคับฟ้าอาหารฟ้าหาไม่มีไม่มีหน้าที่ยต้องทําอีกแล้วถ้าจะทําก็ต้องแต่ความถนัดความพอใจของท่านแล้วแต่ท่านเมตตาใช่ไหมครับแล้วแต่ท่านเนี่ย ไมตตาด้วยแลท่านถนัดด้วยหรือเปล่าถ้าท่านไม่ถนัดท่านท่านจะทำอะไไม่ได้ท่านสอยก็สอนแบบนี้อย่างที่สอนเนี่ยแบบห ย, ยาบๆไม่ไม่ละเอียดไม่ละออนไม่กว้างขวางครับครับขอบคุณมากครับอาจารย์สาธุสาธครับอาจารย์ให้มีการเปิดเฟซ e b ๊กขึ้นมาอีกครอ่าประมาต่อ มีคำถามจากทาง f เฟซบ o ๊กเข้ามาส่งคำถามเจ้าคะ่ะคำถามแรกจากคุณนาวอศีมถ้ารักษาได้หยากอยู่จะรักษาให้ละเอียดขึ้นได้อย่างไรเจ้าคะ่ะอ่าก็ต้องหยาบให้มันขาดไปเลยที่มันหยากเพราะมันยังขาดอยู่อย่งังยังขาดอ ย, าอย่างเมื่อกี้ที่มีคนน่าฟังเลยไปกินข้าวสองวันนะจนลชายาก็ต้องรักษาไม่ให้มันขาด คำถามต่อไปจากคุณธนเดชกราบนมัสการพระอาจารย์เราให้อาหารสัตว์จรจัดแต่คนอื่นไม่ชอบเราควรทําอย่างไรดีครับก็ไม่ใช่เรื่องของเขาอ่ะเราทําอะไรเราไม่ได้ไปทําให้เขาเสียหายเดียวนแล้วก็ทําขอกเราไปถ้าทำแล้วเองคำถามหมดแล้วเจ้าค่ะมีบาริศครับบาริศยกมือครับครับ ขออีกนิดนึ่งครับหลวงพอ่อการการอยู่ร่วมในสังคมสังเกตหลายอย่างมันคนเรามันไม่ค่อยมีความสัดความจริงเหมือนปากพูดดีแต่ใจก็คิดไม่ตรงไปตรงมาควรใช้ธรรมะข้อใดในการอยู่ร่วมกับอะไรพวกนี้ครับก็คนละก็เหมือนผลไม้ผลไม้ดีก็มีผลไม้ไม่น่าก็มีนะแล้วก็เรือามแต่ผลไม้ดีเนี่ยนเวลาเราไปเก็บผลไม้ผลไม้เน่าเราก็มไม่เก็บ คนย่งเหมือกันครคนดีก็มีคนไม่ค่อยดีก็มีคนไม่ค่อยดีนะาก็ไม่ไปยุ่งเขาแล้วนี่พระาจารอกาอย่าคบคนพาลคบคนดกคบคนดีอย่าคบคนไม่ดีครับเออแบบคำพูดปรารถนาดีแต่ข้างในแอบแทงเรานิเจ็บแนมแทงเราหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วแต่เขามันนธรรมชาติของเขามันเหมือนมันมันผลไมสวยข้างนอกแต่เปรี้ยวข้างในก็ได้นะ แต่เราอย่าเป็นแบบเขาคนคนที่คนที่มีธรรมะจะมีความสัต์ความจริงในจิตใจใช่ไหมครับแบบเอมจะมันก็มีสงไงก็มีสีเนี่ยสัจจะก็ไม่โกสัจจะรวมไปถึงการกระทํำด้วยใช่ไหมครับหลวงพ่อแบบทำอะไรตรงไปตรงมาตามกฎตามระเบียบตามอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับก็ใช่ก็สัจจะกฎระเบียบตางการก็เป็น สิ่งที่เราต้องถ้าเราเราเราเราอยากจะปฏิบัติให้ถูกมันก็ต้องทำตามผมงนั้นให้ให้มองคนเป็นผลไม้แล้วให้เลือกเาอาโอเคครับขอบพระคุณมากครับผมก็ใช่ครับนะผมเห็นคุณศิรวิทย์นะครับศิรวิทย์เปิดหน้าจอ ยดขลน่สวัสดีครับประรย์ครับคือผมมีข้อสงสัยนะครับคือพอดีว่าผมอ่อนั่งสมาธิครับแล้วก็พุทโธครับทีนี้เนี่ยผมมานับนับหนึ่งแบบพุทโธแล้วก็นับหนึ่งครับแล้วก็พุทโธนับสองครับทีนี้เนี่ยคือมันยังไม่ทันถึงสามเลยครับผมก็คิดคิดคิดไปครับทีนี้ผมก็แบบมันตีกันอะว่าครับแบบว่าคือคือยังยังไม่ทันถึงเนี่ยผมก็นับนับนับแล้วอะครับทีนี้มันก็เลยรู้สึกว่า สรุปแล้วคือคือผมทําถูกหรือเปล่าครับสติแล้วน้อยไปเราต้องฝวกสติก่อนนั่งก่อนครับผเราต้องพยายามฝึกทั้งวันเลยเรืองเงินตาขึ้นมาก็พุทธโทหนึ่งพุทธโ ท, โทสองไปเลยอย่าปล่อยให้ใจคิดถ้าเราฝึกมากๆขึ้นต่อไปเวลานั่งมันก็จะได้ไมีความคิดเข้ามาเข้ามารบกวนใจอันนี้สติเราไม่น้อยพุทธโทได้สองฐานครับก็ไปแล้ว ไ, ไปเริดองอเลยนะ เน้่ยเราฝึกทั้งวันถ้าเราทําได้เมื่อแต่เราเตื่นขึ้นมาเนี่ยช่วงที่เราไม่ต้องไปคุยใครไม่ต้องคิดเรื่องอะไรแล้วก็พุโทโธไปพุโทโธไปอาบน้ำนั่งหน้าแปฟันแต่งเนื้อแต่ตั ว, วรับประทานอาหารอยู่พุทโธพุทโธไปได้ครับผมครับแล้แลต่อต่อไปเวลาบาันไดจะรู้สึกว่ามันจะไม่มันจะไม่หายไปมันจะไม่มีความคิดเข้ามาครับพยายามฝึกสติก่อน เราเต็มค่อยมานั่งสมาธิโอเคมีใครไหมมีใครอยจะทำอะไรไหมถ้าไม่มีจะได้ไวให้กลับบ้านกันได้นะได้อยู่บ้านนะจะได้ให้เข้านอนไวให้เข้านอนกันโอเคนะถ้าคิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำวสิทธิ์ที่ท่านได้ยินได้สั่งไปคลิกพิจารณาไปปฏิบัติ เริ่มความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเธอ